จเจริญพรท่านสาธารณชนพุทธบริษัทผู้่ายทุกทุกท่านวันนี้เราเพงมาพบกันในครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามต่างๆใครมีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้เข้ามาร่วมได้ทุกท่านถ้าไม่มีโปรแกรมสูงถ้าไม่มีคำถามก็ดูทาง Facebook, YouTube, ไลฟ์ได้ วันนี้เราจะไปที่คุณหมอพิเชษก่อ น, นใช่คุณหมอ ก, บบการมรสการผ้าจารย์ครับวันนี้มากาบเรียนผ้ า, าจาย์เรื่องการบําเพ็ญจิตกับภาวนาครับผ้ า, าจารย์อ่านคือเมื่อพระวันจันทร์วันอังคารวันพุธที่ผ่านมาสามวันโยมได้ฝึกนั่งสมาธิแล้วจิตรวมเข้าสู่สมาธิได้ทั้งสามวันครับพระ้ า, าจารย์แต่มีบางสิ่งที่มีการ ต่างไปจากเดิมที่จะมากาเปลี่ยนพระอาจารย์และขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับคือตอนนั่งภาวนาพุทโธและดูลมหายใจเข้าออกไปสักพักใหญ่ๆก็จิตรวมพระสูสสมาธิมีแต่ความว่างสักแต่ว่ารู้ไม่มีจิตปรุงแต่งใจก็มีความอิ่มเ อ, อิบมีความสุขครับมาอยู่ในสมาธิไปสักระยะหนึ่ง มีความรู้สึกว่าเหมือนกายเราเนี่ยดำดิ่งลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปจนกระทั่งเหมือนกับกายเราหายไปครับอาจารย์แล้วก็ลมหายใจก็เหมือนกับละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนเบาบางก็เหมือนกับลมหายใจหายไปด้วยแต่ก็สักวแต่ว่ารู้ไม่ได้เกิดความกลัวหรือว่าเจ็บปวดใจอะไรครับอาจารย์ก็ได้อยู่กับสมาธินี้ไปประมาณสักสามสิบนาทีก็ได้ถอนออกมาจากสมาธิ หลังจากออกจากหวะสมาธิแล้วจิตก็ยังเ อ, อิ่มเอิบและมีความสุขมีความสงบและเป็นอุเ บ, บกขาครับก็ได้ลุกขึ้นเดินจงกลมตอนยืนแล้วก็ปิดตาเนี่ยเป็นความรู้สึกว่าเหมือนกับยังอยู่ในสมาธิแต่ก็ไม่ไม่ได้ลึกมากครับก็ได้มองถึงตามองทางที่จะเดินแล้วก็เดินไปก็หลับตาไปเดินไปสักห้าก้าวก็ลืมตาดูดูพื้นเพื่อไม่ได้ไปสะดุดหรือไปล้มอะไร แล้วก็มีความรู้สึกความเหมือนเดินอยู่ในสมาธิลอยๆนะครับแต่ก็มีสติอยู่ในทุกย่างก้าวที่เดินครับาอาจารย์ยังมากราบเรียนพระอาจารย์และขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับาอาจารย์่ปัจจุบันไปต่อไปพยายามเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิเป็นการสติแล้วก็มีเวล า, าก็กลับเข้าสมาธิมา พยายามฝึกสติกับสมาธิให้มันชํานาญให้มีสติตลอดเวลาไม่ขาดตอนไม่ว่าจะอยู่อยู่ในสมาธิแล้วออกจากสมาธิมาก็ต้องเจริญสติไปนปก่อนให้มันครับจะน้อมนําไปปฏิบัติตอนตอนนี้หรือมันแล้วก็จนว่าเราสามารถจะเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เรานั่งแล้วก็ ถ้าผ่านถึงขั้นชำนาญแล้วก็ให้พิจารณาความไม่เที่ยงแท้นแน่นอนของร่างกายเป็นเบ้ตอต้นคร่างกายไม่มีตัวตนไม่ใช่เราเป็นตักตาตัวห น, นที่เขาแมาเลิตขึ้นมาเราเป็นผู้มาครอบของคือผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักรับความเป็นจริงของร่างกายเพราะมันต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บได้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายเปไ็นที่สุดพิจ า, ารณาบ่อยๆให้จนกระทั่งมันใจว่า เ, ออเราไม่กลัวเนะอะเวลาร่างกายแก่แล้วก็อยู่คนตายเวลามันเจ็บเป็นโรคภัยก็เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็าตามก็ รู้ตัวว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นเพมันเป็นเพียงยงินน้ําหลบไฟเราควรรู้ก็ให้รู้เฉยๆไปแล้วเวลามันจะตายก็ก็ให้รู้มันรู้ที่เราหายใจเมื่อมันไม่หายใจก็ตายเมื่อมันหยุดหายใจก็มันก็แยกกันออกไปใจก็แยกกับร่างกายร่างกายก็ไปตามทางของเขา ใช่ก็ไปทมทางทางมีบาทางบนญทางบาปที่ได้ทำได้ทาถึงขั้นสูงสุดก็ก็ไปนิพพานขั้นต่อไปก็อาจจะยัอาจจะนั่งต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาก็นั่งต่อไปเวลวถ้ามันจะเจ็บก็ก็พิจารณาความเจ็บวตรทนาว่าไม่เทียม ไม่ใช่สิ่งที่เราก็คุมบังคับได้เป็นธรรมชาติอนัตตาที่เราจะเท่ายอมรับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้อย่าไปกําจัดมันเพราะกําจัดมันถ้ากําจัดได้ก็ชั่วคราวเนี่ยมันก็กลับมาใหม่แล้วพอกําจัดไม่ได้ก็จะเครียดจะทุกข์มากจะทํรมาถ้าเราไม่กําจัดมันเนี่ยให้อยู่กับมันไปดีกว่า อันอยู่ด้วยสติด้วยด้วยโอเบคาถ้ามันมันเล่นใจเิ่นไม่ยอมอยู่กับไม่ถนัก็ใช้คำวิริยกรรมก็ไดนะ้ใช้การสูญอะไรไปก็ได้หรือ ว, ว่าจะดูลมก็ได้คืออยากให้จิตมันดิ้นอยาให้จิต ม, ม, มันไปมีความอยากที่จะาหนีหรือยากจะให้ความเจ็บมันหายไป ปร่อาเจ็บไปเหมือนเราปล่อยดินฟ้ากิดอยู่ความเจ็บมันดินฟ้ากิดมันตกอากาศทะเลาะเราก็ทําอะไรเขไม่มได้วัดนี่จะหันอยู่กับเขาไปแล้วถ้าเราไม่ไปมีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์อันนี้ท่านปัญญาต่อไปถ้าคิดว่าพร้อมที่จะทดสอบดู เกี่กับเรื่องความเจ็บคือเวทนามันก็เวทนาที่มาจากทางร่างกายเจ็บตรงนั้นผลตรนนี้ถ้าผ่านเวทนาได้ต่อไปเกิดเราเป็นโลกมรรคไม่เป็นอะไรเราก็อยู่มันได้ไม่ต้องไปรักษามันให้ทรมันหรือว่ามันรักษามันก็ยืดเวลาไปหน่อยไเไป สู้ถ้าเราไม่กลัวความเจ็บจริงๆว่ามาเะไรแล้วแล้วก็ไหวใหเป็นไปไหให้มันกินล่างกายไปต่อไปเราจะไม่กลัวเวลามีโรคภัยไข้เจ็บเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องหายาแก้ปวดมา่กินเพราะเรามียา uh, ธรรมะอุปสนแก้ปวดทําใจซึ่งเป็นอาการร้ายแรงรุนแรงกว่า ความปวดทางร่างกายความปวดทางร่างกายนี้มันจิ้บจอยเมื่อเปรียบเทียบความปวดทางใจถ้าเราดับความปวดทางใจแ ล, แล้วความปวดทางร่างกายนี้ยจะไม่เป็นปัญหากับใจไอ ต, ตัวที่เป็นปัญหาคือตัวความปวดทางใจที่เกิดจากความอยากให้เวทนาให้ความเจ็บหายไปอันนี้คือสิ่งที่ต้อเราฝึกนดู น้องนไปปฏิบัติก็พออาจา้ะพิะจรณาอยู่เรื่อยๆแกเจ็บตายเป็นธรรมดาตากายไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงยินน้ําลภไฟเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งทำมาจากดินน้ําลภไฟพราะแม่เป็นโรงงานผลิตเราเป็นคู่มาซื้อนึอมารับร่างกายนี้เหมืนเราไปที่ที่ร้านขายรถยนต์แล้วก็ไปรับรถยนต์มาขับหนึ่งเราเป็นคนขับ เราก็พารถยนต์ไปไหนมาไหนซ่อมก็เข้าอู่ซ่อมไม่ได้ก็พามก็ทิ้งไปกายก็เหมือนกันใจเหมือนคนขับร่างกายเหมือนรโยนต์ใจเหมือนคนขับวันหนึ่งก็ต้องมีการแยกทางกันไปที่สุดนะลำปฏิบัตินะครับครับพระคุณครับอาจารย์ครับ คุณสาราการจะใช่หน้าเป็นยังไงดีครับอาจารย์ปฏิบัติทุกวันคะ่ะอาจารย์ตามที่พอาจารย์สอนนะคะแล้วก็สงบดีคะ่ะเพอรเมื่อวันก่อนล ด, ดลดน่กลัวจะลถโนนเขี่ยวตรงข้างหลังนะคะอาจารย์เยอะเลยแล้วทีนี้พี่เขาก็บอกแต่ลูกก็เฉยเฉยเพราะนึกคำที่พอาจารย์บอกได้ว่า ถ้ามปวดสองเด็กก็คือทําใจใเฉยๆค่ะมันเกิดแล้วไปทำอะไรไมัไมไมน ไ, มได้เปล่าค่ะก็เลยประมาณนี้แล้วก็จะถามพระอาจารย์ว่าถ้าสมมุติว่าที่พระอาจารย์บอกว่าให้นั่งไปเรื่อยๆอะคะ่ะพอเรามีอุบอุเบกขามากๆเนี่ยพระอาจารย์ใจมันจะเย็นไม่ค่อยมันจะนิ่งๆใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่มันจะเฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆอ๋อ อ๋อค่ะงั้นก็ประมาณเหตุการณ์ ด, ด, รดีก็ไม่เลยดีใจเหตุการณ์ไม่ดีก็ไม่เลยเสียใจอ๋อค่ะเพราะว่าที่พ้าจารย์บอกให้นั่งไปเรื่อยๆลูกก็ น, นั่งไปเรื่อยๆของลู ก, กนนอย่างเงี้ยค่<ๆ>ะอกพยายามทําใจให้เฉยกับทุกอย่างอแปนบ่นก็เฉยแปนชมก็เฉย <c oughs> อ <c oughs> ยายามอยู่ก<ๆ>็ ถ้าไม่ใช้ก็แสดงว่าอุเบกขาไม่มีลหายไปแล้วน่น่าจะน่าจะดีขึ้นค่ะเพราะตั้งแต่ฝึกมาเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ไม่ไม่อะไรเฉยๆอ่ะตั้เออเอิญมีมีอยู่ครั้นหนึ่งมั้งเขาถามแล้วเขาก็เตรียมจะดูลูกก็นึกได้ปึ๊บรูกก็เฉยอีนดี้วดเฉยเขาหาว่าลูก อ, ะอ่ะดึงเงียบลูกไม่ใช่อาจารย์่อนว่าให้เงียบถือว่ารูปยางเป็น ปรากฏการทางธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นเรื่องที่เราไปควบคุมบังคับไปอะไรไม่ได้ <c oughs> ะไจะเกิดก็เกิดอะไรจะดับก็ดับใครจะดีใครจะชั่วใครจะร่ำใครจะชังเราเราก็ห้ามเราไม่ได้ครับ <c oughs> เราห้าม <c oughs> ใจเราได้อย่างเดียวพอใจ <c oughs> เราเฉยถ้าเราไม่เดือดร้อนถ้าไม่เฉยนะเราจะเดือดร้อนจะเครียด <c oughs> จะทุกข์ <c oughs> น้อยใจเสียใจเลย ไม่ไม่ค่อยมีแล้วค่ะพระอาจารย์ไม่ฟุ้งซ่า น, นแต่ก่อดก็ไม่กอดไม่กังมลทุกอย่างวันที่ในที่สุมัก็ตายกันหมดมีใครไม่ตายบ้างตายแล้วก็ถ้าแบบตัดไม่ได้ลูกก็จะแบบทำแบบที่พระอาจารย์บอกอะ่ะเขาเป็นกล้วยเราเป็นส้มเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ เ, เราไปเปลี่ยนฝนเปลี่ยนลมได้ปะ สั่งให้ลมไม่พัดได้ป่ะสั่งให้ฝนไม่ตกได้ป่ะทุกอย่างก็เหมือนลมกับฝนเนี่ยถึงแต่เราไปยิว่าเป็นคนเป็นอนุนก็ได้ น, นี่ความจริงเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้อ่าลูกลูกก็ฟังแล้วก็เอามาไปยุคใช้อ่ะคะ่ะอาจารย์ประมาณเนี้ยคะ่ะมาฟังะอาจารย์ค่ะปฏิบัติตอนเนื่องคะอ่ะอ่ายินดีอย่าทิ้งนะทำมาเนี่ยของประเสริฐนะ ไม่ผิดคือ้ังใจที่วิเศษที่สุดทำทุกวันหรือว่าจานก่ค่ะขอบคุณค่ะจ่ะแมทแจตตี้สวัดีจ้ากา่าวถึงราชการพรจน์ค่ะวันนี้ไม่มีคำถามก็มันก่อนมาฟังเทศเป็นยังไงบ้างดีไหมดีค่ะสงบนั่งเฉยๆได้ไหมชั่วโมงงได้ค่ะสบายไหมนะไม่รู้เสกอะไรนะ ธรรมด า, านั่งไม่ได้ไหมถ้าอยู่บ้านนี้นั่งได้ชั่วโมงนั่งเฉยเฉอไม่ได้ครับมันต้องมีอะไรให้ใจทาําต้องมีอะไรให้มันฟังถ้าไม่มีอะไรฟัาก็ต้องให้มันพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าอยู่กับพุทโธก็<ะ>สวยวนบวชยาวไปทั้งชงั่วโมงก็อมันก็อยู่ได้ทางนี้ดีกว่าไม่เล่นเกมเล่นเกมแล้วติดเดีย๋ยไม่มีเกมเล่นก็เครียด สวนมนต์นีพุโทโธนี่เราทำได้ตลอดเลยครับเวลาเราลำคาญอยากอยากจะเล่นเกมก็มานั่งนั่งสมาธิแทนดีกว่านั่งสมาธิแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจหรือสวดบดอีติวิโสไปก็ได้ลองสวนบทมงคลชานที่แปดดูดีดีนะ เราให้แม่อาไให้สวนเราซอนคน้วันหน่งาใส่บาตรทุกวันให้เขาสวนบนดวงพระเกษตรเจษมนาจับาลานาบมันิตานาจเตมนาผู้ชาจะผู้ชนียานามิทรงมตะมัตะมุแล้วก็แปลไปด้วยการไม่ครอบนพาลครอบันฑดตการบูชาคนที่สมควรแก่บูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งเราไป นั่งท่องดูให้มันจบทำสาม8แปดข้อย ใ, ให้เวลานอนหน่อยน <c oughs> อนทำดูนะจะได้มีสติจะได้มีสมาธิเยอะขึ้นคใช่ครับครับโอเคไม่มีอะไรนะพอกการล้านะทำ <c oughs> ใครอ ย, ยากจการบ้านที่จะทำม่ได้นะถ้ายังทำไม่ได้ น, ะมมดนั่งสมาธิไม่ได้ก็นั่งส่วนบทมงคลสามบแปดไปก่อนก็ได้ จะได้ <c oughs> เรียนรู้ด้วยพระเจ้าสอนวิธีสร้างหมดก่อนมองคนให้กับชีวิตให้สร้างอย่างไรครับโอเคั <Okay. S 2> ไปต่อต่อค น, นนะพระอาจารย์คุณนันทพัทรยาอุบลกลาวนามสการเจ้าขาพระอาจารย์ก็วันวันจันทร์มี เรื่องเข้ามาทดสอบนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ตอนประมาณก่อนบ่ายสองลูกจะขึ้นบันไดไปชั้นสองเพื่อไปห้องปฏิบัติธรรมเพื่อฟังธรรมพระอาจารย์ใช่ไหมเจ้าค่ะก็เจองูเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่บนอยู่ขวางอยู่บนบันไดเจองูเจองูมาขวางอยู่บนบันไดลูกก็สภาวะจิตคือตกใจแล้วก็มีอาการ ใจสั่นประมาณส0บวินสิบวินาทีเจ้าค่ะพระอาจาร์หลังจากนั้นก็สงบลงแล้วก็เดินไปบอกคุณพ่อคุณแม่มาดูแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลือ้อยหายไปทีนี้ก็ปรากฏว่าหาเขาไม่เจอค่ะพระอาจารย์ก็ลูกก็ช่วยคุณแม่รื้ของหรืออะไรเงี้ยเพื่อหาตัวเขาเพราะว่าเขาอยู่ในบ้าน่ะเจ้าค่ะพระอาจาร์ลูกก็เลย แต่พอดีคุณพ่อเห็นตัวเขานิดหนึ่งก็บอกว่าน่าจะเป็นมูไม่มีพิษก็เลยอาจจะทำให้มีสติในการที่จะลื้อข้าวของเพื่อที่จะหาตัวเขาให้เจอก็หาอยู่หลายชั่วโมงไม่เจอเจ้าค่ะพระอาจารย์ทีนี้พอหยุดหาพอหยุดหาก็คุณแม่ก็ไปเอาผ้าออกจากออกจากตะกร้าผ้าเขาก็เลื้อยออกจากตะกร้าผ้าเข้าไปในตู้ก็เลยรู้ที่อยู่เขาแล้วก็เลยก็เลย เรียกโทรเรียกกู้ภยัยเขามาช่วยพอดีเขาอยู่ในตู้เขาไม่ยอมออกม า, จากเจ้าค่ะเอาอะไรไปเคาะเขาก็ไม่ออกมาก็เลยให้กู้ภัยมาช่วยจับไปก็ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแต่ส่วนเรื่องสภาวะธรรมก็คือหลังจากหลังจากที่เจอเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เรามาคิดว่าขนาดเราอยู่ในบ้านความคือลูกเป็นคนกลวงอยู่แล้วจากที่เคยกับเรียนพระอาจารย์ เขาก็มาทดสอบถึงในบ้านเลยนะเจ้าคะพระอาจารย์ เ, าเราเราก็ได้ทดสอบว่าเรายังมีความกลัวอยู่แล้วสิ่งที่พิจารณาต่อไปก็คือถ้าเราตายจริงๆก็พิจารณาลึกเข้าไปก็พบว่าเรามีความทุกข์จากการที่เราไม่อยากตายอยู่เจ้าขาพระอาจารย์ลูกจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนําว่าเราจะทํายังไงให้เราไม่ต้อง ละละความไม่อยากตายได้แล้วก็ไม่ใจสั่นอีกเจ้าขาพระอาจารย์เกอสติกับสมาธิเรายังมีกําลังน้อยเ่าเรารู้อยู่แล้วว่านัางการมันต้องตายแต่ใจเรามันยังไม่ยอมรับมันยังไม่นิ่งขานยังมันยังอยากไม่ตายอยู่มันต้องทาให้มันนิ่ง ก็ที่รับการบ้านพระอาจารย์มาว่าให้ฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับใช่ไหมเจ้าคะพระอันนั้นจะช่วยได้ใช่ไหมเจ้าคะมันก็แล้วเวาตื่นตอนออกก็พุโทโธพุทโธไปค่ะพระอาจารย์ก็ก็ทําให้เรามาคิดถึงความตายได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นเจ้คาคะพระอาจารย์มันมันเข้าถึงใจเจ้าคะพระอาจารย์เมื่อม่นยนนี้ยอมตายอ๋อตายก็ตายยอมตายถายอมตายได้มก็มันก็หายตื่นแลน้ว ค่ะแต่ตอนตอนนั้นก็คือด้วยใช้สติพยายามพิจารณาการลืร้อของการละไอยู่ก็เลยไม่ได้พิจารณาความตายแต่มาพิจารณาหลังจากนั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็มันก็เลยเข้าไปพบว่าเราถ้าเราจะตายจริงๆเรายังไม่ยอมตายเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะไมกายถึงช่วงที่เจอตัวมันเลยคนะ่ถ้าเกิดอา ก, การกรลัวขึ้นมาก็หวับว่าอย่ามากก็อย่างมากก็ตายว่า ค่ะตายก็ตายค่ะการาำนี้น่าจย์มันก็จะถ้าปล่อยได้ใจยอมตายได้มันก็เหมือนกันเองมันก็สมบเจ้าค่ะว่าอาจารย์แล้วถ้าถ้าลูกมาเอาความตายมาพิจารณาอยู่บ่อยๆหลังจากนั้นก็ก็ได้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมีเหตุการณ์มาช่วยเตือนเอ่อเตนมันต้องแต่ถึงเวลามันต้องมาใช้ตอนที่ แต่นจะเจอภัยขึ้นมาค่ะ<ม>เพราะเพราะว่าตอนที่ไปเขาชีโอนก็ด้วยความที่เราเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจใช่ไหมเจ้าคะ่ะพระอาจารย<ม>์มันก็ไม่ได้ตระหนกมากถ้าจะเจอ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่อันนี้คือเรากําลังแบบสบายๆในบ้านนะเจ<ม>้าค่ะพระอาจารย์มันไม่ได้เตรียมตัวลูกคิดว่านะคะมันเลยมันเลยมีอาการใจสัน่นคือตกใจแล้วก็ใจสัน่นเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะเจอเ<ม>จา้าค่ะมันอยู่บ<ม>ันไดในบ้านเลยเจ้าค่ะก็เลยโอ้เราก็ สามารถตายได้ทุกเมื่ออะเจ้าค่าพาจารย์ไม่มไม่ต้องไปในป่าก็ได้เจ้าขาพอาจาย์ค่ะก็มีสองวิธีถ้าใช้พุทโธพุทโธก็ก็ทำให้มันสงบชั่วคราวแต่ถ้ายามบบมาอายามตายแล้วทุกเกิมาแล้วต้องตายตายก็ตายแล้วายอมตายมันก็จะหายกลัวไปตลดอดก็ก็เป็นปัญญาใช่ไหมเจ้าค่ะ ้คก็มาตรวจสอบเนี่ยเพื่อจะเดี๋ยวไปเจออีกตัวหนึงได้ดูที่ว่าปวดติดตาจะมั่ยหรือเปล่าค่ะก็ก็คราวนี้ก็น่าจะมีสติมากขึ้นเจ้าค่ะเพราะว่าเจอปวดปวเหมือนเข้าเหมือนเข้ามาเลมาให้เหมือนเซิฟเซิฟก่อนเจ้าค่ะพราจารย์โอไม่เคยงบอกว่าบางคนพิจาราควาตายแล้วไม่ปวตาย้มันไม่ปวตายใช่หรือเปล่าใช่เจ้าค่ะเพราะลูกจําได้ว่า เมื่อวันพุธที่แล้วลูกบอกพระอาจารย์ว่าพอลูกคิดถึงความตายแล้วจิตลูกหดใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์<ช>แล้วลูกก็คิดถึงมันบ่อยขึ้นใช่ไหมเจ้าคะพอ<ช><ช>บ่อยขึ้นแต่โอ้โหโพอมาเจออย่างนี้ไม่ได้เตรียมตัวก็ก็ใจสั่นเหมแตนเจ้าค ะ, ะาใชใ่เลยหายเลยความตายหายไปเลยใช่ค่ะ <c oughs> ใช่เจ้าค่ะมันโอ้โหขนาดขนาดเราพยายามคิดบ่อยๆอย่างมันยังไม่ทันเลยเจ้าคะค่ะก็ก็ ก็จริงๆเขาถึงบอกว่าพระสโสดาวันถึงละตรงนี้ได้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์มันดูดละลายไเฉยๆเลยไม่ใช่เฉยจำได้ก็จับจำไปปล่อยได้ก็จำไปปล่อยค่ะหาได้ถ้ามันไปหลอกกอน็หาได้แต่ไม่ได้หาด้วยความหวาดเลคือเพื่ อ, เ พ, อเพื่อความปลอดภัยเรื่อความที่จะได้ไม่ต้องมาไฟเครื่องวันน้มัน อมันไปแยกไปอยู่คนละที่กันอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะตอนเดี๋ยวเพอ่งพังไปเหยียบพัง้งวันนี้มันอาจจะชบกันได้ใช่เจ้าค่ะแต่ไม่ได้ทำด้วยความหวาดกลัวและความเกินกำลังให้ทําด้วยใจสงบค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็วั น, นวันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์กล่าวขอพระคุณพระเจ้าค ตุนฝนคุณฝนกราบที่ไหนในพิธีการพระอาจารย์แล้วค่ะอืมอยู่ที่ไหนขอนนท์หรอบางสุตาเจ้าค่ะอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะพระอาจารย์มามามีอะไรไมพระอาจย์มเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาที่ที่ที่ชนบุรีใช่ไหมเจ้าค่ะสามวันได้ของฝากกลับมาเป็นโควิดเจ้าค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็เลยแบบว่าอยู่อยู่โฮสพิเทลเจ้าค่ะดีจะได้ไม่มีใครมาอยู่บ้านเรา ถ้าจะต่อมาได้ถ้าจะหจะาว่าอาจารย์ น, นี้ก็เลยวันนี้เพิ่งจะเข้าที่อะเจ้าค่ะเข้ามาเมื่อวานเราวันนี้ก็เลยพอดีนั่งสมาธิไปสองรอบแต่ว่านั่งรอบสั้นๆคที<ม>นี้มีเรื่องจะกราบเรียนพระอาจารย์ว่าระหว่างที่ไปปฏิบัติโน้นใช่ไหมเจ้าค่ะวันนี้เหตุการณ์แบบอินซิเดนต์ที่เกิดขึ้นแบบระหว่างที่เรานั่งสมาธิอยู่ตอนเช้าอะคะ่ะตอนตีห้า ก, กว่าแบบคนเป็นพันอะเจ้าค่ะแล้วมันมีเสียงกรีดร้องแบบเสียงคนกรีดร้องแบบขึ้นมาค่ะแล้วบางทีก็มีคนกรีดแบบ กรีบร้องบบตามกันมาแบบไตเอ็มไปหมดเลยแล้วก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนคนแบบเหมือนพั่นดินถลม่มเหรอจ้าค่ะแล้วแล้วหนูก็นั่งนั่งสมาธิอยู่แล้วหนูก็ตกใจอ่ะค่ะมันมันเป็นความแบบกระทันหานนะคะพระอาจารย์หนูนึกว่าเกิดแบบแผ่นดินไหวหรือเกิดแบบมีใครบุกเข้ามาอะไรเงี้ยก็ลุกวิ่งเลยเพราะว่าเหมือนแบบมีคนใครบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้วิ่งไว้ก่อนอะไรเงี้ยหนูก็วิ่งให้หนูวิ่งไปแล้วหนูก็สะดุดล้มแข้งขาแบบ ขาพลิกเข่าช้ำแบบว่าอะไรไปหมดเลยอ่ะแล้วมันเหมือนว่าตอนหลังเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นเพราะเหมือนมีงูเพราะเขานั่งอยู่แล้วเหมือนแบบมีงูมัน เลื้อยมาอะไรอย่างเงี้ยส้หรับพ่อาจารนเราสุดท้ายเขาก็หางูก็หาไม่เจอเราก็เลยรู้สึกว่าโหแต่เราจะตื่นตหนกไปทําไมเนี่ยเจ็บตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสุดท้ายแบบหนูก็เลยเจ็บใจค่ะรอบเย็นนั่งสมาธิอีกรอบหนึ่งอะหนูก็เลยตั้งใจว่าแบบรอบนี้นะเป็นตายยังไงนะถ้าเกิดแบบมีคนกรี๊ดนะหรือว่าแบบเกิดมันมีงูตกใส่หนูนะหนูก็จะแบบจะต้องมีสติให้ได้เลยหรือวแบบ่ามันอาจจะเป็นแค่ใบไม้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็พยายาม แล้วประกอมันเป็นครั้งแรกอะค่ะพระอาจารย์ที่หนูนั่งไปได้แบบได้จนถึงจบมะค่ได้จนจบแบบหมดเวลาเลยอะค่ะพระอาจารย์ไปนั่งที่ไหนไม่เข้าใจที่วัดป่าวชิรบันโถสอะค่ะอ๋อแล้วมีคนเป็นพันเลยนะใช่ค่ะแบบมันเกินแบบมันเยอะมากคอะพระอาจารย์แล้วไปนั่งรวมกันพันคนไหมอะนะไม่ใช่เจ้าค่ะแบบเป็นพันๆเลยเนาค่ะพระอาจารย์เป็นพันอะค่ะแบบ คนอยู่ก็แบบนอนที่แบบมันไม่พอเลยอ่ะค่ะมันมันต้องแบบดูกันเยอะมากค่ะเหมือนเหมือนไม่ไม่รู้ทําไมคนแบบบังเอิญไปกันแบบเยอะมากค่ะจนแบบสุดท้ายเขาทำใไมไม่ปฏิบัติที่ไปยกที่คนเดียวไม่ดีกว่าเป็นนั่งกับคนเป็นพันทาไมใช่หนูหนูก็ไม่คาดคิดนะคะว่ามันจะเยอะขนาดนี้ค่ะพ่อจานเพราะหนูก็แบบเคยหนูก็ไม่หนูยอมหนูไม่เคยไปแบบนี้มาก่อนนะคะเราก็ชวนกันไปกับเพื่อนใช่ไหมคะเพราะว่าตอนที่เขาไปอะมันมีคนแค่ประมาณแบบยี่สิบคนคือแบบ มันเงียบมากค่ะแบบประมาณยี่สิบกว่าคนนะค่ะแล้วเหมือนแบบล่าสุดหนูก็เหมือนมีคนไปรีวิวลงในทิกตอกหรือยงไงไม่ทราบค่ะคนก็แบบไปกันเยอะมากค่ะจนแบบไม่ไม่พอเลยอะค่ะแบบมันต้องเบียดเบียดกันหมดเลยอะะ่ะค่ะแล้วแล้วสุดท้ายเหมือนแบบหลวงพ่อเขาก็ประกาศปิดปิดวัดเลยอะค่ะปิดแบบปิดวัดก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมีอะไรไหมวันนี้หนูอยากจะถามพระจานทร์นะคะว่าหนูแบบ เราจะแยกได้ยังไงคะระหว่างแบบการนั่งสมาว่าเรารู้ว่าเราได้อยู่ในสมาธิค่ะกับการสรปปงบเหมือนแบบหรือว่าเรานี่งแบบว่าเราสรปปงบอะไรอย่างนี้ถ้าไม่รู้วปปก็สงบถ้ารู้ก็ไม่สปปงบ อ, อ๋อเพราะว่าหนูรู้สึกวเวลาหนูนั่งนะค่ะมันมันหนูก็ไม่แน่ใจใช่ใชไหมคะเพราะมันมันเบ า, าไม่แน่ใจก็สัปปงบ อ, อ, อ่าแต่มันจะมันต้องแน่ใจมันตอนนี้แน่ใจหรือตอนนี้สงบวะไม่ค่ะอ่ามันต้องแบบต้อต้องเป็นแบบนี้อ๋อโอเค สมาธิมันก็ต้องมันเป็นแบบเหมือนตอนที่เรานั่งคุยอะไรนี้เป็นแต่ว่าจิตมันนิ่งสมบให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาเราคือเรานั่งอะค่ะมันเหมือนแบบเราเราพยายามค่อยๆมันค่อยสติมันหน้าหมดมันไก็จะหลับสงกไปออคือมันจะรู้สึกเหมือนแบบถาไนั่งนั่งนั่งหน้าเหวหน้าผามันจะไม่เคลิมมันอยากตื่น โอเคได้แต่ดี๋ยว่าอยู่หนูว่าจะไปจะไปฝึกต่อเหมือนที่พระอาจารย์บอกเพราะว่าที่ที่เราที่ที่ได้พระอาจารย์บอกว่าให้ไปฝึกวันละสองรอบ่ะคะคือแบบคือหนูขอแบ่งช่วงเวลาคะแบบว่าแบบช่วงหนึ่งสามสิบนาทีช่วงหนึ่งสาสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปทําไปทําจะพยายามไปทําต่อค่ะแล้ว ช, ช่วงนี้แบบมาอยู่คนเดียวด้วยหนูก็เลยคิดว่าหนูคงจะจะมีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ปฏิบัติเยอะขึ้นนะคะพระอาจารย์อ ก็ปฏิบัติมันทั้งวันไปเลยไม่มีอะไ้องทำไม่ใช่ไหมไม่มีค่ะแบบก็ก็ก็แบบว่าปฏิบัติก็เขาเห็นว่าพระอาจารย์แบบแนะนําว่าแบบควรจะนั่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันหรือว่าหรือว่าก็สลับไปเดินตจงกลมอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่สลับก็ได้ไม่สลับก็ได้นั่งเฉยๆมันหลายๆชั่วโมงไปก็ได้ถ้านั่งได้แบบแบบแล้วอย่างเงี้ยพอดีอย่างเมื่อกี้หนูก็ลองนั่งใช่ไหมคะแล้วมันนั่งแล้วมันแบบ มันมันไออ่ะมันอยากจะไอแต่หนูก็พยายามคุมลมนะคุมลมเพื่อให้แบบว่ามันไม่ไม่แล้วหนูก็พยายามคิดว่าเออแบบมันร่างกายกับใจมันคนละส่วนกันนะเหมือนแบบใจเราแบบเอ้ใจเราไม่อยากไอนะแต่ถึงแม้ร่างกายมันอยากจะไอแต่แบบใจเราไม่อยากจะไออ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมาอะไรเงี้ยพยายามคุมลมมันเนี้ยมันก็มันก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะจนเหมือนแบบมันไม่ได้แล้วมันก็มันไอออกมามันมันก็เลยต้องไอออกมาค่ะจ้าสตอน์นัส ธรรมดาไม่อายใช่ไหมมาอายตอนที่นั่งอยู่นียอหมอก็ไอบ้างอะ่ะพระจานทร์วันนี้ทั้งวันก็มีไอบ้างค่ะไม่มีไอเหมือนกันอะไเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอาการของโรคได้หรือเปล่าลอะไรเงี้ยมันก็มีไอแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ อ, ะอะ่ะค่ะโอเคอยู่จะ ก, ก็โอเคค่ะมีอนิดหน่อยค่ะถ้าเป็นเรื่องของนั้ำตาลก็ห้ามมันไม่ได้มันจะอายก็ต้องแพ้ได้ อ๋อค่ะคือหนูก็กลัวแบบเหมือนตอนนั่งพอเราอไปแล้วมันก็เลยทําให้เราหลุดจากสมาธิอะไรแบบนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ต้องหลุดนะถ้ามันเป็นโรคประสามันก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันเป็นเรื่องของร่างกายก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหนูก็จะพยายามแบบนั่งฝึกนั่งบ่อยๆดีกว่าเพราะว่าเหมือนที่พระอาจารย์บอกเพราะว่าก็อยู่คนเดียวไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วเจ้ะค่ ะ, ะ, ะไ ด, นะได้ได้ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์เี <Okay. S 2> หนูไปฝึก อาจารย์ไลกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะกลบนมัมนส ก, การพระอาจารย์สวัสดีสบายดีนะค่ะสบายดีอ่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะอ่าเียโอเคค่ะพระอาจารย์ทำมีเรื่องจากกลับเรียนถามว่าอย่างแม่เนี่ยอายุหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยนะคะ หนึ่งร้อยหนึ่งปีก็เราก็เปิดเทปของพระอาจารยนะ์ให้ท่านฟังทุกวันนะนะคะวันประมาณสักชั่วโมงหนึ่งตอนเช้าเลยนะคะฟังไปท่านก็หลับไปแล้วท่านก็ยังคือรู้เรื่องอันนะคะทั้งเมืเ่อไหร่เห็นเห็นพระก็คือกราบแต่ถามว่าจะรู้เรื่องทั้งหมดไหมก็ไม่แน่ใจอย่างเราจะจัดอย่างเงี้ยให้ให้ให ไหวสังฆทานใช่ไหมคะถ้าท่านเห็นพระปุ๊กเนี่ยท่านรู้ละท่านจะยกมือคืนไหวแน่นอนแต่ถามว่าท่านจะรับรู้สาระอะไรไหมเนี่ยก็ไม่แน่ใจการทำองไรดีมันต้องออกจากความตั้งใจของท่านถ้าท่านไม่ได้สั่งเราไปทาให้ท่านในท่านท่านก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ เพรา็ท่านจับไว่ได้อยู่แล้วถ้าจับไม่ได้ก็ต้องไปกังวลทําไปก็เหมือนกับไปทําเป็นพิธีอตัวตัวบุญจริงๆมันไม่ได้ตัวบุต้องถอยกตัวคนทํำมาอยากจะทําแล้วก็ต้อเอาของที่เป็นของตนไปทําด้วยแต่ถ้าคนอื่นจัดทําให้ทุกอย่างไป็นให้นั่งจับแต่แล้วก็ยกมือไหว้นี่มันก็ไม่ได้เลย ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําก็แล้วแต่เดี๋ยวท่ให้เพรามันถึงวันนี้แล้วก็อย่าไปหวังอะไรมากแต่ท่านใช้ได้ก็ถือว่าบุญแล้วท่านกงฝากสตังไว้นะคะเราก็เอาเอาสตังค์ท่านระค่ะมามาเอาไว้ทําบุญนะนะคะเขาไม่เว้นอไรค่ะท่านก็ได้ทําบุญของท่านไปแล้วถ้าท่านสละเงินทองท่านทั้งหมดไปแล้วท่านได้บุญเยอะแยะนะ อ็เพลงแต่ว่าเรามันก็เป็นกิเลสของเราเองที่เราคิดว่ามันถึงวันเป็นมงคลของของครอบครัวนะคะว่าเรามีแม่อายุยืนแล้วก็ยังมีสุขภาพที่นเดีมันก็เป็นเป็นการกระทำแสดงความบันเทิเการแสดงความรักความเคารพนะแต่มันก็เรื่องสําหรับคนตัวทิศโลทั้งเองนี่เขาคงจะไม่รู้เรื่องอะไรแล้ว ค่ะไม่ไม่รู้เต็มที่แต่ก็รู้บ้างนะคะอย่างพรุ่งนี้ก็คิดว่าก็แม่ก็จะมีความสุขคือเห็นคือเห็นลูกมานะคะหลานมาอะไรย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไจ้กลับพระเนี่ยเพราะว่าท่านยังรู้เรื่องแต่ว่าไม่ได้รู้ทุกทุกเรื่องอะนะคะ เ, เรามีหน้าที่ของเราทาไปแล้วส่วนท่านจะรู้ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเรก็ไม่รู้อ่ เรามหน้าที่ของเราทำแล้วก็ทํำไปจัดงานให้ท่านไปนวิญญาณนิมนต์พระมาสวดมาให้พรไปอะไรก็ทําไปท่านจะรับรู้มาก้ากเท่าไหร่นันก็เป็นเรื่องของท่านนะเรก็ไม่รู้เราไปอ่านใจท่าไม่ได้ไม่ได้เป็นเมียพิญญาเป็นความสุขของคนจัดก็ดีแล้วล่ะก็ทําไปแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างให้กับ ลุงหลานต่อไปเราเป็นแม่เราแก่เขาเขาจะได้ทําต่อเราก็พอมไม่คออยู่ยาวไม่ไม่รู้พอได้ไหมแต่ตอนนี้เราทําขณะที่เรารู้เรารีบทําำมีงินมีท่าอะไรนี่เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปทำก็ค่ะก็เลยดูว่าเออเนี่มันก็เป็นกิเลสส่วนของของเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นการที่เราทํำดีนะคะให้กับออ ก็ไม่เ <relationships> ข <K fluffy. S 2> ้าใจได้ว่าหลักการทำบุญที่แท้จริงเป็นยังไงก็ทําบุญก็ต้องเกิดจากเจตนาของตนเองเกิดจากการเสียทรัพของตนเองถึงจะเป็นบุญแต่คนนึ่งจัดทุกอย่างให้คนคนทำบุญก็เพียงแต่มารับโลชัยแทนมันก็คนที่จัดนะคนท่ ใครเป็นเจ้ของทรัพย์คนนั้นก็ได้ค <c oughs> น, จ, นจัดได้บุญอ่าก็ดีบาง <c oughs> ทีเราอาจจะต้องมีต้องการบุญมากกว่าเขาก็ได้คื <c oughs> อโอกาสนะแม่ก็อยู่ว่าแม่ก็อยู่มานานแล้วอาจจะทำํำมาเยอะแล้วก็ได้อ่า <c oughs> ใช่เราทําตามก็คิดดีนะ่ะมันก็เป็นดีสําหรับตัวเราค น, คนจัดคนทําก็ได้บุญแน่ๆแล้วก็เป็นการสอนลูกหลานที่ มาร่วมงานว่าเนี่ยทำบุญกันนะอะไรแ่แ<ช>ม่แต่ว่ามจะปีละวันก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยทำตลอดนะคะได้บุญตัวเองค่ะคุณแม่กมม็ทุกวันที่ก็คงเราคิดว่าทำให้คุณแม่ค่ะอ้าดีทำไปเถอะไม่เสียหายไรคเลยมีอะไรไหมไม่มีค่ะจราขอบคุณจา้าคุอ ย้อนไปที่คุณคุณลีกับเุณดีศีอาชาการนมรสการพระอาจารย์เจ้าค่าะสาทุค่ะมีอะไรหมอา่าอาทิตย์ที่แล้วหนูไม่ได้มากราบอาทิตย์นี้ตั้งใจจะมากราบ <laughs> <laughs> ก็เออ <laughs> ไม่ไม่มีคำถามเจ้าค่ะ <Okay. S 1> ตอนตอนเปิดค่ะตอนเปิดพระอาจารย์ก็คุยกับคุณลุงพี่เชฐ หนูรับฟังเต็มเต็มจ้ะค่ะโอเคเอาไปเอาไปปฏิบัตินะคุณบอกท่านก็ไปกายก็ได้จิตท่านกบออกค่ะหนูฟังแล้วรู้สึกอนึกโมทนาด้วยจ้ะค่ะไม่พยายามอะไรอะไรทุกคนทําได้ถ้าฝมีสติแป็งถ้มีสติมันก็นั่งสมาธิมันก็สงบได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะได้ลอยลอยไปตามอารมณ์นะนกันลอยไปตามความคิดุปลี่ง แล้วค่ะไม่มีคําถามน้องกราบค่ะด้วความเคากพสาธุค่ะคุณล้อข้าศน์ใช่กลับแล้วมาสักการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็กลับมาคราวนี้ก็กลับมาทําคือทํางานให้ละเอียดขึ้นนะคะพระอาจารย์ก็ทําทําทางเดินจงกลมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงความสงบแล้วก็ความเีย็นหัวใจได้ค่ะอาจารย์อยังรู้สึกดีอยู่เหมือนเดิมค่ะ แล้วแล้วก็คือเข้าใจความไม่ความกล้ากับความกลัวแล้วคือมันคือเป็นสัมผัสได้ถึงความที่ใจถ้ามันไม่กล้าไม่กลัวคือใจมันสงบเย็นแล้วมันก็ไม่สั่นเวลามันเจออะไรนะคะพะอาจารย์ที่อาจารย์บอกเขาที่แล้วอะคะ่ะก็ค่อยค่อยพิจารณาอย่างละเอียดมันเหมือนกับพยายามตั้งใจในการทําแล้วก็ดูตัวเองทําแล้วก็ดูพระอาจารย์ไม่ไม่รีบสรุป <laughs> มันอาจจะมีตัว ชัวละเอียดที่มันหลบซ่อนอยู่ไม่ได้มันยังไม่พอออกมาเพราะฉะนั้นก็ดูที่ใจใช่ไหมคะให้มันเรารู้แล้วว่าใจสั่นเป็นยังไงใจสงบเป็นยังไงไม่ให้ใจกระเพื่อมแขนสัมผัสรับรู้อะไรก็เฉลี่ยคิดได้คิดแบบไม่กระเพื่อมได้เวลากระเพื่อมนี่มันแล้วมันเป็นอารมณ์นักชั่งตัวลงเสียหนาเวลาคิดได้เห็นด้วยมอที่มันไม่กระเพื่อม แบบรู้สึกต้องขอบคุณพระอาจารย์มากมเลยคือมันทําให้เห็นเลยว่าเออไม่เกิดเพื่อมันเป็นยังไงพระอ า, าจารย์ตอนแรกไม่เข้าใจไงคะตอนแรกชอบสรุปตอนนี้เข้าใจแล้วอ่ะมันต้องปฏิบัติสมาธิมันเป็นอะไรแทนการกับเพื่อนองจิตแล้วเป็นยังไงพระอาจารย์ก็ก็ก็คืออยู่ในสิ่งจักคืออยู่ในกายวิทนาจิตธรรมตรงนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์คือดูไปสลับไปเรื่อยแล้วก็แล้วก็พยายามดูใจรักกับปริยสัตว์แบบที่พระอาจารย์บอกแล้วโอวบอร์ลก์โกมาแล้วค่ะ พยายามตั้งใจทำให้ครบรอบในทั้งวันนะคะปาจะไม่ว่าจะเจออะไรเลยนะคืนนอกายวิธานจนิตก็เป็นเป็นตัวที่จะทำให้ใจกรบเพื่มเวลามันโพกขึ้นมาเวลามันมีอะไรผิดปกติก็อยู่ที่ว่าใจเราจะอยู่กับมันรับมันได้ปะได้่ะาจแล้วทำนี่ก็คือเราก็ แล้วก็ดูธรรมนี่คือดูธรรมว่คือธรรมว่าสติเนี่ธรรมว่าสติดูใตรักขึ้นกับเป็นธรรมหรือดูระยะสัตว์ดูใจกับเพิ่มเพความอยากถ้าไม่มีความอยากมันก็ไม่กับเพิ่มได้ค่ะอาจารย์แล้วเราดูอระยะสัตว์นี่เราดูถ้าเราเห็นคนเราเห็นสัตว์หรือว่าคนเนี่ยเรามองทุกของเขา ทุ ก, กระยะศาสตร์ของเขาแล้วก็มาดูที่ตัวเราด้วยใช่ไหมได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าเราเทียบอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีสติได้ง่ายกว่าถ้าเกิดเราดูตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เราดูใจของเราว่าเรามีความรู้สึกอย่งไรกับสิ่งที่เราเห็นนั่นหค่ะได้ครับอาจารย์เดี๋ยวจะจัดเวลาไปเดี๋ยวจะไปเขาชีโอนก่อนแล้วก็รอจัดเวลาไปที่เลยนะคะอาจารย์จะพยายามพยายามพยายามเปลี่ยนสถานที่แล้วก็ไป ทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้คระอาจารย์ยังปล่อยวางแล้วก็รักค่ะถือดงไปได้ไหมได้เพราะอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยอ่ะมันสัมผัสได้เลยอ่ะพระอาจารย์ว่าแบบคือเดินสามารถจะเดินตอนเย็นๆแล้วก็แบบเออมันเห็นเลยว่าเราความความกลัวมันหายไปแบบมันไม่มีอ่ะพระอาจารย์แล้วมันก็ไม่ได้กล้าสมัยก่อนมันเป็นคนกล้าใช่ไหอาจารย์เอาชนะความกลัวด้วยความกล้าแต่อดี๋ยเนี้ยมันไม่กลัวไม่กล้ามันเข้าใจเลยพระอาจารย์ไม่กลัวไม่กล้าเป็นยังไงครับพระอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะอ่าบที่ คุณตาคุณยามาดีตาค่ะน้องกล่าวค่ะพ่อาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรค่ะพ่อจารย์เข้ามาฟังค่ะโอเคครับทุกข์ไม่มีอะไรไปเรื่อยๆให้มันว่างไปเรื่อยๆค่ะหนูก็ไม่รู้จะถามอะไรค่ะพ่อจันยังไปได้ค่อยๆไม่มีอะไรก็ถือว่าดีแล้วค่ไม่มีปัญหาเลย ยังคะ่ะ ค, ค่ะค่ะทุกคอ้อมจะ บ, บอเวนนามาสการค่ะไม่มีคาถามค่ะไปดับความครัวมาแล้วเหรค่ะงานเียครับครที่แล้วรเป็นงานอะไวันวันศุกร์ค่ะพระอาจารย์ศุกร์ที่ผ่านมา น, านีนะ่เลยใช่ค่ะศุออกร์เสาร์ที่ใช่ค่ะแ ต, ตนยังความครัววิ่งหนีหมดเล ก็หนีตั้งแต่รอบก่อนแล้วรอบนี้ก็ไปคอนเสิร์ตรอบนี้ไมรอบนี้ก็ไกลับมาค่ะก็ต้องไปแล้วยังไม่ได้เจองูไว้มีคนนัทพั์เจอมีมีรอบหนึ่งเจองูอยู่ค่ะพ่าจาค่ะก็ตกใจตอนแรกแล้วก็ยืนอยู่กับมันนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ชูคอใส่้มชูคอทำไมชูคอก็ค่อยๆเดินหนี รอบนี้ไปเจอบททดสอบไฟดับค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ก็อยู่ได้ก็อยู่ไปค่ะมันดับตอนกลางวันค่ะค่ะโอเคค่ะไปแต่ละรอบก็เจอข้อสอบไม่เหมือนกันก็ปรับตัวได้ค่ะโอเคดีปรับตัวได้เราอยู่แบบสบายอยู่ที่ไหนก็ได้ช่ไม่ม่กับอะไร ค่ะก็คำสอนพระอาจารย์ก็กินง่ายอยู่ง่ายมักน้อยสันโดษอ่าจได้ค่ะก็ปล่อยวางปล่อยวางค่ะค่ะดีเราจะมีความสุขจะยิ้มได้จะหัวเราได้ไม่เครียดค่ะค่ะวได้เครียดแสดงว่าทุกแล้วมือนยิ้มไม่ออกแสดงว่าโดนค่าศึกโจมตีไเลยแล้วค่ะค่ะโอเคนะอ่าขอบพระคุณค่ะ ครับกเป็นเป็นสุดาลับกลับมาเศกาลค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงดีขึ้นไหมดีดค่ะดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วดีขึ้นอีกค่ะอ๋อดีค่ะส่งกันบ้านค่ะพระอาจารย์ให้ไปพิจารณาความตายค่ ะ, ะหรือก็เริ่มพิจารณาเรื่องแบบว่าทุกชีวิตทั้ง กายเรากายเขาอย่างเงี้ยมีเกิดก็มีดับเนี้ยค่ะกายเรากายพ่อแม่เราอย่างเงี้ยค่ะอ่าทุกคนเหมือนกันหมดค่ะแล้วหนูก็จเจริญกายคัตตาสติลองดูค่ะก็ะพี่ว่าแบบลองลอกหนังแล้วก็เห็นข้างในเนยค่ะเรากัเห็นความเสื่อมเป็นของไม่สะอาดอย่างเงี้ยค่ะเห็นกายเรากายเขาเราทุกคนที่เนี้ยพอไปเดินจงกรมหนูจะไปเดินจงกรมทุกเช้าวัวนละหนึ่งชั่วโมงค่ะ เริ่มเห็นคนเป็นโคงกระดูกอค่ะแล้วก็พอเห็นกบกบมันตายอ่ะคะ่ะอยู่ตรงทางอยู่ตรงทางในสวนอะคะ่ะก็ปกติอะหนูจะกลัวพวกสัตว์ที่เป็นตะปุ่มไม่ได้กลัวลังเกียจพวกสัตว์ที่เป็นตะปุ่มตะปําแล้วก็แบบผิวหนังมันไม่เรียบเลยเ น, นี่ยค่ะทีเนี้ยท่ค่ะหนูก็เลยลองคือมันตายอยู่ตรงนั้นอะคะ่ะหนูก็เลยลองพิจารณาเลย อยู่ใกล้ๆเนี่ยค่ะว่าเออมันก็เป็ในแบบมีร่างกายเหมือ น, ในเราวันนึงเนี magic> ่ยวันนี้มันก็ดับไปอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเราวันหนึ่งก็ต้องดับไปเหมือนกันเราไม่รู้เลยว่าวันไหนอย่างเงี้ยเหมือนกบตัวเนี้ยมันก็แบบไม่รู้ว่ามันจะมาตายวันนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องมรณานุสติตลอดเตรียมตัวตายอย่างเงี้ยค่ะนี่ยให้คิดว่าเรามีโอกาสตายได้ทุกทุกขณะคใช่ค่ะเตรียมเตรียมตัว่าพอมันตายมันจะไม่ตกใจค่ะ หรืเวลาคนอื่นตายเราก็จะได้ไม่ตกใจค่ะแย่าคุณล้าใ่คุณพ่อคุณเสียวันนี้ไม่ตกใจนะค่ะตอนเที่ยงวันนะเข้าคุณพ่อคุณล้าเสียวันนี้คุณล้ายัางมาทําหน้าที่ผับประเด็นค่ะสาโทค่ะ น, นุ่มคนหนาเ ต, เต้ตกใจค่ะเพราะมันทำอะไรไม่ได้ไปเต้นเต้นตกใจก็ไม่ได้ทำอะไรกบฟืนถากไหมค่ะเข้าใจไ เราก็ต้อรักษาใจเราให้เป็นปกติตลอดเวลากับเหตุการณ์ทุกชนิดที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับอะไรก็ได้นี่นะค่ะแล้วหนูก็อแบบพอนั่งหนูหนูทําทั้งวันเลยนะคะพระอาจารย์ทําทั้งวันทำทุกวันถ้าไม่ได้ทํางานหรือมีธุระอยงี้คะ่ะเอก็ทำให้มากๆทําให้เบาๆตาม่ปลี่ยนนี่ ค่ะเห้ชำนาญทําให้ชํานาญทำให้มันเป็นอัตโนมัติค่ะค่ะแต่เหมือนสลิดหนูจะชอบเดินจงกรมหนูเดินได้ทั้งวันเลยนะคะอาจารย์ดีดีอันรั้นก็ได้แต่เดินแบบให้มีสติและแล้วกันาจารย์อย่าละไว้ค่ะแต่ว่าคือถ้าเราเดินจงกรมมากกว่านั่งนั่งเฉยๆนี่ก็ได้ถึงเวลาถึงเวลามันูไม่อยากจะนั่งเองค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาไว้ไปเลยตอนนี้เดเวลานั่งหนูจะชอบแอบเปิดธรรมะฟังท่านถ้าเปิดธรรมะฟังจะนั่งได้ทั้งวันเลยค่ะ แต่ถ้านั่งนิ่งๆสักพักอยากลุกไปเดินรงกลมอีกแล้วเลยแม้แต่สติเรายังมีกำลังไม่ไม่มากพอที่จะสู้กับความอยากใช่ค่ะขึ้นไหวใช่ค่ะค่ะแล้วก็อสติไปมากๆค่ะแต่ว่าตอนในชิมประจวนหนูก็คืออยู่กับกายอยู่กับลมหายใจตลอดอย่างี้ค่ะอยู่กับลมหายใจเนี้ยถ้ามีกรถืตินการถคอสติค่ะ้ แต่ว่ามันก็ยังมีแต่ว่าน้อยลงเรื่อยๆเลยนะคะมีอะไรเวลามีอะไรมากระทบนิดนึงแล้วเรายังรู้สึกนี่ค่ะหนูก็จ ะ, จะเจริญเมตตาแ ต, แต่ไม่มีประมาณรีบพูนทันแล้วก็รีบหยาบมันไปนเรื่อยๆไปเรื<ม>่อยๆค่ะของหนูใช้เมตตาได้ผลแบบตลอดก<ช>็คือ แ, แบบแผ่เมตตาอย่างนี้ยค่ะแล้วก็เมตตามากตายมากนั่ตาบ้างที่จางมากใช่ค่ะทุกมากค่ะได้ ใช้ทุกข์ก็ได้อานิจจาก็ได้อนัตตก็ได้เมตตก็ได้อุเบกขาก็ได้แล้วแต่ของหนูถ้าเมตตากับอนัตตาเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบไม่เกิดอีกเลยค่ะจะเข้าใจเลยว่าเออทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมไปกำหนดอะไรไม่ได้ีค่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันก้มาดับไปนะคะได้ค่ะพอหนาเราก็มันก็ดับไปแล้ว อ๋อเรื่องด่านี้ไม่มีผลมานานแล้วค่ะอาจารเรื่องด่าเฉยหนูทำงานที่เป็นแบบ management ดูเรื่องแบบ complain อะไรอย่างนี้มาเยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทีนี้มันจะยังเหลือแบบความเป็นห่วงครอบครัวความรักอะไรสมมติมีพูดอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะกระทบยังยังมีอยู่ก็อำดูว่าเป็นนักตามค่ะใ่่ ก่อนจะไปแบบอยากให้คุณแม่แบบนี้ อ, อ, อะไรอย่างนี้ค่ะแบบอยากให้เขาได้ด้วยหรืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมองว่าแบบก็คือเราได้เราได้ทําหน้าที่ลูกแล้วอย่างนี้คะ่ะทำหน้าที่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาไปกี่ยวเขาไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็คือคุณแม่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคุณแม่เรขอบคุณว่าแบบได้ทำมามาจากหนูเยอะอย่างนี้คะ่ะเดี๋ยวนี้คุณแม่สวดมนต์ทุกวันเลยค่ะอค่ะ จัตว์ที่แบบ เ, เราเป็นตัวอย่างแล้วแม่ก็ทำตามอ่ะใช่ค่ะส่วนคุณพ่อหนีหนูก็จะพาสวดเลยค่ะคุณพ่อก็ยอมสวดอยู่นะคะใช่ดีพอสวดทุกประมาณแบบสองทุม่มถ้าท่าของถ้าเขามีอารมณ์หนูก็จะพาสวดถ้าเขาอยากทาอย่างอื่นหนูก็ให้บอกว่าให้หายใจยาวๆอยู่กับลมหายใจเขาก็ทําอยู่นะคะอ่าดีค่ะกัไปๆกันไปๆใช่คุณพ่อปกติไม่ค่อยทําบุญทําทานหนูก็พาไปวัดแล้วก็ ป้าหยดทำบุญเนี่ยให้ลูกหลานได้ด้วย เ, ยเขาก็หยดต้องสอนกันบางนีคน<ฆ>ไม่เคยทำไม่เห็นคุณค่าพอได้รับได้ท ำ, ลทำทแล้วจำแนงเมความรู้สึกความสุขขึ้นมค่ะก็พาตัดบาทพาอะไรก็ทำหมดคะ่ะแต่ว่าถ้า<ฆ>ทำเองไม่ทำค่ะโอเคนะมีอะไรไหม อ่าทีเนี้ยหนูยังไงต่อคะพระอาจาหนูก็ทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆท้าทาใจให้เฉยกับทุกอย่างทุกเหตุการณ์ค่ะเริ่มเริ่มได้อยู่นะคะเริ่มไม่ยินดียินร้าเริ่มนิ่งใช<อ>่ค่ะไม่ใช่ค่ะ อ, อะไรจเจรเข้าไม่ทำดีใจอะไรเสื่อมกเงินมาก็ไม่ทำดีใจเงินห ม, มดก็ไม่ต้องเสียใจเบวัวขึ้นขบวัวขึ้นม า, างทรับไปก็เฉยกับไป ค่ะแต่เรื่องทรัพย์นี่ไม่อะไรนาเราถามอาจารย์เรื่องสารเสื่อเหมือนกันสารเนินทาค่ะอันนี้เหมือนกันเนินทาลับหลังเราอ๋อหนูเฉยเฉยเลยค่ะเอหน้าเราคุยดีลับหลังเราเนินทาไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรใช่ค่ะก็นี่แหละล่ามยศสารเสริอสุค่ะมีเจรามีเสื่อเป็นธรรมดา ค่ะเฝึกไปแล้วเนี่ยห้ใจเราเป็นเหมือนหยดน้ำลงไปเริ่มเริ่มเข้าถึงอยู่ค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ค่ะดีโอเคนะขอบพระคุณค่ะเอ okay, คุณเอกเชียงรายการรัมสกา ร, การพระอาจารย์ครับอ่ามีอะไรบ้างมาเลย วันนี้ไม่มีอะไรครับอาจารย์ผมก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันนะครับวันนี้เข้ามากับกันนะครับขอให้ท้าทายพรอาจารย์แข็งแรงครับผมครับทุกท่าผมก็ปฏิบัติอยู่ครับในสันดาที่ก็ปฏิบัติพระอาจารย์ครับขอสาใจให้มีเงิสมบสติลอดเวลานะครับผมครับผมครับไม่โลภรับน้อยสำเร็จินดีตามมี่ามเคยครับผมครับปีสองปีที่ปฏิบัติมานี่ แทบจะไม่ได้ซื้อเสื้อซื้อทุดใส่เลยพระอาจารย์ครับผมเขามีเยอะเลยครับออไม่ต้องไปลงอะไรกับแฟชั่นกับแบรนด์เนมอะไรทั้งหลายครับผมทิ้งไปเลยฮะที่แบรนด์เนมมีอะไรทิ้งทิ้งหมดเลยครับอาจารย์เออแทบแทบจะนับนับชิ้นได้ครับไอเสื้อกางเกงอะไรพวกนี้ครับเรื่องของความหลงเสื้อมันก็ปะแบรนด์เข้าไปหน่อยกลายเป็นของแพงขึ้นมาครับผมมันก็ทำมาจากโรงงานเดียวกันที่ขายที่ตลาดที่ประตูน้ําำ ก่อนี้เป็นปากชื่อหนะากลายเป็นของแพงของหรูขึ้นมาโอ้ผมใช่ครับเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่มีแบรนด์นี้ใส่ไม่ได้เยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้พิจารณาดูแล้วมันแค่ปกปิดร่างกายแค่นั้นนะครับใช่เาโอเคมีมากนะน้ำน้อยสัมโดดสมรรถนเรียบงนักปฏิบัติไม่ไม่เสกกามไม่เสรูปเสียงเกลรดไม่นอ เสร็จความสงบในการเดิญสตินะครับปัญญาครับผมครับผมขอบคุณพระอาจารย์ครับโอเคครับผมสาธุครับคุณปุญญานุชกทมลูกค้ามากราบพระอาจารย์เจ้าคาแล้วกลับขอบพคุณนะคะที่พระอาจารย์อบรมสั่งสอนค่ะหมันเพียรปฏิบัติค่ะกลับขอบคุณค่ะโอเคคุณหมอเสือดันจากพปฐุม เป็นยังไงบ้างสงบเรียบ ร, ร้อยดีเย็นสบาย ว, นนวันนี้มีคําถามด้วยเจ้าคะ่ะอ่ว่ามาค่ะอ่าเรื่องการปล่อยวางร่างกายแล้วก็เวทนาเจ้าคะ่ะวันนี้ลูกเจอข้อสอบเจ้าคะ่ะเป็นโควิดเจ้าคะ่ะอ่ะแล้วเวทเวทนาค่อนข้างรุนแรงอ่าพอสมควรมีไข้หนักแล้วก็มีการเจ็บคอมากเจ้าคะ่ะภาพอ่า ลูกก็ตรวจสอบดูใจตัวเองเจ้าค่ะมันรู้สึกว่ามันมีความเฉยกับเวทนาแล้วก็ไม่กลัวความตายเลยเจ้าค่ะอดีเพราะเราฝึกมาก่อนนะเมันว่ามันต้องเกิดซ้อมอยู่ทุกวันเจ้าค่ะอเราต้องรู้เราว่าเราจำต้องปฏิบัติกับมันยังไงเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งให้มันหายไม่ได้อย่างเมื่อไงมันจะหายก็หายเองช่วงไม่หายก็หายอยู่ก็ไม่ไปเหมืนเพื่อนเก่ามาเยี่ยม มันกลัวมาเรี่ยมมาตอนร่ำเขานะเจะไปร่ำเกลียเขาเจค่ะจะได้จิตใจกับเบิกบานเสียอีกจะได้มีเวลาเขาได้ไม่มี็นใครมากล้ามายุ่กับเราทีนี้ <S <S ใช่เจ้ า, าค่ะมีสบายเก็บตัวได้ไม่เป็นใครมาว่าเราเห็นแฉตัวเรื่องอะไรนะ Sick. ถ้าเป็นปกติเก็บตัวเนี่ยเขจะหาว่าเราอย่างงูนอย่างนี้แล้วเห็นแฉตัวไม่สามโมไม่คิดถึงเพื่อน อันนี้เพื่ม่อย่างจะคิดถึงเราละ <laughs> อาการของโควิดนะเจ้าค่ะคือรูปเป็นเนี่ยมันมีรู้สึกเจ็บคอก่อนมันจะมีไข้แบบรุนแรงเลยเจ้าค่ะเย็นน้ํำลายไม่ลงใช่ไหมเจ็บอคอเย็นน้ำลายไม่ลงเลยเจ็บมากเลยเจ้าค่ะเจ็บแบบตีเจ้าค่ะอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็ไม่มีอาการมากแต่คนน้องนี่จรีบมากตีเข็มเลย่าตีเข็มเจ้าค่ะตีเข็มเลย ล่าสุดเข็มสุดท้ายเมื่อไหร่เข็มสุดท้ายเมื่อไม่นานมากนะเจ้าคะฉีดไฟเซอร์เจ้าคะ่ะไฟเซอร์มันก็ยังเป็นอาการยังมีอาการอยู่นะไม่เป็นไรคราาับแม้ประธานาธิบดีอเมริการ ย, ยังติดเลยติดสองรอบเลยนักว่าติดต่อสองครั้งเยยังเป็นการเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเจอกันไม่ช้าก็เร็วเราก็ไม่รูจะเจอเมื่อไหรเราน่าจะเจอนานแนละ้นะพาะเราใกล้ชิด วินน บ, บ่ายของคนนี่มันใกล้แต่มันก็ยังไม่เต็มเจ้าค่ะรู้สึกเลยว่าธรรมะนี้ดีที่สุดเจ้าค่ะเนี่ยรักษาใ จ, นนใจ ว, วันนี้เพิ่งทักใจเจ้าค่ะวันนี้ลูกก็เลยจัดเรียนถามพระอาจารย์ว่าอันนี้มันพอจะเป็นข้อสอบเล็กๆได้ไหมเจ้าค่ะถ้าเรามองถ้าเราไม่ทุกกับมันก็เป็นก็ผ่าน คือว่าตอนก่อนเป็นยังไงหลังเป็นก็อย่างนั้นเจ้าค่ะอต่ขนาดเป็นอย่างว่าเฉยๆเลยค่ะเราก็อย่านไปอย่าไปดิน้นอย่าไปเครียดอย่าไปอยากให้มันหายเร็วๆเจ้าค่ะใจเย็นๆ น, น, น, นานๆขอามันเดี๋ยว ม, มันเข้าไปมันเองเราไม่ต้องไปทําอะไรเจ้าค่ะพระจันทร์ค่ะน้อมรับไป็นปฏิบัติและเจ้าค่ะค่ะ ถ้ามานั่งสมาธิได้มานั่งปักเพลนได้อ่ะถือว่าโอเคแนละ้ค่ะได้เจ้าค่ะสบายมากเจ้าค่ะดีโอเคนะขอบคุณค่นะคุณวิไลพรอุทมวตอนท้ายสองกับจนะมัสการพระาอาจารย์เจ้าค่ะค่ะ ก็ตอนนี้ก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันกับพระอาจารย์มือเดินนั่งนอนก็อยู่ในอยู่ในสมาธิอยู่เป็น ม, มีสติตลอดเจ้าค่ะพอดีเห็นอาจารย์ถามพอดีเห็นอาจารย์ถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องคุณพ่อเวลาทําบุญเนี้ยค่ ะ, อะพะดอดีลูกอะค่ะซื้อตึกแถวเอาไว้แล้วก็ ก็ปล่อยปล่อยเช่าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนหลังตึกแถวเนี่ยเวลามีค่าเช่าก็จะโอนเข้าบัญชีคุณพ่อตลอดแล้วช่วงหลังเนี่ยคุณพ่อเขาแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์ก็จะมีเงินอยู่ในบัญชีใช่ไหมคะแล้วพอเวลาจะมีทาบุญอย่างอย่างที่ผ่านมาจะมีสร้างเจดีหลวงตามหาบัวค่ะแล้วก็จะมีให้ทำห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยลูกก็จะบอกว่าพ่อเดี๋ยวลูกอยากให้พ่อทาห้องน้านะก็เดี๋ยวจะไปถอนเงิน เงินจากบัญชีพ่ออะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆอยากจริงๆตัวเองทําได้แต่อยากจะให้คุณพ่อทําแต่เราเกิดนําคุณพ่อว่ามีอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พาคุณพ่อไปธนาคารแล้วก็คุณพ่อก็ถามคุณพ่อก่อนว่าคุณพ่อคุณพ่อตกลงอยากอยากทําบุญตรงนี้ไหมอยากทําบุญที่จะทําทําห้องน้ํากับหลวงตาไหมพ่อบอกได้ได้ลูกก็พาคุณพ่อไปถอนตังค์แล้วก็ให้คุณพ่อเขาเซ็นอย่างนี้ถือว่าไม่ไม่ใช่เป็นการชี้นําหรือบังคับคุณพ่อใช่ไหมคะทางคุณพ่อเห็นยอมก็โอเค ค่ะค่ะตอนนี้เงินจะเป็นทีคุณพ่อที่ได้เป็นค่าเช่ามาพอได้มาก้อนหนึ่งลูกก็จะบอกคุณพ่อคะเอาเงินไปทำบุญนะเอาเงินมาทานี้มะเป็นการบอกเป็นการบอกบุญแล้วคุณพ่อก็โอเคก็ใช่ค่ะคุณพ่อก็จะเองคุณพ่อเป็นคอนเซ็ป์เลใช่ค่ะพอรู้ว่าท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่านท่่า่่่ ใช่ค่ะยมก็จะบอกคุณว่าเนี่ยคุณพ่อเนี่ยอพ่อดูพ่อพ่อจําไว้นะพ่อได้ได้ทำบุญนะพ่อได้สร้างห้องน้ํานะพ่อได้สร้างพระนะพ่อได้เอาเอาเงินไปถวายพระอาจารย์นะพร่อทํานู่นนี่นั่นนะไม่จะบอกคุณพ่อเขาทุกครั้งค่ะมีทาถูกอย่างนี้ก็ใช้ได้เพราะเราเป็นการบอกบุญเราไม่ได้เป็นการเอาเงินของเรามาให้เขาทาให้เราได้ค่ะค่ะ กับรมนทการพระอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนถามโยมบอกว่าเอ่อว่าว่าโยมมาผมขาวโยมโยมทําไมไม่ย้อมผมโยมก็จะบอกว่าอ๋อโยมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สุชาติพระอาจารย์จะบอกว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงถ้าเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ต้องไม่ย้อมผมโยมพูดถูกไหมเจ้าค่ะในบริษัทยอมยอมขายยาย้อมผมจะโกรธแล้ว พอดีเล่าให้เล่าเล่าเล่าให้ให้คุณคุณหมอแมวฟังคุณหมอแมวบอกเอ้ยอย่าไปพูดแต่งานเดี๋ยวคเอเกับแอนดี้<ม>เดี๋ยวหาว่าเราแบบหาว่าเร า, บาเเแบบว่าเออพแบบแบบแบบข้าราชารศาสนาเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้เอาเออเออคุยกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บ้างอย่าไปพูดจริงจางกับเขามากเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจใช่ค่ะก็มีคนหลายๆแบบค่ะพระอาจารย์เขาบอกว่าอยากจะอยากจะยอมแบบธรรมชาติดีกว่า ดูสีธรรมชาติเขาเป็นยังไงใช่ค่ะพระอาจารย์เนี่ยค่ะแต่ตอนเนี้ยยังเหลือแค่ตัดผมสั้นที้เรื่อยๆตอนนี้ยังตัดไม่ได้ก็เะค่อยๆไปทีละหน่อยทีละสเตจเจ้ค่ะถ้าตัดยิ่งผมยิ่งสั้นเท่าไหร่แล้วว่าจิตียิ่งก้าวหน้ามากขึ้นใช่ค่ะสังเกตจากผมก็ได้ยังยาวอยู่เลยค่ะอาจารย์ถ้าสั้นจอยผมอู่เมื่อไหรที่ไปละค่ะคุณตายจากผมเสียดายนะยังค่ะว่าอาจารย์อีกนิดนึงค่ะค่อยๆสั้นค่ะ <c oughs> ค่อยๆตัดไปค่อยๆตัดไปค่ะแล้วก็รายงานพระอาจารย์ว่าคือตอนเนี้กิเลสไอ้ที่ว่าซื้อเสื้อผ้ายังตัดไม่ได้พระอาจารย์กําลังพยายามจะตัดอยู่ค่ะเ<ห>คยตัดในช่วงหนึ่งที่เคยบอกพระอาจารย์แต่ก็กลับมาใหม่แล้วค่ะ<ห>พยายามใช้ปัญญาโดยใช้ปัญญาเสื้อผ้าไม่พอใสนะ่แล้วอ๋อค่ะพราาะอาจารย์ถ้าลองไปซื้อไปทำไมเวลาจะมีงานอะไรเงี้ยพระอาจารย์เดต้อง ต้องใหม่เพราะใหม่มันมันก็ไม่แค่ชุดสองชุดพระอาจารย์บางทีมาทีสมชุดนี่ค่ะกก็เขาเขียนไว้ในบัตรเชนว่ามาต้องใส่ชุดใหม่ไม่มีค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ไม่มีอันนี้มันเป็นกิเลสที่อยู่ซ่อนอยูลลล่ลึกมากเลยพระอาจารย์ <c oughs> ตัดยังไงก็สวยน่างามเนี่ยนสวยน่างามใช่ค่ะพระอาจารย์อันนี้ค่ะจะพยายามทําต่อค่ะแล้วตอนนี้ก็ทานข้าวหรือแค่วันละมือ้อมากสุดแคแค่สองมื้อจะมีความรู้สึกว่าทานข้าววันละมื้อนี่มันง่ายมากพระอาจารย์มันไม่มันมันสบายค่ะมันไม่ต้องมานั่งกังวลเกี่ับเรื่องกินเรื่อง มิตอยู่ง่ายกินง่ายค่ะได้คทำมานาแล้วค่ะพระอาจารย์ทําต่อไปค่ะเหลือแค่กิเลสเรื่องความสวยความงามค่ะพระอาจารย์กําลังจะตัดพิจารณาสื้อ้าของตัวเองบ้างกลั่นเลือกเอค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เคยบอกพระอาจารย์ว่าจะจะพิจารณาโคมาดูมีเขาสบประโก้องเม้นเม้นต์น่าออกมาอยูตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์จะพยายามทําต่อค่ะเคยบอกว่าจะทํำแต่ก็ ย, ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําสักทีกับพาาระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ค่ะจับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณสุทัศนีพุณงอัศวพัฒนาสาําหรารอ่านัฒนาจากบวราาินดาดาวรมสการพระอาจารย์เจ้ค่ะวันนี้เข้ามาร่วมฟังธรรมเจ้าพระอาจารย์มันมก็มอีอได้ฟังธรรมพระอาจารย์ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันนี้ที่พระอาจารย์ได้ ได้ยินไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินได้ยินพระอาจารย์เทศสอนเรื่องการวางขันห้าแล้วก็เรื่องการวางเวทนาอันเ อ, อหลังจากที่ถามพระอาจารย์มาตอนนี้ก็ฝึกฝึกอยู่ฝึกทําใจอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของสมาธิตอนนี้ก็จะพยายามทําให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้พยายามมีอุเบกขาอย่างที่พระอาจารย์สอนแล้วเจ้าค่ะอ ถ้ามีมีอุเบกขามากามาก็จะปล่อยวางได้มากทําใจได้ง่ายเจค่ะอย่างวันนี้ที่พระอาจารย์เทพว่าเราเคยเราเคยมีสติแล้วเอ่อวางเวทนาได้แต่เมื่อมาในขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะต้องวางด้วยใจใช่ไหมเจ้าค่าะอาจารย์วางด้วยปัญญาวางด้วปัญญาวา่อวางด้วยปัญญาเจ้าค่ะถึงยังไงก็ตามก็ต้องมาวางเวทนาด้วยปัญญาใช่ไหมเจ้าค่าะต้องเห็นว่าเบตตายแล้วทําอะไรมันไม่ได้ ควบคุมบางคำมันให้มันมีแต่สุขเวทนาอย่างเดียวไม่ได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันดินฟ้าอากาศเราควบคุมในฟ้าอากาศได้ปะเจ้าค่ะแล้วเราอยู่กับดินฟ้าอากาศได้มเจ้าค่ะฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปแดดจะออกก็ป่อยมันออกไปจะร่อนก็ปล่อยมันร่อนไปเจ้าค่ะมันจะสุขร่างกายมันสุขสรู้มันสุขมันจะทุกข์ก็รู้มันทุกข์ไป ข่ะนีนะ้ตอนนี้ก็มาพยายามนั่งสมาธิให้มากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่าดีทึกสติเยอะๆถึ ง, งนั่งสมาธิได้ฝึกสติแล้วก็เพิ่มสมาธิขึ้นมาอีกให้ให้มากกว่าเดิมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ค่ะเป็นยังไงตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษาจนถึงนี้ลูกศิษมีการขึ้นก้าวหน้าหมก็ตอนนี้เอ่อในแง่ของสตินี่ก้าวหน้าค่ะเพราะว่า จากจากที่พอเราทําเราทําอะไรที่มันไม่ปกติปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะเห็นแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ทีนี้ก็เอาธรรมะเข้ามาหยุดมันก็ก็หยุด mm hmm. อย่างอย่างที่เคยเ อ, อไม่ได้ฟังเพลงมาหลายปีนะคะอาจารย์อ mm hmm. ไม่ว่าจะนั่งรถหรือไปไหนอย่างเงี้ยพอมันมีอยู่วันนึงรู้สึกว่าได้ผิดได้ยินเพลงที่เคยได้ยิน แต่เราก็มาบอกตัวเองว่าเอ้ยตอนนี้เราปฏิบัติแล้วนะเราไม่ไม่ได้ทําตรงนี้แล้วนะมันก็หยุดทันทีเจ้าค่ะอาจารย์คือในในในความรู้สึกวันนั้นมันเหมือนกับว่ามันยังอยู่ในในส่วนลึกของเราที่เราเคยชอบไว้แต่พอเรามาเจอตรงนี้มันก็ตัดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมันไม่ได้ไม่ได้ต่อเลยเจ้าค่ะอาจารย์แค่นีก้ก็เลยก็เลยม า, าว่ามีการมีการพัฒนามีการเจริญก้าหน้านะเจ้าค่ะ พยายามพยายามเพียรอย่างที่พระอาจารย์สอนเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ขอบคุณเจ้าคะ่ okay. ะโอเคสาธุเจ้าคะ่ะนังมไปบวชมาสเสร็จกันหรอบวชมกี่วันนัพระอาจารย์อ่าไปบวชมาครับพระอาจารย์ตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงวันที่สามครับสามว่ใช่ครับพระอาจารย์แล้วก็ที่อยู่ที่นู่นก็ไม่ได้แตะอะไรเลยโซเชียลไม่ได้แตะอะไรเลยปฏิบัติอย่างเดียวเลยครับพระอาจารย์ มีคนหวนร่วมกันเนยอะไหมมีสุดท้ายมีคนบวชแค่สี่คนครับพระอาจารย์สี่คนเลยสี่คนเองครับปกติปีผ่านๆมาสี่สิบครับพระอาจารย์อายุเท่าๆกั น, หนเหรอมันเท่าๆกันครับอาจารย์ไล่เรียกันเลยครับแล้วเป็นยังไงบ้างก็สงบสุขดีมากเลยครับแล้วก็พระอาจารย์ที่อยู่ที่นู้นก็ ให้ปฏิบัติแบบเต็มที่เลยครับเพราะฉะนนั้ให้เวลาเต็มที่ครับตั้งแต่เช้าค่ำตอนอยังคืนก่อนนอนท่านก็ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับครับตื่นมาท่านก็ให้ทําความรู้สึกตัวเลยครับก็เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยครับเพราะว่ามันได้ฝึกตัวเองด้วยแล้วก็พอกลับมาจากการไปบวชแล้วสังเกตว่าตัวเองเนี่ยสติมันจะต่อเนื่องกว่าก่อนหน้านี้ที่ มันแค่จะเป็นช่วงที่ปฏิบัติเท่านั้นแต่เวลาปกติมันจะไม่ต่อเนื่องค่ะพระอาจา<ะ>รย์ดีครับเห็นเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติแบบเต็มที่ใช่ไหมเห็นแล้วครับต่อไปก็ต้องต้องกลับไ ป, ไปไปไปเติมอยู่เรื่อยๆวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ลองไปหาที่ที่เราจะสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนครับ <ะ S 2> พระอาจารย์อยากทิ้งมันจะได้ไม่เสื่ ถ้าไ็นปฏิบัติแบบนี้เนี้ยมันก็ค่คอเสื่มไปทีละนิดเท่าหน่อยรเรื่องไปคอยเป็นชาติแบบอยู่น่ๆอาที่ขาแม่ไปอยู่วันทั้งวันในชาติแบบไม่นนปฏิบัติอตอรอแล้วเรามาอยู่บนเขาเชียงโอนููก็ได้เนี่ยครับาลาสิขามาแล้วก็กะว่าจะไปเขาชีโอนนะครระรเจ้าลองดู อาจารย์เดี๋ยวจะหาวันคร่ะแล้วก็วันนี้ไม่มีคำถามครับมารายงานตัวครับอาจารย์ว่ากลับมาแล้วโ <Okay. S 1> อเค่รับแฟร์จันสวัสดีค่ะคุณแาร์จัครับเสนาเสนาพิเจษว่ า, าล้วจะอยู่ไปตลอด <laughs> คุณแม่ตอนแรกก็กลัวผมจะไม่สึกครับเพราะว่าตอนหัวปวดเขาบอกผมดูสำล้อมสำล้อมไม่เหมือนตอนเป็นคาราวาสโอ้ยยังไม่ที่จะบวดไปตลอดนะเดี๋ยวรอก่อนครับอาจารย์รออะไรนะเดี๋ยวรอทางโรคเคลียให้หมดก่อนครับมีแฟนแล้วมันเียร์ไมออกไหมนะบอกรู้ก่อถ้ามันเคียร์ไม่ออกก็ คงต้องไปนะครับอาจารย์เดี๋ยวเขานำเพียรดูก่อนครับอาจารย์โอเคแต่เวลาเรายังยังอายุน้อยอยู่ค่ะวางแผนไว้ก่อนวางแผนเตรีมวางแผนไว้ก่อนได้ครับเดี๋ยววางแผนไว้เลยครับพระอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์สายทีพยชอาสารคามนะมาอะไรเปิดล่านี่ยมากลับนักการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่มหาสารคามค่ะ Mm hmm. ค่ะก็ mm hmm. ไปอยู่วัดนาค่ะพระอาจารย์สามวัน 3, สองคนะืนค่ะไปอยู่ที่ทนหน้าเหวนี่แหละที่บนเขากุฏ <c oughs> ิที่หน้าหาใช่ค่ะ mm hmm. ก็ไปอยู่สองคนก็เลยไม่กลัวแต่ว่ามืดตึ๊ดตื้อเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ตอนที่เดินไปครั้งแรกก็แบบแบบโอ้มืดจังถ้ามาคนเดียวน่าจะกลัวค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่พอมีสองคนก็เลยเฉยๆค่ะพระอาจารย์ แต่ว่าทีนี้ตอนที่ไปปฏิบัติอาจจะด้วยความที่ก่อนก่อนไปนี้คือนอนดึกค่ะพระอาจารย์แล้วพอไปแล้วมันง่วงตีสามไปนั่งสมาธิแล้วรู้สึก ก, ก็พยายามที่จะดูลมหายใจค่ะพระอาจารย์แต่ว่าไม่รู้ว่าเคลิมหรือไม่เคลิมแล้วมันมันเหมือนมีเสียงปั้ดดังตุ้มที่ที่หัวใจค่ะพระอาจารย์ก็ตกตกใจว่าโอ้เสียงดังจั ง, งอะไรเนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้สติว่า เอ้นี่นั่งสมาธิอยู่นี่มันเป็นอาการของจิตใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าแต่ว่าตกใจแบบเสียงมันดังตู้มแบบมันประทัดระเบิดที่น้าอกอะไรอย่างเนี้ยค่ะอันนี้เราก็ปล่อยมันไปใช่ไหมคะพระอาจารย์มันเกิดแล้วก็ผ่านไปอันนี้อันนี้าจารนาตาเลยก็เป็นเป็นเพราะเราไม่มีสติไหมคะอาจารย์หรือว่ามันก็ไม่รู้แหละบางทีจิตมันก็อยู่ในที่ที่มันสงบสงบมันก็อาจจะแสดงอาการแปลกๆขึ้นมาได้ อืมค่ะหนูก็ตกใจนิดหน่อยแล้วก็ก็ดูลมหายใจต่อค่ะแต่ดูไปแบบง่วงๆแบบว่าพยายามที่จะอยู่กับลมหายใจค่ะพระอาจารย์อืมค่ะแล้วก็ก็ก็กอ่าเดินจงกลมนั่งสมาธิแล้วก็มีคืนสนจักรกับค่ะก็พี่เขาก็นอนอยู่ในในกุดนะคะแล้วหนูก็ออกมาเดินข้างนอกมันจะเป็นอ่าเป็นปูนกว้างๆค่ะอาจารย์พยายาม ตอนแรกกะว่าจะอยู่ให้ถึงหกทุ่มพอห้าทุมกว่าก็เลยเอ้อไม่ไหวแล้วงว่วงนอนค่ะพระอาจารย์ก็เลยเข้าไปทีนี้พอตอนเช้าอีกวันหนึ่งอ่าก่อนที่จะกลับตอนเช้ากับพระอาจารย์ฝนกันงคืนฝนตกแล้วพอตีสามจะต้องมีออกมาอ่าทำวัดค่ะหนูกน็เลยมีข้ออ้างว่าฝนตกไม่ยอมลุกค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนแรกตอนแรกได้ยินเสียงอยู่ค่ะเสียงเสวรมนที่แบบ อท่ที่คงจะมีคนไปทาําวัดต่หนูเอ้ฝนตกหนักถ้าไปกลัวลื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมลุกขึ้นมาแป๊นึงแล้วก็ลงไปนอนต่อแล้วก็ฝันฝันเห็นกระดูกค่ะอาจารย์เหมือนโครงกระดูกอยู่ใกล้ๆเท้าอะไรเงี้ยค่ะอยู่ใกล้ๆขาเราแล้วเราก็แบบก็ง่วงในฝันนิยายบอกว่าก็ง่วงก็จะนอนเนี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่ยอมไม่ยอมแบบใจมันก็แบบ เอ้เราแบบเหมือนแบบเจอโคงกระดูกมันนา่าจะกลัวผีอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แต่เราดันบอกว่าเราง่วงนอนอย่ามากวนเราอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ตื่นมาก็ขำํำตจว่าโอ้ยมีของข้าจะง่วงจริงๆอย่างนี้ก็จริงๆไม่ค่อยโอเคใช่ไหมคะพระอาจารย์อาศัยความง่วงอาศัยฝนฝนตกนอนดีกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะ ม, มันข้มีบ้างมานมานโอกาสมันข้ามแก มันมันมันเอื้อต่อคว้าอาการจะนอนก็ะบางทีค่ต้องยอมเหมือนบ้างใหญ่ๆยอมมันไว้แล้วกันค่ะแต่ว่าฝันเห็นสูกแล้วก็แบบเหมือนความง่วงชนะความกลัวค่ะพระอาจารย์ดอก <c oughs> ตอนนี้อย่ามากวนตอนนี้จะนอนเนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ทีนี้ในเวลาอื่นๆค่ะพระอาจารย์เรานั่งเรานั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีเวทมีเวทนาเกิดขึ้นทีนี้เดี๋ยวนี้เวทนาเราจะรู้สึกว่า เวลาที่มันมีอาการเวทนาเกิดขึ้นเราก็มองว่ามันมันปวดหรือมันอะไรยังไงเนี่ยค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็เห็นว่ามันแค่ชาชาค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับปวดมากจนทนไม่ได้เมืนเหมือนมันก็มันไม่ได้มันไม่ได้ปวดจนทนไม่ได้ค่ะพระอาจารย์เราก็เลยเอ๊มันมันไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าสมัยก่อนเราเราคงแบบทุกข์กับกับเวทนาเนี่ยค่ะพระอาจารย์ เราก็ก็อยู่กับมันได้ได้นานๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ถึงกับทนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจิตน่าเนิ่งมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นก็เลยใช้ได้อือค่ะแต่จริงๆมันก็มันก็ยังก็ก็ยังเวทนามันก็ยังมีอยู่ยุกยุบจับจัเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์เออมันมันมันมีก็มีไม่มีก็ไม่มีไม่ใช่ประเด็นสําคัญสําคัญที่ใจเราใช้กับมันได้หรือเปล่า ก็คืออยู่กับมันได้ ก, ก็แคม่มองว่ามีเวทนานะอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อย่าไปนำเกลียนอย่าพยาให้หมันหายค่ะก็กกกกทำแบบนี้ได้ไดไดไดบ่อยๆขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็อีกเรื่องก็คือเหมือนเรามีวันหนึ่งใจมันคิดถึงพิจารณาไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงแบบธรรมชาติว่า เ, เรายอมยอ ม, ยอมธรรมชาติว่า เออมันจะเป็นยังไงมันก็คือแบบต้องยอมแพ้มันแล้วแหละเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไงค่ะพระอาจารย์ยอมก็ได้ยอมหยุดเย็นยอมแล้วก็หยุดค่ตอนนี้ยอมธรรมชาติเมื่อยอมเป็นธรรมชาติแต่เราไปว่าแยกความันเป็นง้นไปนี่กันมาใช่ค่ะก็เลยเออยอมยอมละยอมถึงเป็นอะไรก็เป็นไปอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ทําของเราไปแล้วก็มาพิจารณาตอนนี้เรื่องของไตรัก กลับไปคิดถึงอนัตตาค่ะพระอาจารย์ที่เราทุกอย่างเราให้เห็นเป็นมันทุกอย่างมันก็เป็นอนัตตาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็ทําให้ใจสงบขึ้นค่ะพระอาจารย์ทุกอย่างเป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาไม่ค่ะเหมือนเหมือนมาปรุงแต่งเมื่อถึงเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็มารวมกันเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็แยกกันไปอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ตรงนี้ เ้าตรง น, นี้เวลาทำอะไรไม่ได้เราไปไปไปห้ามเขาไม่ได้ค่ะเวลาอะไรที่มากระทบใจแล้วทําให้รู้สึกว่าอ้อมันทําให้เราทุกข์นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เอามาพิจารณาแล้วก็เลยทําให้ใจมันสงบสงบได้ง่ายาาค่ะพระอาจารย์ค่ะก็สลับสลับกันค่ะพระอาจารย์ค่ะทำบ่อยๆทำ ม, มากๆไปวันบ่อยๆไปหาที่สงบบ่อยๆยิ่งดีค่ะ ตอนแรกว่าจะไปที่เดิมจะไปคนเดียวอลองดูเลยกำลังจะหรือจะไปวัดถ้ำเต่กากําลังสองจิตสองใจอยู่ค่ะพระอาจารย์อก็ได้ ล, ลองไปเรืเ่อยๆดีกว่าดีกว่าไม่ไปก็แล้วแต่จะยังหาโอกาสไปอยู่ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวถ้าพอถ้าถ้าพอที่จะจะว่างต่อกันสองสามวันค่ะพระอาจารย์น่าจะได้ปฏิบัติมากกว่าอยู่บ้านค่ะ น่าค่ะรายงานพระอาจารย์เพียงเท่านี้ค่ะสาธุทุกท่านสาค่ะคุณนาเรศมุฒิการน์มนครนายกเมืองบางบัวทองอยู่วัฒตาญค่ะหลวงพ่อได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินได้ยินอนไรมีอะไรบ้างได้มาอยู่วันทั้งป่นอันนี้ไปไปค่ะไปมันแล้วเลย ไปมาแล้วค่ะวันที่28ถึงวันอาทิตย์นะคะหลวงพ่ อ, อมันเป็นยังไงบ้างล่ะรู้สึกว่าหนูหนูได้ของดีมาค่ะหลวงพ่อหนูไปครั้งที่สองก็มันวันหยุดไม่ได้ทำงานนะคะหลวงพ่อมันก็ทำได้เยอะนอน 4-5 ชั่วโมงแล้วมีฟังเทศหลวงพ่อตอนบ่าย2ถึง3โมงที่เหลือก็คือส่วนใหปฏิบัติทั้งวันเลยะคะ่ะหลวงพ่ อ, อ เข้าได้ดีแต่ว่ามันเข้าได้ประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งแล้วมันถอนมันถอนออกมาแล้วหนูก็พักพักห้านาทีอะไรเงี้ยเข้าห้องน้ํากินน้ําอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ทําแบบเนี้ยทั้งวันยันยันมืดยันเย็นอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อทำยกเว้นเวลาหลับท่านใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อก็นอนสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นมันตื่นตีสองครึ่งตีสามมันก็ทําจะถึงทําเวียนใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อ หนูหนูรู้สึกว่าหนูเข้าไดกับกาบรปฏิบัติแน่ใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วก็พอคือก็ทําจนถึงพอเช้าวันอาทิตย์นะคะหลวงพ่อหนูหนูต้องกลับวันอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็ออพอพอเสร็จหนูก็แต่ว่าตอนตอนกลางคืนค่ะหลวงพ่อมันที่นั่นน่ะมันเงียบเงียบอะค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วทีเนี้ย ที่เมื่อกี้คุณอ้อมเขาบอกว่าไฟดับนาคะหนูหนก็อยู่ก่อนนะคะไฟไฟมันดับกลางคืน<ม>ด้วยะคะ่ะ<ม>ตอนกลางวันด้วยแล้วก็ตั้งแต่หนูไปอยู่ครั้งแรกอะคราเนี้ครั้งที่สองอะกลางคืนหนูไม่ได้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยหนูจะอยู่กแบบับความมืดอยู่กับแบบที่มันเงียบเงียบจริงๆนะคะแล้วก็มไม่ได้ไม่ได้เปิดไฟโยเว้นเข้าห้องน้ำแค่นั้นนะคะแล้วก็ที่อันเนี้ยหนูเพิ่งเคยเห็นอะตัว ตัวสัตว์ที่มันมาในในนั้นนะคะหลวงพ่อตัวใหญ่มากเลยค่ะหลวงพ่อมันมีอะไรใช่ไหมมันเป็นป่าต้องมีสัตว์ทุกชนิดคือปกติตันเป็นตัวท้อแบบไม่ใช่ค่ะมันมันมันเป็นแบบเป็นนั้นเครื่องหมาครื่อแมวอ่ะไม่ไม่ใช่ค่ะมันตัวใหญ่ตัวมันจะไม่ใช่กวางอ่ะมันถ้ากวางมันต้องมีเขาใช่ไหมคะแต่มันตัว ตัวใหญ่มากเลยค่ะบางทีเขาเรียกลรามั่ ง, วงควางแกงมีหลายขนาดด้วยกั น, น, นค่ะหลวงพ่ออะไรก็พวกตระ ก, กูลเดียวกันนะค่ะหลวงพ่อแล้วก็วั น, ว, นวันอาทิตย์หนูก็กลับกลับไปแล้วทีเนี้ยหนูจะไปแวะกลับหลวงพ่อที่วัดหนูก็ออกไปไปถึงที่วัดก็ตอนคราที่แล้วบอกเถามพระที่สาราบอกว่าหลวงพ่อจะกลับ ขึ้นไปิประมาณสิบโมงแต่คราวนี้ยหนูไปอ่ะประมาณเก้าโมงอีกนิดหน่อยอ่ะลหนูไปถึง ล, ลงรลถแล้วหลวงพ่อเปิดประตูเข้ากุฎแล้วหนูวิ่งไปในป่าหน้าหน้ากุฎหลวงพอ่ออแต่หลวงพ่อปิดประตูพอดีหนูก็เลยกลับมาถวายทางที่ที่ที่ศาลาค่ะ mm hmm. แล้วแล้วแล้วก็กลับแล้วทีเนี้ยพอพอกลับมาถึงเ อ, อวันอาทิตย์ตอนกลางคืนหนูก็มาฟัง ของคุณหมอวีอะค่ะแล้วก็ฟังหลวงพ่อเทศแล้วก็บางคืนหนูก็ปฏิบัติต่อหลวงพ่อเขามันมันดีจนหนูไม่รู้จะพูดว่ายังไงเลยอะค่ะมันมันนั่งแบบได้ดีมากมก็เป็นบุญของเราน่ะต้องมีความชใจมีความภูมิใจเมื่อเราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแบบนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็คือหนูเข้าได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้นานขึ้นนะคะ แล้วทีเนี้ยที่หลวงพ่อบอกว่าอยู่ตรงไหนถ้าถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลายอย่างเนี้ยมันก็ทําทําได้อย่างว่าช้าหนูไปต่อที่ทํางานตอนตอนดึกตื่นมาแล้วแล้วเช้าไปต่อที่ทํางานหนูก็นั่งได้เป็นชั่วโมงอย่างในรถก็นั่งก็เข้าได้ค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วอย่างาม่น่ว่าสติแล้วต่อเนื่องไหมค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วแล้วนี่หนูจะเพียงถามหลวงพ่อว่าช่วงที่เราฝึก อสติฝึกสมาธิอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าเรายังยังไม่ได้หมายถึงว่าเขาเรียกอะไรชั่วโมงเรายังไม่เยอะอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันจะมีประโยชน์หรือว่าเราจะเอาใช้ประโยชน์อะไรจากที่เราได้ฝึกแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อให้ตัวสมาธิตรงเนี้ค่ะก็ได้ความสุขจากสมาธิไปพำนพานก่อนไม่ยหิวโหยกับอารมณ์ต่างๆค่ะแล้ว แล้วการที่เราเข้าไปอยู่ในสมาธิเนี่ยไอความสงบเนี่ยมันมันมีหลายระดับใช่ไหมคะหลวงพ่อมันก็สงบมากสงบน้อยมันเป็นแบบบรรชารูกประชานะรูกประชานะอ๋อค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เรานั่งที่เราปฏิบัติสมาธิตรงเนี้ยมันมันเป็ น, นเอ่อมันเป็นสัมมาสมาธิหรือว่ามันเป็นมิจฉาสมาธิตรงเนี้ยคะหลวงพ่อ อ๋อถ้าจิตเราเน่งสงบสักแต่ว่าเราไม่ไม่มีอะไรปรากฏให้เรารับนั่นก็เป็นสมาสมาธิคือคือหมายถึงว่าจิตไม่ได้ไปสร้างอะไรให้มาก็ถือว่าเป็นสัมมาใช่ไหมคะอจิตเน่งสงบสักแต่ว่ า, าไม่มีคิดปุ่มแต่คฟังหลวงพ่อถ้าเป็นมิจฉาสมาธิกาจิตจะไปออรับรู้เรื่องราวต่างๆไปอ่านไป พบกับกายทิพย์บ้างอะไรเงี้ยไปละลืมชาติได้อะไรเงี้แล้วีอภินยาเนื้อเี้ยเนี้ยก็คือออกเป็นฌาสมาธิอ๋อออกไปเทนแนวแนวเขาเรียก ว, ว่าแนวอญญนยาปฏิหารที่ิปฏิหารละลืมชาติได้ติดต่อเทวดาได้เที่ยวนาลกเที่วสวรรค์ได้ครับแล้ ว, แ ล, วแล้วที่ที่บอกว่าถ้าเรานั่ง นั่งนั่งสมาธิได้ลึกได้ได้ได้สงบจริงๆเนี่ยเวทนาเนี่ยมันก็จะเกิดของมันไปอย่างกายมันก็จะอยู่ของมันไปแล้วพอเราเราถอนออกมาเนี่ยความความเจ็บปวดความอะไรเหมือนไม่มีอะไรเลยมันเหมือนเราปกติสบายทุกอย่างนถ้ามันสงบเวลาออกมามันจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามันไม่สงบเนี่ยมันเวลามันออกมามันยังรู้จะมจะรู้สึกปวดเมื่อยอ๋อค่ะแล้ว แล้วเออถ้าเราเรารู้สึกว่าช่วงที่เราเข้าไปแล้วอะค่ะหลวงพ่อมันมีความรู้สึกว่าทํำยังไงมันก็ไม่ออกมาเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็มันก็ไม่ออกให้มันอยู่ไปนานๆให้มันออกมาเองทํามันยังไม่ออกก็ยังไปเต็มมันออกมาก็คือนั่งไปให้ใ ห, ให้ให้เต็มที่เลยถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรมา คือเรารับรู้นะคะหลวงพ่อรู้ทุกอย่างเลยแต่ว่ามันจิตมันอยู่ของมันนะคะหลวงพ่อมันไม่ไม่ไม่เคลียร์อะไรมันไม่มาดิ้นรนมันไม่รับมันเออมันเป็นเบรกขาไงวางเฉยแล้วเบรกขาเป็นอย่างนั้นนะคแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นนานๆมันจะไปดึงมันออกมาค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วช่วงที่สมมุติว่ามัน มันถอนออกมาแล้วเนี่ยค่ะหลวงพ่อก็เจริญสติต่อควบคุมจิตต่ออย่าให้มันคิดบูมซานอย่าให้มันคิดเรื่องราวต่างๆาให้รู้เฉยๆรู้ประลำทำนู่นทำนี่ทำเดินทำอะไรไให้รู้เฉยๆไปควบคุมใจตลอดเวลาไม่ให้คิดคิดเท่าที่จำเป็นต้องคิดคิดด้วยสติแล้วเรา เราสะสมถึงขนาดไหนคะเราถึงสามารถไปไปเขาเรียกอะไรไปทําปัญญาหรือไปวิปัสนาได้ได้เต็มที่ไปอย่างนี้นคะหลวงพ่อหมายถึงเราสะสมไอ้ไอ้ไอ้สติสมาธิตรงนี้ยคะ่ะประมาณเท่าไหร่ถ้าเราเข้าออกได้ทุกครั้งก็สามารถเอเวลาออกมาก็กรารปัญญาไนดะ้พิจารณาอ น, นิจจมทุกข์เขาหน้าตาน่ะเพราะว่ า, นะาเวลาพิจารณาไปเดี๋ยวจิตมันจะฟุ้งกันหน่อได้ เ, เราปรล้ต้องกลับเข้าไปในสมาธิให้ได้แล้วต่อไปถ้าเราเราไปเดินปัญญาค่ะหลวงพ่อสมมติสมมติมมหนูหนูดูเรื่องผมเส้นผมอย่างเงี้ยค่ะหนุ่หนูหนูมองแค่ว่าผมเราไม่ได้เป็นผมผมไม่ได้เป็นเราแล้วแล้วเราไม่ได้มีอยู่ในผมแล้วผมก็ไม่ได้มามีอยู่ในตัวเราอย่างเงี้ย ให้ให้เราคิดแบบเนี้ยบ่อยๆเ อ, อเราแว่นตาเราไ ม, ม่มีเราอยู่ในแว่นตาหป่าไม่มีค่ะมีเราอยู่ในแว่นตาหป่าไม่ไม่มีมันก็เหมือนกันแว่นตากับผมมันตางตรงไหนมันก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งกันนะค่ะคือให้ให้เราพิจารณาแบบเนี้ยให้เราเข้าใจถึงความเป็นจริงความเป็นจริงว่าร่างกายไม่มีตัวเราเราไม่สมมุติคิดขึ้นมาเองไปมาว่าไปโต จนให้จนให้จิตมันคุ้นเคยมันยอมรับความเป็นจริงด้วยใจจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ว่าคือมันไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมันไงถ้ามันไม่ใช่ตัวเราเราก็ไปไปกลัวมันนะอะไรจะเกิดขึ้นกับมันก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องืองเหมือนกันอะไรจะเกิดขึ้นกับแว่นตาเราก็ไม่เดิอดร้อยเหมือนกันใช่ไหมค่ะแว่นจะแายแว่นจะหักก็มันก็แขนจะหักขาจะหักมันก็เหมือนแว่นหนักให้มองเปเที่ยวอย่างนั้น ข้าหลวงพ่อ ค, คือไม่ไม่เดือดร้อไม่ไม่ถือว่ามันเป็นเราเราไม่ได้เป็นมันเรากับมันเป็นคนละคนเราเป็นคู่แฝดล้ว เ, เป็นคู่แฟดที่เราเป็นใจค่ ะ, ะแค่แร่างการเป็บบน้องอแค่มาใช้แฝดน้องเป็นเป็นเครื่องมือพาเราไปนู่นมานี่ทำนู่นทำนี่เลยค่ะข้าหลวงพ่อแล้วทีนี้หนูหนูถามอีกนิดหนึ่งคะ่ะ แล้วอย่างคนที่เขาแตะบันไดขั้นที่หนึ่งในสี่ขั้นแล้วอะค่ะอย่างอย่างอย่างคนอื่นเขาก็ไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมคะว่าไม่ได้เา้เาเว้นกินข้าวเรากิงข้าวอีกคนอื่นก็จะรู้แล้วอิ่มไม่อยู่เวลาเขาเจอเราถามที่ข้าวยังใช่หไหมเขาไม่รู้หรอกเรื่องของภาในใจนี่ไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเองซึ่งที่ติดกัเรืร่องคนที่มีญาณอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย ดยูใจคนอื่นได้พระอาจารย์แสดงทำเสร็จปุ๊อัญญาณคนัญญาเธอรู้แล้วเนาะอ่านวาจิตได้อ่านจิตของอาจความรู้สึกความนึกคิดของอัญญาอัญโคนัญญาแล้วเขาคิดยังไงเกี่ยวกับร่างกายของเขาค่ะหลวงพ่อหนูหนูจะพยายามต่อค่ะหลวงพ่อหนูหนูรู้สึกหนูยินดีแล้วก็หนูขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูง จักใจเลยนะคะหลวงพ่อหนูมาถึงเข้าใจได้ขนาดเนี้ยค่ะหลวงพ่อเวลาคิดว่าเรา <c oughs> เราเร า, เราชำนาญทางสมาธิแล้วเราก็เลวลาออกมาต้พิจารณาร่างกายนะพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นอากาศสามสิบสองทำมาจากดินหน้าไปค่ะแล้วก็ปล่อยวางมันอะไรจะเกิดขึ้นกับมันก็รมันก็เกิดมันก็เกิดที่ผมที่ขนที่เล็บที่หนังที่ผานีน่ใช่ไหมัน เราไม่ได้เกิดกับเราทั้นั้นเราเป็นคนพิจารณาเราไม่เราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราอยู่ในใจผู้พิจารณาอยู่ในใจตอนที่เราพิจารณาเราเราแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ต้องไม่ต้องสั้งหมดชนในของร่างกายก็ได้หรือไม่หทั้งทั้งสา ท, ที่สองอา ก, การเลยก็ได้ได้เป็นอีาการผมผลแอล็บตัดมันเอาไปแล้วแล้วมันเราเร า, เราตายไปกับมันด้วยหรอ เวลาก่ผมทิ้งไม่หมดนี่เราไม่มีผมแล้วเรายังอยู่ต่อก่ะใช่ไหมไม่มีอาการในสองเราก็ยังอยู่ต่อแล้วเราไปกลัวทําไมครับ่าจารย์ในสองเวลามันเป็นอะไรไปเอาไปยังถึงเวลาก็จับใส่ลงฟ้าเผาใช่ไหมครัหรือขี้เถ้าเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วแล้วมีบางครั้งที่เราไปเก็บกระดูอะค่ะหลวงพ่อเหมือน กระดูกที่ญาติที่ที่เขาเสียแล้วเนี่ยแล้วใจมันมันบอกมันไม่เห็นมีอะไรเลยมันเหลือมันมันกลับก็เป็นธาตเนยเหลือแค่านุแต่ธาตุดิค่ะมันมันเหมือนเหมือนให้ให้ใจเราคิดว่ามันทุกสิ่งมันไม่มีอะไรเลยมันมันมันเป็นธาตมันเป็นธาตุค่ะลมไฟค่ะที่เห็นชาติที่เหลือชาติใจก็แค่ธานุดิ ทานน้าก็ถูกไฟเผาระเหยไปหมดนละ้ว น, น้ำในร่างกายทัางลมก็หายไปหมดนะถ้านไฟก็หายไปหมดแลี่แต่ท่านหนูหนูรายงานหลวงพ่อประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อเวาเดียนะนะพิจารณาก็ปล่อยวางไม่ให้ทุกข์กำมันนะมันจะเทรนจับสายมนะันไม่ใช่เราเป็นเราตายไปกับมันมันเจ็บแต่ไม่ได้เจ็บไปกำมัน มันนี้เข้าไปเดือดร้อนน่างมันไม่เดือดร้อนใต่เวลาปวดท้องมันไม่เคยปวดท้องปวดท้องที่ที่ปวดเนี่ยคือจิตกับเขาเรียกอะไรจิตของเรามันไปไปผูกไปรับรู้นั่นเองไปรับรู้นั่นเองแต่การปวดมันอยู่ที่ร่างกายทำเสียมันก็ปวดโดยโควิดมันกินมันก็ปวดมันก็เป็นไข้ได้ไหมแต่ ใจ ด, ดูแลร่างกายไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้ปวดท้องอะไรกับร่างกายร่างกายเป็นมันก็ไม่เหลือดร้อนไปก็เป็นไม่อยู่อกับมันไปเราไปเหลือดร้อนแทนร่างกายเพราะเราไปหลงคิดว่าเราเปน็นร่างกาย ค, ค, คือใจไปคิดเอาเองอะค่ะใ ช, ใช่ไหมคะหลวงพ่อคิว่เราเปน็นร่างกายน่างกายเป็นรเราแล้วใจปัญญาพิจารณาว่ามันไม่ได้เป็นเรามันเป็นตุ๊กตาตน เราเป็นคนข่ราร่างกายเหมือนรถอย่างนี้หลวงพ่อพัดกนตอนตอนที่เราเราเราอยู่ในสมาธิอ่ะเราเหมือนกายอ่ะมันหยุดไปเลยค่ะหลวงพ่อแล้วเราก็คือเรารู้ว่ากายเนี้ยมันเป็นก้อนเป็นแท่งอย่างเงี้ย<อ>ใช่ใช่ท่านร้อท่านเฟินไหมใช่ค่ะ<อ><อ>มันคือมันมันไม่ขยับเ ข, ขยื่อนไม่อะไรเลยแล้วก็ แต่เวทนาเราก็รู้อีกว่ามันมันเป็นแต่ใจเราก็ไม่ได้ไปรู้สึกว่าไปดิ้นรนว่าต้องให้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่เราอยู่ในสมาธิแบบลึกแล้วลึกแล้วค่ะมันเหมือนนั่งนั่งดูนั่งดูไปแล้วไช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใชกใช่ใช่ใช่าช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใก่ใช่ใช่ใช่ แต่เราจะรู้ว่าเราอ่ะมีหายใจเข้าหายใจออกแต่ลมเนี่ยมันมันเหมือนว่าเอ้มันไม่มีหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันยังไม่สงบเต็มที่เอสงบเต็มที่ลมก็หายร่างกายก็หายค่ะก็ <c oughs> คือประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อถ้ายังมีลมก็ดูลมต่อไปค่ะแต่มันเหมือน ล, ลมมันไม่มีไม่มีก็ดูความไม่มีไปดูความ<ล>ไปค่ะหนูเจะ พยายามทําไปอีกะอะค่ะหลวงพ่อโอเคด่าหนูหนูบอกป้าปุกไว้ว่าถ้าถ้าบ้านกูดหนึ่งว่างให้ให้ให้ป้าปุกบอกด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีมีเ พ, พ, พ, พ, พื่อนนะคะรุ่นรุ่นพี่กัลยาณมิตรที่ไปเจอที่วัดอะไรที่เดิมอะค่ะเขาก็บอกว่าอยากอยากจะไปแต่ทีเนี้ยกุดมันยังไม่ว่างคือไปทุกที่มันจะ ไม่ได้เต็มที่เท่าเท่าที่เนี่ยค่ะหลวงพอ่อมันมันส่วนมากจะเป็นเหมือนกับที่พี่คนเมื่อกี้ค่ะที่เขาไปแล้วคนมันเยอะๆอย่างนั้นนะคะมันมันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่อะค่ะหลวงพอ่อใช่ีแล้วหนละอย่าไปบอกคนมากนะเดี๋ยวมันมาหน้าแล้วเดี๋ยวมันคิวย า, ยาวหนะ่อยห้วันเขาเขาโทรมาถามเขาบอกว่าหายไปไหนแบบไม่ได้ไปกับเขาอะไรเนี้ยค่ะคือหนูไป ไปคนเดียวอะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะหลวงพอ่อ<ม>เขาก็อยากจะไปบ้างอ๋อเดี๋ยวลบลืมค่ะหลวงพ่อลบคนถามค่ะพอดีเนี่ยค่ะในเซตเนี้ยมีทั้งผู้ชายด้วยค่ะน้องผู้ชายเขาเขาก็าาอยากจะไปแต่ว่าเขาเขามาถามหนูว่าที่เนี่ยมันมีทางจงกรมด้วยไหมของผู้ชายถ้าถ้าบนเขามีมไหมคะหลวงพอ่อม่บนเขามีที่หมายถึงใกล้ใกล้กลุด ท, ท, ที่ที่อยู่ทุกทุกทุกกรุดที่มีทางเดินจงกรมบนเขาอ๋อค่ะ แล้วแล้วของผู้ชายไม่ต้องจองไหมคะหลวงพ่อต้องติดต่อกับพระพ า, าพระ <Hey S 1> ติดต่อกับพระเดียวาทางคุณารู้ว่าติดต่อกับพระรุ่นไหนอ๋อค่ะได้ค่ะหลวงพ่อหนูหนูหมดคำถามแล้วค่ะหลวงพ่อ <Okay. S 2> ขอบขอบขอบคุณนะคะหลวงพ่อสาธุสาธุค่ะหลวงพ่ อ, อคุณพงศ์กอธรอาจารพงขาัสมการ ค, ครับอาจารย์ครับผมโอครับ อาจารย์ครับพอดีผมหายไปน่าจะเกือบสองเดือนแล้วครับอาจารย์พอดีออวันนี้รู้สึกว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องทั้งกายและใจครับคือล่าสุดที่ผมปรึกษาพระอาจารย์เรื่องการลดน้าหนักนะครับแล้วพระอาจารย์ให้ปัญญาในเรื่องของอาหารเลเวปฏิบุรสัญญามาครับอตอนนี้น้ําหนักผมลงไปสิบหกโลแล้วครับพระอาจารย์ก็แต่ก็คือในระหว่างที่เกิด สภาวะความหิวขึ้นมาครับ<ช>ผมก็เลยเอาเวลาว่างมานั่งสมาธิทั้งวันเลยครับท่าอาจารย์<ช>ทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเรารู้ว่าเราผิวเนี่ยเรารู้วิความรู้สึกนี้มามาแล้วเรารู้ทันนะครับ<ช>แล้วผมก็หาอุบายอะไรที่มันเป็นกุศลอะไรที่มีความสุขมาทดแทนอย่างเช่นการฟังธรรมกา<ช> ร, รนั่งสมาธิการเดินจองกรมก็ทำได้เรื่อยๆครับท่าอาจารย์ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอเรื่องกายเนี่ยมันก็เป็นดัชนีที่บ่งบอกว่าเราก็ นำสิ่งความสุขที่เรารู้สึกได้มาใช้ในการลดน้ําหนักได้ครับป้าอาจารย์ทีนี้ทีนี้ในเรื่องของใจครับพระอาจารย์ก่อนนั้นเนี้่ยครับผมมีการเขาพี่ๆแถวที่เขารู้จักผมเขาจะบอกว่าผมแ่บผัสศุกร์โตไหนะนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่านั่งสมาธิอย่างเดียวครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย วันหนึ่งเนี่ยเราจะมารอแค่เวลานั่งอย่างเดียวทําไมทําไมเราไม่ลองหันมาจเจริญสติด้วยวิธีอย่างอื่นนะครับผมก็เลยใช้โอกาสในการเดินออกบำรังกายครับมันลองมาเดินจองกรมดูครับผมทีนี้ในสภาวะที่ผมกําลังเดินขวาซ้ายขวาซ้ายกําหนดให้มันรู้น้ําหนักเวลาลงขวาซ้ายครับผมก็เลยรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเวลาเราเดินลเรารู้ว่าเราขวาซ้ายเนี่ยมันจะมีตัวคิดขึ้นมา ก็เลยสงสัยว nah> ่าตัวคิดน <im ี่คืออะไรบางทีเราบ้าได้ตั้งใจคิดมันคิดไปเองแบบคิดดีคิดไม่ดีเงยมันก็จะมีสองแบบแล้วผมก็จะมีรู้สึกว่ามันจะมีสองตัวใช่ไหมครับอาจารย์มันจะมีตัวรู้กับตัวคิดที่ผมทราบมาตอนนี้ครับถึงผมผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตัวรู้ตัวคิดแต่มันคือจิตใช่ไหมครับอาจารย์มันมันช่วยหนของจิตครับทีนี้ผมก็เลยมีการแบบศึกษาต่อครับอาจารย์ด้วยความที่อยากรู้ครับก็เลยรู้สึกว่า จิตเนี่ยมันต้องมีเครื่องอยู่ใช่ไหมครับมันต้อง <S <S <S <S อยู่กับความรู้สึกทีนี้ผมก็เลยจากนั้นครับพอดีผมเข้าใจว่าอ๋อจิตมันคือแบบนี้นี่เองนะเวลาเรารู้ทางกายมันก็คือจิตเวลาเรารู้สึกจิตรู้สึกรู้ทุกข์รู้ดีรู้ไม่ดีรู้สึกดีมันก็คือจิต <S <S <S ทีนี้พอผมรู้ประมาณเนี้ยครับผมก็เลยลองมาแบบลอ ง, ลอ ง, ล, องลองรู้ดูครับ พอดีก็เริ่บก็เริ่มรู้สึกไว่ามันรู้ทันนะบางทีเราคิดไปแล้วเรารู้นะนะเรารู้ทันเมื่อกี้เราก็รู้ไปได้แบบคือวันสองวันที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าผมรู้แบบนี้ทั้งวันนะครับแล้วรู้ถึงว่ามันมีความสัมปติเชื่อมโยงกันหรืองเช่นว่าเราบังลังเดินจงกรมดูที่สวนสาธารณะครับผมได้ยินเสียงบกบินไปมันก็เกิดเสียงแล้วมันก็ดับไปเหมือนแบบว่าเรารู้นแล้วมันก็ดับคนเราเราได้กลิ่นของสนามหญ้าที่เดินผ่าน กินนั้นก็ดับไปแล้วก็เราก็ไปรู้ในเรื่องของภาพที่คนเดินวิ่งมาเหมือนมันรู้แล้วมันก็ดับดับดับับับรู้รู้รูรูู้อย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ผมหันมารู้แบบเนี้ยมันมันจะดีไหมครับมันจะเป็นมันจะกระเพื่อนไปไหมครับอาจารย์มันยื่นจะทำให้จิตไม่ได้ต้องรู้อย่างเดียวถ้าเดินมาให้รู้อยู่กับเทาอย่างเดียวยังอื่อย่าไปสนใจ อ๋อครับอาจารย์อ่ทีนี้อผมส ง, สงสัยครับเวลาที่นั่งสมาธิครับผมรู้สึกว่าคําว่าสัปปชัญญะนี่การรู้พร้อมตัวทั้งกายเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็รู้แบบต่อเ น, นื่องครัรู้แบบไม่เผลอโอไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้รู้ช่วยสัพพานกายให้รู้อยู่กับเท้าที่เราเดินหนึ่งรู้อยู่กับพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องไม่เผลอคือเป็นสัปปชัญญะ ครับอ่าพาจารย์ครับในการถ้าพูดในเชิงสมาธะครับการที่เราการที่เรานั่งสมาธิแล้วการและการที่เรารู้สึกแค่กายอย่างเดียวมันมันจะเพียงพอในการทําสมาธิไหมครับพอาจารย์พอพอเรื่องต้นเราต้องการฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาครับครับอาจารย์ครับทีนี้ในการมันจะมีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงนะครับไม่สนใจไม่ต้องไปสนใจ ปลูให้หมดเลยเย็าลออ่อนแข็งทั้งกาย ใ, <ห>ใช่ไหมครับฝึกสติเราฝึกสติยังไม่ต้องไปทําปัญญาครับผมถ้าฝึกสติเวลาดูเท้ามาดูเท้าแล้วเวลารับลลประทานอาหารกินอะไรก็ดูอาการของที่ร่างกายเราลังเลงไว้ครับครับอาจารย์ครับทีนี้ดูความดูว่าผมเดินเดินแบบนี้ทุกวันแล้วเวลาผมมาทำสมาธิแทนที้ผมจะไปรู้สึกลมผมไปรู้สึกที่เท้าแทนอาจารย์แบบ มันกําลังเย็นอยู่นะผมก็แบบคงรู้สึกแบบนั้นไปอย่างงี้มันก็มันก็ถือว่าไม่โอเคไม่ครับไม่ได้ไม่โอเคถ้าเวลานัามันดูลงตองเปลี่ยนมาดูลงครับครับอาจารย์ครับผมก็ทีนี้ผมมีคําถามครับ้าอาจารย์ทําไมอมันต้องมีกายกับการในกายเวทนากับเวทนาเนี่ยทําไมมันต้องมันเป็นภาษาบาลีเขาพูดสมาดการเขาพูดแบบนี้ครับครับแต่สมัยเราเราตัดมันเอาแค่รูปรู้กายก็พอ อ๋อครับผมอาจารย์ครับทีนี้ผมมีอีกคําถามนะครับอ่ในองค์ชา้นหนึ่งะครับปิติเนี่ยสิ่งมันก็คือเวทนาทางกายหรือว่าเวทนาทางใจครับอาจารย์ไม่ต้อไปสนใจ่ะมันขอยรู้มันเกิดหรืไม่เกิดก็พออ๋อซึ่งมันจะเกิดขึ้นเองโดวที่เราก็ตัดใจไม่นั่งไม่นั่งใจให้เราอยู่โดนดูลงไปแล้วเดี๋ยวเวลามันจะเกิดก็เกิดบางทีมันก็ไม่เกิดบางทีมันก็ไม่เกิดก็ได้ ครับคบอย่างอย่างที่ผมเคยถามพ่าอาจานนะครับที่ว่าผมรู้สึกว่าร่างกายผมมันแข็งแข็งหมดเลยครับ<อ>ทีนี้พอเรารู้สึกแบบนั้นไปแล้วนะครับพ่าอาจานมันก็จะมันก็จะพยายามสว่างนะครับแต่ว่าผมต้องรูปมันจะมีลมให้ผมยังพิจนารณาอยู่ผมก็ลองพิจนารณาต่อไปเรื่อยๆครับซึ่งเราก็พิจนารณาต่อไปโดยที่เราไม่ต้องไปคิดว่ามันเกิดดับเกิดดับอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องไปสนใจอะไรที่เกิดดับให้อยู่กับลมไปอย่างเดียวดูลมไปอย่างเดียว ครับครับอาจารย์ครับในเรื่องของสมาธิผมก็พยายามฝึกแบบต่อเนื่องทุกวันครับก็รู้สึกว่าเหมือนวันหนึ่งเราต้องคงสภาวะอารมณ์ประมาณไหนถึงเราถึงจะเข้าได้ดีผมรู้สึกว่ามันก็สําคัญประมาณหนึ่งครับอาจารย์ก็เลยก็เลยลองมาหารืถ อ, ถ, อถือสินดูครับอาจารย์ในเรื่องของสินแปครับก็รู้สึกว่าเออมันก็พยายามบล็อกบล็อกปัจจัยที่จะเข้ามากัะทบ ผลกระทบไปตัวเราครับอาจารย์ <Okay. S 2> ครับผมครับ อ, อาจารย์ครับก็อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนํนาต่อครับว่าจะยังไงต่อเรื่องเรื่องการปฏิบัติครับผมก็ฝึกสติไปก่อ น, นีฝึกสติแล้วให้เราสามารถนั่งสมาธิได้นานเข้าเรื่อยๆง่ายๆครับครับครับอาจารย์ครับยังยงัยงยังไม่ถึงเวลานะมันเป็นขั้นเป็นตอนไม่ต้องรีบนอน ครับถ้างั้นเวลาผมเดินเดินจองกรมต่อไปน Self ี้ผมก็จะพิจารณาแค่อย่างเดียวจะไม่ Out, <ท>ดูอย่างอื <c oughs> ่นครับได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมครับอาจารย์ครับคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณสุดประการครับผมมันเชียงชีแม่เมี่ยวแครายกัทยาหนองโพน ตะเคียนตะเคียนเตี้ยตะเกียนเตี้ยค่ะพรอาจารย์กลับน้ำมัจการค่ะคอถามน้ามีเรือนจําเหรออยู่กล้ารือนจำป่ะเรือนจำไม่มีนะคะไม่มีมีอ่างเก็บน้ําค่ะอยู่ติดกันเลยค่ะไม่ไม่มีคําถามค่ะพรอาจารย์คค่ะุณธนพรอุปาน้ำมัจการพ้ะอาจารย์เจ้าค่ะพอดีส่งมินส่งมินไปไปที่นอ ไปลงนอกโอค่ ะ, ะ, ะกะ็ตอนแรกเขาก็เขาก็เหม่อนกังวลก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ตัดสินใจไปเที่ยวก็เที่ย ว, ย ว, ยวให้สนุกปรากฏว่าไปแค่สองวันนะคะว่ะอาจารย์ก็ไลน์มาบอกมันไม่ใช่เลยพี่มันไม่ใช่แล้วบอกก็ขึ้นเรือไปแล้วก็เที่ยวให้สนุกอ่ะค่ะทีนี้เขากลับมาได้แล้วประมาณสามวันพร้อมกับโควิดด้วยค่ะพระอาจารย์อตอนนี้เลยต้องกักตัวค่ะดี๋ยวจะได้ไปรักษา รอยกิเลสเหล่านถ้ามันออกไปข้างนอกก็ถือว่าเป็นสมุทยัยเป็นกิเลสอะไรมันต้องเข้ายังไงถึงจะเป็นธรรมเข้าหาธรรมไม่ใช่ไหมออกออกไปหาลูกเสียงจิตมันนั่นเป็นการมาฉันทะที่เมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าเราส่งจิตออกข้างนอกก็คือเราสร้างสมุทัยใช่ไหมคะใช่ไปสร้างความทุกข์ไปกับใจทีนี้เราเอาจิตเข้ามาอยู่ที่ตัวเอง เหมือน<ช>ถ้าเราเอาสติไชส้สติดึงติดเข้ม า, ข ม, าขมาที่ตัวเองเขามาความสงบใช่ใช่ค่ะพระอาจ า, ารย์พอแรอบที่แล้วไปปฏิบัติหาพระอาจารย์รอบนี้เจอความกลัวจริงๆค่ะพระอาจารย์มันมันทุกอย่างที่มันปรุงแต่งอะค่ะทั้งเสียงแล้วก็บางทีมันก็มีมันสัมผัสอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็อยู่คนเดียวค่ะ แล้วมันนอน ไ, ได้ค่ะรอบนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําได้คือพระอาจารย์เออใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่สิ่งแบบเมื่อบอกตัวเองว่าใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่แต่ก็ทําอะไรเราไม่ได้ข้าสติเราอยู่คิดอย่างนี้อย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์แต่ไม่ได้นอนเลย <laughs> ก็ก็วันนั้นน่ะกลัวแต่พอตอนเช้าปุ๊บมันเหมือนกับว่าเราก้าวข้ามความกลัวได้อะค่ะรู้ว่า สิ่งเหล่านั้นเราผ่านมาได้ค่เขาแกล้งเราหรือเราแกล้งตัวเองก็ไม่รู้แต่ว่ามันทําอะไรเราไม่ได้นอกจากเรากลัวค่ะเราชุกชังผ่านกลัวแล้วนะที่ทําเราได้ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ใช่เลยค่ะค่ะเหมือนกับเออเราเราก้าก้าวข้ามตรงนั้นได้แล้วรู้สึกตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้วิ่งหนี้ก็แสดงว่าเราเราผ่านมันได้ออ๋ก็เคยไม่ใช่แพ็กระเป๋ากับบ้านอ๋อใช่ค่ะเราก็แบบ เขาทำอะไรเราไม่ได้ไม่ว่าใครก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่กลัวคิดอย่างนี้ยค่ะว่ะอาจารย์แต่ก็แอบกลัวนิดนึงเ <laughs> ห <c oughs> มือนตอนจะหลับอะค่ะพอจะหลับปุ๊มันก็จะแบบก็ลองไทปทํำไม้มันหายกลัวไปเลยต้องต้องไปทําบ่อยๆให้มันอืมัม่นใจค่ะค่ะค่เดี๋ยววันถ้ามันกลไปก็แสดงว่ายังกลัวมันอยู่ถ้าไม่กลัวก็ต้องกลับไปหามันต่อบันจันทเดินทางอีกรอบค่ะพราอาจารย์ ค่ะแต่รอตอนแรกก็จะรอไปพร้อมน้องมินแต่น้องมินยังยังยังโคยังอยู่ในช่วงโควิดอ่ะค่ะแล้วก็ก็เหมือนกับว่ารอบเนี้ยถ้าเขากลับไปก็จะอยู่ยาวก็คงจะทําพวกภาระทางโลกเขาอะค่ะก็เลยบอกอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวปลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวน้องมินให้ตามไปอะค่ะอาจารย์ค่ะคุณชนะผลไปรับลูกพอดีเลยเสียได้โอเคค่ะค่ะใช่ที่กุญแดหนุนนอนทานได้ค่ะ มามาการรำลึกสักณ์นะพระ อ, อาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะโอเคทแบบี่โซล่า19กาแฟพระอาจารวันนี้มารับฟังครับแล้วก็อพอฟังแล้วก็ได้ประโยชน์ครับวันนี้พอดีเดินทางก็เลยไม่รักษาศีลครับก็ต้องเป็นพรุ่งนี้ครับโอเครักษ า, าวันไหนก็ได้สะดกวันไหนก็รักษาไปครับไปที่คุณทยา ต, ตอบทยาดีไหม นักปั่นไม่ครั้ำมันส ก, การครับอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนต้องมีสองคำถ า, ถามครับคำถามแรกก็คือเวลาเราทําทาน น, นะครับเราจะต้องคิดมากไหมครับยกตัวอย่างเช่นเอ๊ะคุณจะให้ดีไหมควรจะให้ทักเท่าไหร่ให้ไปแล้วเขาจะเอาไปทําอะไรหรือปล่าหรือว่าถ้าอยา ก, ใ ห, กให้ก็ให้ไปเลยไม่ต้องคิดมากครับถ้าคิดได้ก็ดีแต่จะได้ตกเป้า ด้วยาให้เขาในเขาเดือดร้อนจริงกดูคนเขาเดื อ, อ, รอดอร้อนเขาต้งการความช่อยเหลือหรือไม่ถ้าเขาไม่ต้องการช่อยเหลือเราก็เราก็ไปหาคนที่เขาต้องการความช่อยเหลื อ, ด, อดีกว่าครับอย่างอย่างยกตัวอย่างเนี่ยผมเห็นคนเล่อล่อมอะไรเนี่ยก็ได้ให้เขาก็ได้ครับอันอันนั้นแหะครับผมก็เลยมาคิดคือความคิดอันนี้มันมาจากครั้งหนึ่งเนี่ยเคยคิดอยู่ผมจำไปกินเหล้าป่ะให้ดีไหม อันนี้ก็ลองดูถ้าไม่แน่ใจก็ก็อย่าไปให้เงินไปให้ให้ข้าวซื้อข้าวกินไปอ๋อครับครับก็ทําเช่นนั้นอยู่ครับอ๋อครับครับครับผมโอเคคือถ้าเราไม่แน่ใจก็แล้วก็เราก็อย่าไปทำไม่ได้หาหาหาจุดที่เราแน่ใจไปนะมันมันไม่จําเป็นจะต้องต้องต้องไปทําในในในที่ที่เราไม่แน่ใจอารทำที่เราแน่ใจเช่นสภาารชาติไทยใเราแน่ใจให้เงินเข้าไปนั้นเขาก็จะเอาไปทําประโยชน์ เออจริงขอบขอบคุณครับไปทำไปทำกับองค์กรที่เราไม่ีความมั่นใจดีกว่าครับองค์กรที่เราไม่มีความมั่นใจก็อาจจะถูกหลอกได้อ๋อครับโอ้ขอบคุณครับผมลืมคิดเรื่องนี้สนิทเลยเรื่องความมั่นใจแน่ใจต้องตัดปัญหาที่ออกม้อหาข้อมูลต้องหาข้อมูลว่าับุคคลนั้นองค์กรนี่จะทําบุญนี่เขาทําประโยชน์จริงหรือไม่อ๋อครับครับครับผมอันนี้ผม เริ่มก็มันรู้แล้วรู้แล้วก็ต้องให้ต้องให้ทานแบบยังไงเพราะผมส<ช>่วนใหญ่เป็นพวกสปิตสปาไป เ, เ, ไเรื่อยเลยอไม่คเ่ได้อยากให้ก็ไม่รู้ไม่รู้จะพิจารณายัางไงไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงว่าจะให้แบบนั้นยังไงครับผมเป็นประเภทแบบถ้าเห็นแล้ผมอยากให้ผมก็ให้แต่มาหลังๆผมก็มาเริ่มคิดนะครับก็เลยมีคําถามอะไรอย่างนี่ก็ได้ได้แนวทางนะครับคําถามที่สองนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาก็ลองศึกษาเรื่องอื่นไปด้วย ก็เลยสงสัยว่าอาณาปานาสติกับสติปัฏฐานมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าครับแล้วมันเชื่อโมโยงสติปัฏฐานมันเป็นเหมือนกับวิชาแล้วอาณาปานาสติเป็นหนึ่งในในในในวิชาในองค์ความรู้ของอาณาปานาสติกในในสนติปัฏฐานสติปัฏฐานนี่มันเป็นก็สูตรที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญสติสมาธิและปัญญาครับงัน้นเวลารเรา จเจราณาปัญสติแล้วก็มาเจริญสมาธิอยู่กับสติอยู่ก็แสดงว่าอ า, าปัญสติเนี่ยเหมือนเป็นสับเซ็ตเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในในใ น, ในขั้นตอนของการปฏิบัติในสติปัฏฐานสิอ๋อครับครับเราดูธรรมน า, มน า, าปนัญสติเพื่อจิตสงบเป็นสมาธิครับแต่เรายังต้องไปขั้นพอได้สมาธิแล้วต้องไปขั้นปัญญาดังนั้นเราก็ต้องไปพิจารณาทำความ ความความจริงของร่างกายว่าเป็นตัวตนหรือไม่เป็นตัวตนอปของเที่ยงหราไม่เป็นของเที่ยงเป็นทุกข์เป็นทุกข์หรือเป็นสุขอันนี้เป็นขั้นตอนของปัญญาอ๋อครับครับโอเคครับผมก็เข้าใจแล้วครับก็ตอนนี้ผมก็เจริญสติกับสมาธิเป็นหลักก่อนแใช่เอาสติสมาธิให้ทให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิให้ได้ก่อนครับหังจากนั้นก็ไปศึกษาทางปัญญาเพื่อปล่อยว่า ก็ผมก็เอาพื้นฐานให้แน่นก่อนแล้วกันเออถูกพราะผมพรอมกับทําแบบฝึกหัดเยอะๆถ่านมาพื้นหายไปเนี่ยไปลุยแบบฝึกหัดมาเยอะเอบตกมากตอบได้สเปซสปา่สปามหมดเหสเปะสปา่าไปหมดจับต้นชนปลายไม่ถึง ก, กันอ่าฮะครับเอาผมผมผมไม่ทาแบบฝืนขาดจริงนะฮะเอาสติหรือสมาธิที่มีเนี่ยไปเจอในเหตุการณ์จริงในชีวิตแล้วก็เอาไปจัดการกนนมันได้ยังไงนะ่ะได้รหรือว่าทำใจให้นิ่งได้แบบเจอเหตุการณ์ ขับมีรับก็มีสอบผ่านสอบไม่ผ่านแล้วก็เลยต้องกลับมามาเรียนซ้าชั้นมาติวใหม่แสดงว่าพื้นฐานยังไม่แน่นครับถูกผมก็เป็นที่มาต้องรีบนไม่ต้องรีบรอนไม่ใหม่ๆครับผมมกจากอ่าทฤษฎีไปด้วยแล้วก็เอาไปเจอของจริงด้วยครับเหมือนปลูกปลูกปลูกตึนี้ต้องตอกเสาเข็มก่อนยังไม่น่ารีบร้อนไปไปสร้างวางเสาหรอกเอาเข็มให้มันแน่นก่อน ครับผมก็เลยเป็นประเมินว่าตัวเองถึงขั้นไหนแล้วก็ไปเรียนรู้ต่อครับแอก็สนุกสนานกับชีวิตไปดีครับผมครับครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนผมอยู่ไม่สอดครับไม่สอนนะของไกลครับมามากัดตัวโควิดต่ออครับซึ่งโควิดเนี่ยเรื่องกายไม่มีปัญหาหรอกก็เป็นแบบปึกหาเรื่องจิตใจที่ถูกกระแทกก็เลยเอาทักทํานี่แหละ เอาสติทําใจให้นิ่งแล้วมันจะไม่ ม, <า>มันจะไม่เดือร้อมากมากเปดับฝันครับโอเคดีครับนวัสการครับขอบพระคุณครับปารางค์เวลายศีราชาชนญเลยกลับนวัสการเจ้าขาพระจันทรวันนี้มาพูดถึงเรื่องรายงานถึงเรื่องของเปิกขาเจ้าค่ะก็จะเป็นเรื่องของเรื่องรูปแล้วเนะจ้าขาเพราะว่าที่ลูก ไปอยู่ที่ชังรามก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเขาก่อนก็แผ่นดินไหวเขาก่อนก็เป็นโควิดรอบนี้คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ว่าองค์การไม่เลี้ยวหนูสั่งสะเทือนแน่ๆเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่หนูไปฟังทรรนักุติเขาก็บอกว่าแม่หนูขอไปไปร้านเล่าไปไปผับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าพาไปได้แต่ว่าอย่ากินเหล้านะหนูก็กังวลเรื่องสินหน้าค่ะ แต่ว่าก็แค่เตือนหนูก็คิดว่าเขาก็คงเขาก็คงต้องลองแล้วหนูก็ลืมเลยว่าฟังทำกลับมาก็ทําปฏิบัติปกติอะค่ะไม่ได้ตามเขามาตามเขาอีกทีหนึง่งไม่ใช่ปคะคะเขาเขาไลน์มาหนทีนึงคือเช้าวันอาทิตย์แล้วเขาก็บอกว่าเออแม่หนูเมานะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงหนูก็ถามว่าเป็นแล้วเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามันไม่ได้สปีแม่มันเหมือนทุกอย่างมันตอบสนองช้าแต่ใจอะคิดเร็ว เขาเอาคลิปให้หนูดูว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้บบนอะไรนะคะหนูก็ค้าถามเขาว่าแล้วเราคิดยังไงเขาก็บอกว่าหนูรู้แล้วแม่มันไม่ดีหนูไม่ทําแล้วหนูแค่หลอกเฉยๆซึ่งอันนี้ถ้าหนูจะถามพระอาจารย์ว่าไอ้สิ่งที่หนูที่หนูปล่อยเขาค่ะอันนี้มันเป็นการละเลยไ้ยคะก็มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ก็าต้องเรีนยนรู้อะไม่ชช่ก็แล็วถ้าเราไม่ห้ามเขาวันนี้เดี๋ยววันข้างหน้าเขาเขาต้อง เขาไม่ต้องไปเรียนดูเขาอยู่ดีเหมือนเหมือนตอนที่พระอาจารย์เทศนากุติอะค่ะเมื่อเมื่อวันเสาร์นี้เราได้พระอาจารย์บอกว่าถ้าเลี้ยงเด็กแล้วเราบอกเขาว่าตรงเนี้ยมันร้อนนะล้วปล่อยให้แล้วเราไปห้ามเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อแต่ถ้าให้เขาลองให้ไปจับไปในเอง่างยะรู้แต่ถ้าเขาชอบไฟเขาช่วยไม่ได้นะบางคนชอบเมามาช่วยไม่ด้แล้วก็มันกับเขาไปเหมือนเขาเขาถ่ายคลิปให้ดูเขาเขาบอกว่าแม่หนุหนุกไป หนูไปว่าไปว่าคนแต่ละโต๊ะเลยบอกว่าทาเล่ามันไม่ดีนะอะไรเงรี้ยหนูก็นึกถูเอา้าแล้วตัวเองทานเล่าอะไรเงรี้ยแต่เขาหนูก็ถามเขาบอกว่าแล้วยังไงเขาบอกว่าออกกําลังกายดีกว่าแม่มันมันให้ประโยชน์มากกว่าอะไอย่ <c oughs> ี้ก็คือว่าก็ก็ดีค่ะค่ะแล้วก็ที่ไปฟังธรรมอะคะคือหนูไปเอาช่วงหลังหนูไปเอาสปีนะเจ้าค่ะพยายามจะเปลี่ยนท่านั่งให้น้อยที่สุดนะคะก็ก็มีอากาศดีๆก็นั่ง นั่งเปลี่ยนท่าได้ประมาณสองสองครั้งเลยค่ะพอวันไหนร้อนๆหน่อยก็ยประมาณสามสี่ครั้งค่ะทีนี้เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ไปฟังก็อยู่ที่บ้านก็คิดว่าเสียโอกาสแต่ว่าหนูแค่กังวลว่าถ้าหนูไม่ฟังธรรมที่บ้านหนูจะไหลแล้วก็นอนพอเมื่อวานอาทิตย์หนูกตั้งใจมากๆว่าหนูไม่ได้ไปฟังธรรมงนั้นหนูต้องเอาให้เต็มที่หนูจะผ่านนาทีนาทีปีศาจอะค่ะประมาณนาทีที่ยี่สิบสามสิบเนี่ยที่มันจะแบบที่มันจะจะหลับแต่ว่าหนูแบบ หนูก็แบบพยายามบอกว่าทนทนมันมันจะออกแล้วนะคะตั้งฟังทางพระอาจารย์จะออกแบบลืมตามามามองมามองอสดสดอะค่ะแต่พอหนู่าทนทนต้องทำไม่ได้ปรากฏว่าหนูก็ทําได้แล้วก็นั่งท่าเดียวะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะค่อยๆ ค, ค, ค, ค, ค่อยดีขึ้นจากความเปลี่ยนถูกไหมค่ะ อ, อ, อยู่ที่ความพยายามเราความตัง้งใจของเขาค่ะ ต่อดีมีประโยชน์จ้ะค่ะแล้วก็ความโกรธค่ะไม่มีนะคะที่ทํางานหนูหนูไม่เห็นความโกรธที่ทํางานมาประมาณก็เดินไปเรื่อยๆมันอาจจะหลบซ่อนอยู่ไม่ได้วันดีกันดีมันก็อาจจะตกลงหนังเราไม่ได้คของแฟนนี่หนูหนูไม่มีโกรธแต่ว่าหนูจะมีงอนหนูก็เลยคิดว่าอ๋อไอ้งอนเนี่ยแหละมันก็คือกิเลสตัวหนึ่งมันก็โกรธเหมือนกันนะมันก็โกรธจะต้องไปต้องไปแก้ใหม่ค่ะ โอเคค่ะขอบพระคุณจ้าค่ะโอเคคุณกำมอนชนอ๊คุณเป็นอยู่ที่ไหนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพค่ะเคยเข้ามาแล้วใช่ไหมเคยเข้ามาแล้วค่ะสองสามครั้งแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรบ้างตอนนี้นะคะก็เปเดตบความคืบหน้าก็คือยังปฏิบัติอยู่เรื่อยๆค่ะ เออในรูปแบบบ้างนิดหน่อยค่ะแล้วแต่ว่ามีเวลาว่างไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เป็นแบบไม่เป็นทางการก็อาศัยช่วงเวลาช่วงเวลาเท่าที่ทำได้เลยอะค่ะนั่งรถเดินหรือว่าจะไปไหนถ้าสมมุติว่านึกไดอะค่ะก็จะกลับมากลับมาอยู่กับตัวเองค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้นะคะ อาการที่มันเป็นเนี่ยค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าสถานการณ์ที่ทำงานหรือว่ารอบๆตัวรอบๆข้างเนี่ยกับตัวเราเองด้วยเนี่ยถ้ามีมีอะไรมากระทบเนี่ยค่ะอารมณ์มันก็จะเกิดนะตามเหตุปัจจัยนั้นๆนะคะและนอกจากตัวเราเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกได้ว่าบางทีอค่ะเราก็สามารถรับ อารมณ์ของคนอื่นได้อ่ะค่ะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เราไม่ได้ไม่ได้บอกใครมันก็คือเป็นอาการปกติใช่ไหยคะพระอาจารย์ก็ปกติถ้ามันเป็นไม่ถ้าปฏิบัติไปได้เรื่อยมันจะเฉยกับอาการของคนอื่นไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องงเราทีเนี้ยทีเนี้ยค่ะมันอาการมันออกค่ะประมาณว่ามันออกมาทางวิทนาทางกายด้วยอะค่ะทั้งที่เราก็พยายามไม่สนใจบางทีนะคะ พอมันออกมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยโอเคไปย้อนดูว่ามันเป็นเพราะอะไรบางอย่างเนี่ยสืบได้โอเคเป็นเรื่องงานแต่วก็กลับไปแก้ตรงนั้นเออมันก็มันก็หายค่ะอาจารย์แล้วบางทีเนี่ยเหมือนพูดอะไรแล้วเราอาจจะไม่ประนีตมากพอในบางครั้งนะคะก็ อ, อย่างพูดกับแม่เงี้ยค่ะค่ะเราก็กลายเป็นว่าหน้าความคิดอารมณ์จิตใจของแม่ก็คือเรา เราเราทราบค่ะว่าเราไม่ควรไม่ไม่ควรเอาตรงนั้นนมายึดเราก็คือดูแค่เราทีเนี้ยค่ะตอนเนี้ยก็คือพยายามหาเหตุนะคะ่ะหาเหตุเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราดูค่ะอาการขึ้นลงเนี่ยมันมันเหมือนดินฟ้าอากาศเช่นอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะก็คือว่าเดี๋ยววันนี้ฝนตกวันนี้แดดออกวันนี้สบายแต่ทีเนี้ยมันในต่อวันเนี่ยค่ะมันก็สลับ ผันเปลี่ยนไปต่อวันเนี่ยด้วยคว่ะด้วยความที่เราทํางานเจอคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีการกระทบในเรื่องของอารมณ์อยู่แล้วค่ะทีเนี้ยค่ะบางอย่างอ่ะค่ะเราก็คือใช้ตอนนี้ก็คือใช้ทําแก้ค่ะบางทีเนี่ยสมมุติว่าคุยกับหัวหน้าโอเคด้วยภาวะอารมณ์ด้วยภาวะแวดล้อมหลายๆอย่างเนี่ยเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเรื่องอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้พอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เฝ้าดูมันแต่ว่า งานเราก็ทํานะคะแต่ว่าเรามีอีกใจหนึ่งเนี่ยเราเฝ้าดูมันไปด้วยอ้อโอเคแล้วเราก็เห็นว่าโอเคมันหายมันหายมันก็เป็นดินฟ้าอากาศแล้วเราก็บอกตัวเองอ๋ออันนี้มันก็เหมือนที่พระอาจารย์ว่าค่ะมันก็เป็นดินฟ้าอากาศบางบางอันเนี่ยเราเคลียร์เราทำความเข้าใจกับตัวเองเลยค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้เลยว่าในเวทนาของมันน่ะใจมันสั่นใจมันสั่นมันไหวค่ะมันไหวอยู่ แล้วก็ก็คือก็พยายามสอนตัวเองไปเรื่อยๆค่ะว่าเอออันนี้มันไม่ใช่เรานะด้วยอะไรนะคะลูกเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมคะก็พยายามสอนตัวเองอยู่ค่ะอาจารย์แต่ว่าก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้ที่พยายามจะหาเหตุมีก็มีอาจารย์บาท่านบอกว่าเออให้หาเหตุว่าต้นเหตุเพราะอะไรอะไรเงี้ยเออบาง เราก็พยายามหายยค่ะเช่นเอ๊ะมันเกิดจากความอยากของเราเองหรือเปล่าอยากที่จะให้ไม่เป็นอย่างไงาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ ก, ก็ก็มันคือมันเป็นไปตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยค่ะว่าจะสอนใจตัวเองได้ด ย, ยังไงแต่ว่าถ้าบางทีนึงไม่ออกก็คือปล่อยแบงค์ไปเลยค่ะพระอาจารย์คือเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วค่ะทุกวันมันก็จะขึ้นขึ้นลงๆขึ้นขึ้นลงลงอยู่แบบนี้ค่ะพระอาจารย์เราก็ยังเฝ้าดูมันอยู่ค่ะ ปล่อยวางอ่ะที่สดถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยมันก็ขึ้นลงของมันแล้วไม่ถ้าไปยุ่งของมันอที่เราปล่อยไม่ได้เพราะเราไม่มีสติสมาธิของต้องฝึกสติสมาธิมาด้วยเพราะปัญญาอย่างเดียวมันมันไม่พอมันไม่มีเบรคามันรู้มันเกิดดับเกิดดับมันเป็นอย่างนี้แต่บางทีใจก็ยังอดที่จะไปยุ่งของมันไม่ได้ ้ราฝึกสติสมาธินะต่อไปมันก็จะปล่อยได้ ม, ไ ม, มันจะไม่ยุ่มจะเฉยๆได้สติสมาธิก็คือสตไิได้ให้เราดูควบคุมใจเราอย่าให้คิดเรื่องราวต่างๆให้ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการทํางานของร่างกายทุกเนื้อเยืบดก็คือให้อยู่กับความว่างไปเลยใช่ไหมคะให้ดูแต่ไม่ต้องคิด ยงเว้นถ้าทำงานน้องคิดจะคิดไปแต่ถ้าไม่มีควาจเป็นจะต้องคิดอะไรก็อยากคิดอย่าคิดวีจตวิจารกานร้อนหงายไม่คิดอยากไปนู่นนี่นี่ไกันเนี่ยปล่อยให้มันคิดค่ะตอนนี้แค่รู้ว่าบางทีช่วงนี้ถ้าทำงานแล้วอารมณ์เกิดขึ้นมามีหลุดไปค่ะก็จะไปงจมู่กับความคิดแล้วเราก็อ้อรู้ตัวว่าอ๋อเรากำลังคิดอยู่นะอยู่อยู่กับอารมณ์หนแล้วก็ แค่รู้เฉยๆไว้อ่ะค่ะแต่ว่าอาจจะไม่พออาจจะต้องมีสมาถะด้วยใช่ไหมคะอาจารย์สมถะต้องต้องนั่งนั่งสมาธิทําใจให้นิ่งเลยถ้าม่งั้มันจะไม่สามารถปล่อยวางได้แม้รู้ว่าปัญญาพ่ามันเป็นอย่างนี้แต่เราก็อดที่จะไปอยากไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ แต่อาการที่เกิดจากเวทนาทางกายอะค่ะพระอาจารย์ที่อารมณ์อย่างที่พูดถึงอะค่ะในบางทีในบางครั้งเนี่ยค่ะถ้าเราอยู่กับบรรยากาศนั้นเนี่ยเราเป็นแต่ว่าเราคือพยายาม blank นะคะก็คือแบบเราอะตัวเรารู้ว่าในหัวเราไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอาการด้วยสภาวะด้วยบรรยากาศอะคะ่ะมันมันมันส่งผลอยู่ก็ก็พยายามพยายามที่จะไม่สนใจอร๋อ <laughs> อย่านี้นมันก็เหมือนกับจับจับปูใส่กระนองจับตอนนี้เข้ามาตอนนั้นก็ออกไปวิ่งไล่จับมันอยู่เรื่อยๆใช่ใช่ค่ะมัเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้ น, น, น, บบ น, นก็คือไม่มีอะไรใช่ไหมคะก็คือคือมันไม่เนื่องกินแล้วกินแล้ไม่นิ่ ง, งมั น, น, น, ม, นมันทำจิตให้เรานิ่งแล้วทุกอย่างมัาก็เป็นเรื่องของเขาไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับ หลังจากนี้เรา ย, ยัางอดที่จไปยุ่งกับเขาไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของงานอะไรเงี้ยค่ะที่เราเพิ่งเข้าไปเริ่มใหม่ในที่ใหม่แล้วมันก็เลยยังแบบยงังยังไม่นิ่งเท่าไหร่แต่ความจริงมันไม่เกี่ยวเราค่ะใช่ไงก็ทำได้นะก็ทําด้วยเหตุด้วยผลไม่อยากไปทำด้วยอารมณ์นั่นเองโอเคนะตื <ขอ S 2> นสติื่นสตินั่งสมาธิเคยนั่งสมาธิบ้างไหมยังเคยตื่นสติบ้างไหม มีโสดมนั่สมาธิอยู่ค่ะพระอาจารย์พยายามนั่งบ่อยๆนั่งค่ะพยายามนั่งนา น, น, านๆกนทัชั่วโมงนีอืมค่ะค่ะโดยปกติถ้าวันทํางานอาจจะแบบวันละยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะอาจจะพอได้อยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงอะคะอ่ะออค่ะก็ดีอ่าค่ะ ก็ต้องฝึกสมาธิต้องฝึกสปิด้วยอย่าฝกแบบปัญญาอย่างเดียวพระยาค่ะพระอาจารย์้องจะเข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์คุณน้อคุณน้องจำชื่อไม่ได้คุยกันอยู่ทุกอาทิตย์ย้อนวันแก่แล้วบางทีต้องทั้งเลิกไงครบอาจารย์ครับ ธรรมักดิครับผมอาจารย์ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับหมอวีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับยังไม่สัญญามันอภิใจดีครับผมช่วง 2-3 วันทย์นี้รู้สึกไม่ไม่อัพเลเวลเลยครับอาจารู้สึกเหมือนกับภาระทั้งโลกมันเยอะครับครับผม พอดีว่าอคุณพ่อ้อตาไม่ค่อยสบายแฟนก็เลยไปไ ป, ไปทําหน้าที่เขาหน้าที่ที่บ้านก็ทั้งลูกทั้งอะไรก็เลยเป็นผมดูแลหมดเลยครับอาจารย์แล้วก็ทํางานด้วยมันก็เลยรู้สึกเรื่องโลกมันเยอะครับอาจารย์ครับก็อย่างนี้ครัชีาาวาิคารวัลมันไม่มีวันที่ไม่มีเรื่องก็เลยมันแน่นวุ่นวายตลอดเวลาไม่เรื่องนะครับอาจารี้ ก็เลยก็เลยรู้สึกว่ายังภาวนาอยู่ครับยังนั่งสมาธิทุกวันยังเตืินสติอยู่ครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันใจมันมันมันไม่นิ่งอไม่ไม่เพิ่มเติมเลาวครับได้เท่านี้อยู่ครับอาจารย์ต่อไปก็อยากจะทิ้งทุกอย่างไปอยากไปอยู่คนเดียวนี่แหล่เราดูว่าถ้าไม่ไปมันก่ไปมันก็ไปไม่ได้ถ้าไม่ทิ้งมันก็มันก็ติดอยู่างเงี้ยมันกลับมาโดนใต้ทางโดย ไม่ได้ขึ้นทํางด่วนทันทีต้<ะ>อห า, าทาห<ะ>ําขึ้นทํางดวจให้ได้ขึ้นทํางด่วนปั๊บเดียวถึงที่แล้วหนึงรวดเดียวค<ะ>แต่ถ้ายังยู่วิ่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยว่าติดสียากไฟแดงติดต้นเลียวซ้ายเลียวขวารถจับต้นมันก็วิ่งไปไม่ได้เลยครับชีวิตคาราวานกันไหมครับการขับ่าใต้ทางด่วนชีวิตทําบัวก็เหมือนกับการขึ้นทํางด่วน ะใช่เลยครับอาจารย์แต่ถ้าบวนแล้วพอขึ้นดังเดือแล้วไปกับชายๆก็ช่วยไม่ได้ <laughs> นะเจาะเตอร์บ้าอยู่เลยกช่วยไม่ได้นะ <laughs> นี่นะครับอาจารย์ถ้าสมมติว่าในความรู้สึกผมนะครับอาจารย์ครับผมก็รู้สึกว่าเออเหมือนผมก็ผมมันความรู้สึกเหมือนเราเราเห็นแผนที่อยู่ในมือเราเนี้ยนะครับ <laughs> แล้วเราก็ยังมันก็ยังมีความสบายใจอยู่ อยู่พอสมควรก็คือแต่ก็ไม่ได้ประมาทนะครับเ อ, อผมอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่างนี้เรียกว่าประมาทหรือเปล่าครับพระอาจารย์จะว่าประมาทก็ได้ว่ามันยังติดมันมันติดความพอใจระดับต่ำมันยังมีความบันมันยังมีทํามที่สูงกว่าพระอาจารย์ขอให้เราพิจารณาด้วยว่าธรรมที่สูงกว่านี้เราเรายังมีต้องทำหรือเปล่าเราถึงเพดาน้รือยังยังไม่ถึงเพดานแล้วาพยายาม ขึ้นไปให้มันถึงเพดานให้ได้ถ้าพอใจกับแค่การเพดานก็เหมือนพอใจกับเป็นบัวกลางน้ำํำยังไม่อยากจะเป็นบัวขึ้นน้าหรือบัวเหนือน้ําครับผมเดี๋ยวจะอ่างั้นต้องต้องพิจารณาเล่นทางโลกน้ําลดลงลดพาราทางโลกลงไปเรื่อยๆครับเอาไปให้ว่าเท่าที่สุดเท่าที่จะทําทได้ะ เพรเดี๋ยว้อนตายไปก็เราก็เลยแต่ทางเราไปไมได้มันตัดชิ้นเดียวตอนนี้เรามีหน้าที่เป็นเหมือนคนพายเรือสําหรับครอบครัวเราจจะส่งให้เขาข้ามผาาไปได้แล้วเราก็พอแล้วใ่คเราก็จบแล้วก็มีงานทําเนี้ยงตัวไว้เองได้แลับเมื่อจะอยู่ไปทํำไมล่ะลรงเดินรู้คนเล็กอีกหกปีครับอาจารย์น่าจะจบหมออีกหกปีครับได้ คือว่าถ้าปากภรรยาให้ดูได้ก็ยกคมบัตให้ภรรยาไเลยพระเจ้าเพราะพรเจ้าก็ปากสำบัตให้กับภรรยาเลี้ยงลูกให้ครับผมเจ้าบอกไปละลาพูนบวมบวมมากเลยูกสาชื่อลาพูนเล่าโอ้โหห่วงใหญ่เลยครับพอาจารย์สองคนห่วงใหญ่เลยครับครับผมนะ ช่วยไ่น่ามันจบมันจบบว้องล่าง้วนะมันแก่เอยายครับ <c oughs> อาจารย์แก่ต้องรอส่งเ้าให้ถึงฝั่งครับถึงฝั่งโอเคครับ <c oughs> อาจารย์คร <c oughs> ับกลับไปเอกันอาทิตย์ครับผมอาจารย์ครับนำมัสกัรให้ครบคุณคิดวิสัยดมก็ต้องมารานมัสการครับพระอาจารย์ค <c oughs> รับ ่ว่ามาแรได้ยินชัดิเก่งครับจะมีคําถามสอบถามพระอาจารย์ว่า<ม>ถ้าพ่อแม่เก็บเงินเอาไว้แล้วยกให้ลูกไปเลยนี่เป็นการทําบุญหรือเปล่าครับเป็นแต่<ม>ทาน้อยกวยกให้คนอื่นเพราะยังถือเป็นลูกเราอยู่ยังเป็นเงินก็ส่วนหนึ่งของเราอยู่มันก็ให้ให้จากมือซ้ายไปให้มือขวาย อ, อยนะ่งนี้เราเลนจะเชื่อวังว่าเรายัางจะพึ่งลูกได้ขอจากลูกได้อ แต่ถ้าให้พ่อแม่เอาเงินไปทำบุญให้คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกนี่จะได้บุญเยอะกว่าใช่ไหมครับใช่เพราะว่ามันมันมันมันไม่มีความผูกพันเงินมันมันให้แบบว่าให้แบบสิยนันยีสิแทะพอรู้ว่าให้ไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วให้คนอื่นนะแต่ให้ลูกนี่บางทีมั น, นยังขอคืนได้ไม่ขอไว้ยืมได้อรอยค่ะ โอเคีคุณกคุณแม่มีก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังมียึดติดอยู่ครับยังก็ได้บุญก็ได้บุญไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ได้บุญเพียงแต่ว่าไม่ได้เท่ากับการที่ให้กับคนอื่นไปแต่แต่ต้องให้ก่อนที่จะใช่ก่อนที่เราตายไม่ใด้เียนพินยกรรมไว้แล้วรอให้ตอนเราตายแล้วเาเขาค่อยมาเอาตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาได้หรือเปล่าอ๋อต้อง ต้องให้ตอนที่มีชีวิตอยู่ให้เราให้เราเห็นว่าเราเสีสยลรานริงจิงตัดไปจริงิไม่ยึดไม่ติดกับมันก็นนั้นจริงครับใชครับอาจารย์อาจารย์เดี๋ยววันศุกร์เสาร์ที่นี้จะไปขึ้นเขาครับอ่าโอเคขอบคุณครับสาธุครับ อ, าอา่าเป็นคนบััายานะกราบนมาสเกลเจ้าข้าอ า, า, าจารย์ เออมีอะไรไหมคะวันนี้ก็ก็เจริญสติอยู่นะคะพระอาจารย์แล้วก็เป็นลักษณะ ข, ของที่ว่ามีมีอาการที่บอกว่ามันมันตัวร้อนแล้วก็เหงื่อมันแตกออกมาครับพระอาจารย์นั่นสาเหตุมาจากอะไรครับพาะาารก็มันเป็นเรื่องธรรมดาายให้ก็คือมันอริจารมันเป็นอนันตตา มันจะร้อนก็ร้อนนอะมันมีเหตุมีปัจจัยแล้วมันมันร้อนมันก็ร้อนก็ร <Okay. S 1> ู้รู้ไปเฉยเฉยรู้แล้วก็ปล่อยวางแล้วกันจ้าคถ้ า, าถ้ามันเป็นปัญหาก็ไปหามหมอถ้ามันเป็นปัญหาก็อยู่กับมันไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เจริญสติอยู่นะคะพระอาจารย์คําถามอื่นไม่มีนะเจ้าค่ะเวลสติก็ปล่อยวางนั่นนะให้เฉย กับร่างกายมันจะเป็นปวดเท่าปวดโดนก็แล้วมันไปรักษาได้ก็รักษาไปารักษาไม่ได้ก็ก็อยู่มันไปเจ้าค่ะโอเคนะเจ้าค่ะคุณหมอรัฐมนตรีเทริหมอรัฐมนตรีกับ น, นั ก, นกแกสพระอาจารย์ครับเป็นยังไงก็ดีครับ<อ>ก็ มีมีอ่าช่วงที่ผ่านมาพอดีก็เห็นสึกมีประโยชน์ของความทุกข์ทำไมใช่พอ <c oughs> ดีปกติผมก็จะไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรเท่าไหร่ก็ <c oughs> จะเป็นทุกข์ทางกายพะ <c oughs> ง, งานหนักอะไรเงี้ย <c oughs> ช่วงมีปัญหาอ่านิดหน่อยแล้วก็อ่ามันจะมีความกังวลใจอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่ามันก็เลยทําให้เราอ่าต้องกลับมาที่สติกลับมาที่ปัญญาครับอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่อยู่ที่สติ ใจส่วนนอกมันก็จะไปอยู่ที่ทุกข์มันไปพ้นไปอยู่ตรงนี้ก็เลยทำให้มันจะใจมันสงบมากขึ้นแล้วก็ก็มีความสุขมากขึ้นแทนที่มันมีความต้องวุความทุกข์กลับมาใช้สติอยู่ความคิดใชใชครับเพราะปกติถ้าไม่ถ้าไม่มีไอ้พวกอะไรมากังวลเราก็บางทีเราก็จะไม่ได้สงบลงได้สติมันก็อาจจะมันจะเราก็จะค่อยส่งออกไปเยอะครับเพราะว่าอย่างนี้แล้วก็มันจะต้องเลือกว่าไอ้จะไปอยู่ ไอ้ของทุกข์ก็ไปอยู่กับกับกับข้างในอ่ะมันก็เลยมาผักอยู่ข้างในแล้วมันก็เป็นความสงบที่ที่มันลึกขึ้นครับก็รู้สึกว่าก็ดีครับแต่รู้สึกว่าบางทีก็เอฟเฟกต์มันไม่ควรจะตอกให้อ่าทําทุกคนเข้ามามันจริงล้วก็น่าจะต้องปฏิบัติให้มันเราเป็นด็มันเข้ามาไม่ใช่ครับแล้วก็แมันก็เข้ามาเช่ครับใชิญครับ แต่บางคนก็มันก็หลายหลายอย่างบางทีมันก็ปในเรื่องเราก็แล้วก็ไม่ค่อยจังมันก็เหมือนจะปล่อยได้นะครับช่วงกอดคุณแม่มันกัมีสโตรกเีลยแล้วก็ทําตามหน้าที่เราแล้วก็มันก็ไม่ไปยุ่งอะไรแต่ว่าบางเรื่องมันอาจจะมีที่อาจจะยังติดอยู่ครับก็เลยทำให้ทำให้มันมันชอบไปมันชอบไปกอด่เรอนต้องคอยแกะมันอยู่เรื่อยครับใช่ครับครับนะก็เลยจะเลยพยายามอ่าอ่าปิบัตช่วงนี้ช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ก็ดีเพราะว่ามัน มันก็เลยต้องสติตามอ่าพุทโธลงหายใจอะไรที่มาครบพมันก็ต้องพยายามอ่ากอดให้อยู่ข้างในครับมันอ่าสติเยอะๆกับปัญญาเยอะๆแล้วมันก็จะเข้าเข้าในครับครับอ่าเดแต่วันสุกเสาร์ทีนี้ผมเข้าเข้าไปปฏิบัติต่อครับมาโอเคครับผมอ่าถ้านน้นนะครับผมครับอเค่าไปเที่ยว เรียกกรรมตา๋งนะกรรมตา๋งมาใหญ่ค่ะผมมสการครับผมตามอารามสกุลเรากรรมตา๋งนะกรรมตั๋งค่ะธรรมตั๋ครับกรรมตานะค่ะมาสการเจ้าค่ะอย่าไรหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่าสอบตกเจ้าค่ะมีอัดตับตัวตนกลับมาเจ้าค่ะเกี่ยวมันตายแล้วเหรอเจ้าค่ะมันออกมาแบบว่า เป็นผังผังหรืเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขาตีลูกหลานด้วยเจ้าค่ะลูกหลานรับข้อไปแล้วมันมันสงบไปเก้าปีนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขะเพราะว่าความอยากอมลูกจะอธิบายยังไงเจ้าค่ะหลวงพ่อคือคือลูกอ่าคืออ่าอย่างบ้านตกแต่แล้วลูกให้โจทย์มาว่าคือว่างเปล่าอะค่ะคือใส่คือบ้านลูกมันอ่า ซีวิร้อยเก้าสิบองศาใช่ไหมคะแล้วลูกก็จะแบบคือทุกอย่างเป็นกระจกแล้วลูกจะแบบให้มันใสว่างเปล่าที่เราบอกเข้าไปแต่ว่าสามีเขาเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจแล้วมันก็เลยกลายเป็นความยากของลูกหรือเ่าที่ลูกอธิบายทีคือมันเป็นความตรงเนี้ยไม่มีใครที่เขาเข้าใจใช่ไหมเจ้าคะแล้วพอเขาสั่งเฟอร์นิเจอร์มาเยอะๆแล้วเราก็จะพูดว่า เราเราไม่ชอบเราอยากให้มันว่างเปล่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรแค่โ ซ, โซฟาแล้วก็เพราบ้านมันว <laughing> ิวสวยอยู่แต anyway. ่เอย่างเงี้เจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ว่าอาจจะไปพูดผิดใจเขาเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันก yes. ็เลยแล้วอัตตาตนลูกมันก็เลยออกทุ่งออกมาที่มันซ่อนอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าเนี่ยอ่าไงก็มันขาดสติมันมันควรจะพทดแหละ แต่าเนี้เราไม่ควรจะพูดแล้วก็นับถือว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบ้า <c oughs> น, ม, ม, น ม, มันจะอยู่กับคนหนึ่งคยก็มีเศษที่จะไปผ่านที่เห็นของเขาเหมือนกันก็ต้องปรึกษากันคุยกันดีๆถ้าตรงเขาถ้ า, ถ, าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่ก็ยอมก็ถอยกันไปล้วอ ย, อยถอยออ ก, กปล่อยไปไปล่อยให้ทําไปทางที่เขาต้องการเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วต้องรู้จกักแพ้ ยอมหยุดเย็ยนยอมแพ้ไม่ตอบซึ่งเราบอกเขาแล้วว่าเราชอบใจอย่างนี้แต่ถ้าเขาใจอย่างนี้นก็โอเคจบเชิญข้าหลงพ่อแต่เราไม่ยอมนะเราจะเอาชนะให้ได้มความยากกีิเลดมั น, ม, นมันเห็นเลยครมันพุ่งมันพุ่งขึ้นมาสุดข้าหลวงพ่อพี่ลุง ตีลูกด้วยเจ้าค่ะอมไม้ตะพดตีหัวหน่อยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะอาตือว่าเป็นบทเียงอะไว่าการปฏิบัติของเราอยังขาดสติมาก้สมันรสตินั่นคือปมไปเสียใจไปโกรธตัวเองก็ไม่แกไปอยู่กันเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนสอนใจแล้ว่าเราต้องปรับปรตัวเราให้มากให้ดีกว่านี้ถูกถูกค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะเห็นเลยเจ้าค่ะของพ่อเจ้าค่ะ เห็นว่ามันมันยากมันยากแล้วมันเห็นเลยเจ้าค่ะมันดีมันไม่มีข้อสอบมันไม่รู้ว่าสอบตกหรอสอบได้นะถ้ามีข้อสอบมาให้สอบข้อสอบใช่เลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะปีนี้สอบตกเลยค่ะเริ่มต้นใหม่นะ <c oughs> เจ้าอ่ะไม่เป็นไรใครรู้ <c oughs> จักคำว่า s o r r I am sorry ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปถือตัวถ้าผิดก็รับผิดไปใชิ่าชิข่าก็กาบขอพรคุณเจ้าข้าโอเคนะสาธุสาธุจ้าข้าโอเคุณสุภาพรจากเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรจะคุยกับเรไม่มีครับไม่มีครับใจกลังใจมากนะ ให้กำลับบงใจแม่เลยต้อเข้าใจแม่นะอย่าไปโกรธแ้่นะใจอภัยเมตตาอยู่ด้วยกันทั้งเมตตาต่อกันนะครับครับทานสุ ก, การพระบุตของแ่าเิรัคซักับนำมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะวันนี้ขอร่วมฟังเจ้าค่ะโอเคดี้าไม่มีคำถามมาไรหลายเดือนแล้วเนื้นะ ก็ฝึกกอะเจ้าค่ะก็ฝึกไปเีฝึกเหมือนที่พระอาจารย์บอกจิตมันชอบไปก่อเกาะก็ต้องไปแก้มันแก่เงินแกเดี๋ยวมันก็ไม่ต่อนั้นต่าตอนนี้ก็ไปแกงมันนึ่งมันยังไม่เห็นทุกข์ยังไม่เห็นทุกข์ก็ไปเมันชอบเกาะไม่รูกัป็นไฟ เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ลม้ลมลุกครุขคนะ่ะก็เอาความผิดพลาดเป็นเป็นเครื่องเตือ น, นใจสอนใจแล้วก็ฝึกต่อฝึกต่อเป็ น, เ ป, นเป็นทิศรับสติปัญญาไปเอาความผิดพลาจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ <laughs> จะฝึกไปเรื่อยๆเจ้าค่ะดีจ้ะคร <laughs> ับเกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะคุณนพิเศ ษ, ษต่อพิเศ ษ, ษยินดีนะฮะ นมัส ก, การพระอาจารย์ครับอยู่ที่อยู่ที่สกลนครครับพระอาจารย์สกลนครมีอะไรไหมอยากอยากจะสอบถามพระอาจารย์หน่อยพอดีว่าผมเ อ, อทํางานแล้วผมเ อ, อไปไปสํารวจพื้นที่เพื่อที่จะตกแต่งอาคารพระาจารแต่ว่ามันเป็นอาคารของโรงพยาบาลแต่ว่าประเด็นก็คืออาคารหลังเนี้ยมันเป็นอาคารที่มีคนบริจาคสร้างสร้างให้ยกให้โรงพยาบาล แต่ผมจะต้องลื้ออาคารหลังนั้นนะโดยรื้อหลังคาออกรื้อพวกคานคอดินนั่นแหละพุณเนี้ยออกอาปบายานเนี่ยผมก็กลัวว่าเอ๊ะเงินทองเขาบริจาคไว้แล้วผมไปลื้อทําใหม่เนี่ยมันมันจะมีปัญหาอะไรไหมประจําจเป็นบาปตึงกรรมผมไหมไม่หลังเราไปปรับตรงนั้มันดีขึ้นเขามันชารุดทุดโทรมเราก็ไปแก้ไขตัดแต่งทาให้มันดีขึ้นเขาที่มันเก่าของที่มันเสียแล้วมันต้องลื้อออกไปของมันเก่าแล้วอันนี้จะ หมดสภาพแล้วก็ต้องไปกลับโลงใหม่คนที่เขาบริจาคตอนเขาได้บุญเขาได้บุญนั้นไอ้บ้านนั้นไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วอาคารนั้นไม่ใช่เรื่อของเขาแล้วเขายกไปโรงพยาบาลไปแล้วเนาะเขาไม่เกี่ยวเลยนะครับแล้วเราเอาโรงพยาบาลมันเจ้าของอนุญาตให้เราไปเรื่อกเขาเได้ไม่มีปัญหาะลยครับ มันเป็นชื่อเขาสลักไว้ในนั้นเลยไม่ได้ก็เอาเดี๋ยวเอาชื่อเอาเดี๋ยวเสร็จก็เอาใส่ข้อใหม่ก็ได้ครับจะทําจะทําชื่อใหม่มันเดิมนะครับเดิมเอาไปเดิมเน้่ยเพิ่งจะแกะออกไปก่อนพอทําเสร็จก็เอาไปเดิมติดเข้าไปใหม่ก็เนี่ยที่วัดก็เหมือนกันที่วัดบางทีมีกุฏิมัติดชื่ออยู่พอเราเลืสร้างใหม่แล้วก็เอาเอาชื่อที่เขาติดเนี่ยมาใส่ใหม่ครับ พรมันยี่สิบสามสิบปีมันก็เริ่มมันก็ริผ่านมันเก่าแล้วอยู่ไม่ได้นะเราต้องรื้อทำใหม่อายุอาคารประมาณนั้นเลยครับอาจารย์ประมาณยี่สิบสามปีไม่เอะนักมรรภาพนะครับงั้นเป็นทําไม่ป็นไม่เป็นปัญหาเลยรนะการทำบุญนี้ทําำต้องใจต้องขาดจากมันแต่เราไม่ได้ถือเป็นเจ้าของชิ้นนั้นนะแล้วแต่คนรับจะไปทํำอะไรก็เรื่องของคนรับคนให้มันปัญหาเลยนะครับ อเครับอาจารย์โอเคแล้วคณมารับงานก็ไม่ไม่ไม่ได้ทำบาปทำกรรมหร่อทำอะไรนั่นน่ะก็ฟังเทปหลก็ฟังเทปหลวงปูชาท่านท่านบอกว่าไอ้ตำรวจถามท่านว่าฆ่าคนโดยปฏิบัติหน้าที่นี่มีความผิดหรือเปล่าหลวงปูชาท่านบอกว่ามีความผิดเพราะว่าทางธรรมไม่ได้บอก อย่างนั้นในเะัื่กฎหมายตั้งกันขึ้นมาท่านว่ายอย่างนั้นผมก็เ<ต>ลยเออเราไปทําตามหน้าที่นี่จะมีความผิดหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยถามพระอาจารย์ลองดูก็ถ้ามันเป็นบาปมันก็ผิดแต่ถ้ามันไม่เป็นบาปมันก็ไม่ผิดนะครับถ้าเราไปถ้าเราไปข้างของที่เขามีชีวิตอยู่ น, นันก็ผิดถ้านหน้าที่แล้วไม่หน้าที่มันก็ผิดเป็นเป็นเพชฌ่านมันก็ผิดทําตามหน้าที่ นี่แต่ว่าบาบาบางมากน้อยต่างกันถา้ถาทาตามหน้าที่กับทำทาเพราะโลกเพราะโกรธนี่มันอาจจะหนักเบาต่างกันครับโอเคนะไม่ต้องคำนวา น, นะทำไปรบกวนไปจางคลินิกครับคือปุ้ยน <c oughs> ักสมบูรณ์จ อาจารค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยเองค่ะวันนี้คุณปุ้ยอยู่ที่ทํางานค่ะคุณปุ้ยจะมาลายงานตัวกับคุณพระอาจารย์ค่ะเป็นร้านอาหารปุ้ยถือค่ะคือครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นร้านอาหารเล็กๆ ข, ของอําเภอแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นร้านขายของ เ, ออ <c oughs> เหมือนกับสหกรณ์นะคะเรียกภาษาไทยก็สหกรณ์และพอดีว่า กุ้ยถือศีลแปดมาตั้งแต่เข้าวพันศาแล้วแต่ว่ามีสองวันเผลอลืมไปอ่ะมุ <c oughs> <c oughs> ่งถลืมไปอเอาเข้าเอาเข้าใส่บาตแล้วพอนึกขึ้นได้ว่าอุ้ยอุยขอโทษค่ะตอนสวดมนต์บอกขอโทษค่ะพระพุทธเจ้าขอขมาค่ะแล้วพอดีเมื่อวานนี้ยมทําแกงสับลดยมชุเป็นคนชอบใส่บาตตอนเช้าใส่บาตรกับพระพุทธรูปแล้วที น, นี้ยมก็ไปเผลอชิม ทีนี้แต่ยังไม่ได้กลืนนะพระอาจารย์อย่ากดโยมนะโยมยังไม่ได้กลืนโยมก็เลยคลายออกมาโยมก็บอกว่าขอโทษขอ ข, อขอมาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการที่ว่าว่าไม่ไม่เก็บคำพูดนะคะนะแต่โยมก็ทำได้ตั้งหลายวันนะพระอาจารย์แต่ว่าแต่โยมขอขอมานะโยมต้องแต่งตัวเพราะว่าโยมต้องออกมานอกบ้านต้องมาทำงานก็ถ้าเรามี <c oughs> มีความจําเป็นก็เฉยแค่สี่ห้าเม่ก่อนก็ได้จนถ้าไม่มีปัญหาเลยอืมไม่อ่ะพยมชอบอ่ะเวลาที่เอ่อชอ บ, บ<า>จะทําไม่ได้อชอบจะทำไม่ได้ก็เหมือนกันเหมือนกโกวตัวเองอแต่ว่าทานทานยมทานก่อนเที่ยงยมทานก่อนมาทํางานหลังจากนั้นยมไม่ทานยมได้แต่ดื่มเฉยๆแต่ว่าแต่ยมรู้สึกดีและการนั่งสมาธิมันยาวยาวขึ้นแล้วเราไม่รู้สึกเอ่อ ไม่รู้สึกหนุดหิดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเบาๆตัวเบาๆแล้วรู้สึกจิตมันนิ่งๆแต่ว่าถามว่าเวลาที่อยากจะกลับไปถึงสี่ห้มันมี อ, อัตโมติกเลยตอนเช้ามันจะเอ้ยสวดรับสิ <c oughs> นแปดก็ดีก <c oughs> ็ได้รักษา <c oughs> ไปอ <c oughs> าจจะไม่ครบบ้างบางวันบางวันอาจจะขานนดให้ขาดหน่อยก็ให้ดูตัวว่าจะทำไม่ครบอะไรกัน ยมรู้ค่ะเพราะว่ายมทําอะไรผิดปุ๊บยมจะไปจุดทูบบอกกับพระพุทธเจ้าบอกว่าขอเข้มานะขอโทษนะคะขอประทานโทษค่ะยมทําผิดหมดเดี๋ยวตั้งต้นใหม่ยมก็พูดอย่างเงี้ยจะบาปไหมคะอไม่ต้องไปบอกบถ้าไม่มาสนใจเราบอกตัวเราเองก็แล้ว่าเราทําผิดแล้วแกอ้อย่างแก้ตัวแก้ไขไว้ค่ะ <laughs> ใช่ค่ะทำผิดก็แก้ไว้ข่าต่อไปอย่าพูดอย่าผิดซ้ำซากก็แล้วกัน อ๋อแม่อะไม่มีจะบอกก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าจะชาติจะไม่ทําเลยก็เอาสินห้าไปเลยเพราะจริงๆอย่างไงสินห้าเราก็ครบอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้อยากจะลองอะไรที่มันให้มันดีกว่าเดิมเราก็ได้ไม่เป็นไรถ้าทําไม่ได้ก็รู้เขาบอกโดยตอนอันนี้สอบตกข้อนนี้สอบตกแทนนั้นเองไม่ได้มีแม่ไม่ได้เป็นความเสียหายตรงไหน แต่ยมรู้สึกว่ายมจะทําได้เพราะว่ายมตั้งปฏิฐานไว้แล้วว่ายมจะทําให้ได้เข้าพรรษานี้แล้วก็ยมก็นั่งสมาธิตอนเช้ายมชอบนั่งสมาธิตอนยมจะตื่นตีหนึ่งตีสองยมกันนั่งสมาธิยมก็ฟังบางทีว่างฟังพ่อจารย์บ้างบางทีก็ฟังหลวงปู่ไม่บางทีก็ฟังหลวงปู่เรียนฟังฟังสับกันไปแล้วยมก็สมาธิยมก็นิ่งค่ะเด ก็ทําไปเรื่อยๆศีล ส, สมาธิมีวันหนึ่งวันศุกร์ที่แล้วแบบนั่งยาวมากเลยโดยที่แบบไม่ปวดเลยอื mm hmm. ยมนั่งรวดเดียวเลยแบบสามชั่วโมงกว่ายมยังสงสัยตัวเองว่าโอ๊ยทาได้ไงวะเนี่ย mm hmm. แบบไม่รู้ตัวเลยแลบะบยมก็ไม่รู้ด้วยว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยอะ่ะก mm ็ hmm. ดีทําไปก็แล้วกันทำไปเรื่อยๆนะค่ะ ยมแต่ยมไม่ได้เห็นสวรรค์เห็นนรกอะไรแบบนั้นที่ฌานไม่ได้เห็นเนาะนั่งสมาธิให้จิดนิ่งให้เห็นความว่างอย่เดียวใช่ค่ะนิ่งอ่ะนิ่งคือยมรู้ค่ะและเขเริาคือเมื่อก่อนเป็นคนชบกลัวผีบอกตรงๆว่ากลัวผีไม่กลัวผีขึ้นหัวสมองเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกลัวแล้วค่ะเพราะว่าพอมีอะไรเสียงอะไรมาเนี่ยพอมาเฮายมจะหยุดก่อน แ, แล้วบอกเอะไม่มีอะไรนะ mm hmm. คือเราจะบอกเราจะรู้แล้วเราก็จะบอกว่าเออขอเข้ามานะเ อ, อเดี๋ยวฉันจะแผ่บุญให้เธอนะอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรโ <Okay. S 2> นะอเคะหรอยัง ม, ม, มาไม่มีค่ะจะมาขอพรขอพรนี่ล้วไม่พอให้ให้ไปเท่าไหร่ไปพอทีเดียว ต้องต้องขอต้องขอพลังและขอพอรทุกอาทิตยค่ะจริงมันให้คนเดียวมันก็ขเขาเพราะเราไปตลอดชีวิตแล้วห่าไม่เป็นไรหรอกคุย <c oughs> ชอบขอทุกวันนะชอบขอทุกอาทิตย์อ่ะ <c oughs> คนให้มันคนให้มันเหน่อยเลยไม่อยากจะให้เลยให้คนเดียวแล้วบอก็ให้ให้ไปครบทั้งชาติเลยไม่ไม่พอนลยแต่ชีวิตเนยอ่า ขอให้มีความสุขความเจริญในร่างไม่ด้วยสวยไม่สา่งบายไม่ด้วยด้วยนะเวลอัตเทวพจน์เวลาอยากจะขอความก็เปิดฟังเราอยากอยากอยากอยากมันรู้ทำด้วยอ่าอาจารย์มีโดวงใจทำ <Okay. S 2> สาธุค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะสาธุค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณชันนี่ต่อชันนีแมงค์ก๊อ อเดียวข้างใครหรเปล่าไม่ข้างเนียังไมกก่ข้างอนนี้ตอบการนิมมัสการค่ะอาจารย์วันนี้เข้ามาฟังไม่มีคำถามค่ะโอเคในแบที่กนชยานิดหน่อยนะใช่ไหยชยาหน่อยหรืออาจชื่อนง อ, อ่าใไม้ก่อสวัสดีค่ะชยานิดหน่อยค่ะอาจารย์โอเคอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะแล้ว ม, มีอะไรไหม จริงก็มีนะคะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติก็คือว่าที่ตกใจแล้วก็มันจะมีสิ่งที่กลัวเวลาปฏิบัติไปมันจะเจอสิ่งที่กลัวค่ะมันจะผลขึ้นมาก็มันขึ้นมาในโทรศัพท์ด้วยค่ะจะ้ะคือเหมือนกับเราพูดออกมาแล้วทีนี้โทรศัพท์ได้ยินใช่ไหมมันก็จะคอยขึ้นมาเรื่อยอะไร ว่าทีงไงไม่เข้าใจขึ้นทางโทรศัพท์มันทรัทใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเข้าไปในเ c e b o o k พวกอ่าอินส a าแกรมอะไรอย่างเงี้ย u ู u b e มันก็จะขึ้นสิ่งที่เรากลัวใช่ค่ะเหมือนว่าโทรศัพท์รู้าจักเรามากกว่าเร า, าเรู้จักตัวเองอะคะ่ะตอนเนี้ยถ้าต้องขอนดยว่าไม่มีอะไรน่ากลัวมันก็เป็นเซนที่มันก็ มันก็ปรากฏการของมันอย่างนั้นนะเราไปกลัวมันเองมันทำอะไรเราไม่ได้สิ่งที่ทำเราได้ก็คือความกลัวยังต้องหยุดความกลัวว่าเวลากลัวก็พุโทโธพุโทโธไปคือคือหนอกลัวงูคาจาร์งูมัวก็ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของ ของความไม่เข้าใจนะว่ามูมันก็ไม่มีอะไรกับเราหรอกมันก็อยู่ของมันไปนะเราก็อยู่ของเราไปหายมตตาให้ต่อกันเวลาเจอกันก็อย่าทำร้ายกันหิีกทางกันไปนั้นเองเขาจะคอยมาแบบที่บ้านเรื่อยอะค่ะใครเข้ามาเดี๋ยะห้ามเขาไม่ได้มันไปทุกบ้านไม่ใช่เฉพาะบ้านเราบ้านเดียว ใช่ค่ะมันตกใจเหมือนเขาก็ไปหากินหาอะไรหาที่อยู่ที่กินอะไรเขาก็ไปตามภาษาของเขาเหมือนกับเราเราก็หาที่อยู่ที่กินมาเราไปก็ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติอของเขาเขาไม่มีพิษมีภัยสิ่งที่มีพิษมีภัยก็คือความกลัวของเราเองนักลัวแบบไม่มีเห็นไม่มีผล แล้วอย่างนี้เราจะพิจารณายังไงคะท่าก็ก็มินที่พิจารณาว่ามันเป็นอย่างนี้แหลก็ต้องอยู่กับมันไปให้ได้ต้องอยู่กับมันไปให้ได้มันมันก็หายกลัวอยอถ้าอย่างเราปฏิบัติอยู่ในบ้านมันก็คือการหลบใช่ไหมคะก็ไม่ได้หลบแล้วก็ปฏิบัติตามที่ของเราเราอยู่ที่อะไรเราก็ปฏิบัติที่ของเราไป ได้ะคะ่ะแล้วการที่เรารู้สึกตัวเราไม่มีประโยชน์แบบนี้ถือว่าเป็นอัตตาตัวตนไหมคะอ๋อถ้าคิดว่าตัวเรามันก็เป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาแล้วนะจะไีประโยชน์ท้าไม่มีประโยชน์มันก็อัตตาตัวตนถ้าเราคิดว่ามีเราขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็แสดงว่ามีตัวตนแล อถ้าฝึกสติสมาธิให้มากพอความกลัวนี้จะหายไปไหมคะหายหายชัว่วคาวเวลาเวลาคิตสงบมันก็จะหายกลัวเดี๋ยวเวลาไม่สงบมันพอมันคิดเองคิดถึงมวยมันก็กลัวขึ้นมานไดถ้าอยากจะให้หายถ้าอยากจะหายกลัวตลอดเวลาก็คือว่าอะไรก็ตามอย่างมากก็แค่ตายอามณกันอย่างมากก็แค่ตายถ้ายอมตายแล้วมันก็หายกลัวไปตลอด ก็ อ, อยากหายกลัวก็ยอมตายยังไงก็ต้องตายอยู่ดีไม่ใช่เกิดมาแล้วใช่ค่ะก็จะตายตุไหนก็แล้วคือลองจินตนาการถ่าตัดสดตัวเองอะคะ่ะมีดกรีดหลังรู้สึกแบจินตนาการถุงมกัดนะ เ, เพียวแล้ววิ่งเข้าไปทั่วร่าง ก, กาย ให้อยู่ท้ายใจหัวใจหยุดเต้นกะตายแต่รู้สึกแสบแสดงว่าสมาธิอ่อนใช่ไหมคะมปฏิบัติไม่มากมนั่งสมาธิไม่มากขอใช่ไหมคะอะไรแสบแต่ก็คือว่าจินตนาการขาตัดขาตัดสดนะคะเอามีจิตใจยังเสียวอยู่ใช่แสดงว่าอเคคุเบกขาย่งไม่มีไม่มากถ้ามีมากพาก็าจะเฉยๆเหมือนดู ดูหนังไปดูอะไรไปคนเล็บฟันหนังดูหมดค่ะจะบอกอาจารย์ว่าที่อาจารย์แนะนำมาที่หนูฟังเทศของพระอาจารย์ทุกครั้งอะคะ่ะที่พิจารณาอสุภะเรื่องการมอารมณ์ใช้ได้จริงค่ะใช้ไม่ได้จริงยังมาบอกทำไมล่ะ คือไม่ไม่มีเรื่องแบบว่าที่แบบว่าต้องการในเรื่องกรรมอารมณ์เลยอะไรอย่างนี้นะคะ่ ะ, ะก็ก็ดี <ๆ S 1> แต่มันอาจจะเป็นช่วงคาวก็ดเดี๋ยวพอพอเรื่มาสุภาพเมื่อไหร่มันก็นอาจจะเกิดกรรมอารมณ์ขึ้นมาใหม่ก็ได้ก็น้องคอยสังเกตอย่าไปประมาทก็คือว่าอตอนนี้ก็เหมือนเราชักเยอย์อยู่กับกิเลสใช่ไหมค ะ, ะบางทีเราก็แต่ไหนไม่รู้สึกว่าเพุเลยอะค่ะ อช่วงนี้มันอาจจะเรากําลังอาจจะมีมากกว่าบันแค่ได้แต่ถ้าเกิดเราอ่อนกําลังเมื่อไรเราใจเราเพลินเมื่อไรก็อาจจะโผล่ขึ้นมาได้โผล่มาขึ้นมากราต้องใช้อสุภาษิตนันต่อไปจนกว่ามันจะไม่โผ่ขึ้นมาเลยเราเราก็ไม่ต้องกลัวถ้าเราหยุดมันได้ผมยังเรามันออกไปมันมาใหม่แล้วก็เราก็หยุดมันได้ถ้าเกิดมันโของขึ้นมาแต่มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่า อย่างยังถ้าเราอืมมันมามันจะมาในรูปแบบอื่นนะคะเท่านั้นเน่ะเมื่อก็ต้องพร้อมต้องต้องฉลาดท่านมันเนี่ยมันท่านมันมันไม่มาจากทางข้างบนมันก็มาจากทางข้างล่างมาจากทางซ้ายมาทางขวามาแล้วก็ต้องคอยคอยรับมันได้ทุกรูปแบบค่ะก็คือที่หน่อยฟังอาจารย์มาตลอด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไหนต้องฝึกสมาธิมากๆก็คือว่านั่งสมาธิอย่างน้อยปราสามสี่ชั่วโมงจะเห็นผลใช่ไหมคะอาจารย์ก็มันก็มันไม่ได้อยู่ที่เวลาอกมันอยู่ที่ว่าสงบเร็วนะสงบช้าเลยถ้ามีชิตดีๆห้านาทีสินาทมันก็สงบได้ค่ะอาจารย์ช่วยบอกอานับอานเหมือนจิตรวมค่ะอาการของจิตวมอนาปนาสติ สักครั้งได้ไหมคะ เ, <อ>เหมือ น, นว่าเหมือ น, น, นก็เบาจิตสบายนิ่งเฉยไม่คิดตกแต่งอะไรรู้เฉยเฉแล้วเราจะเกิดปัญญาใช่ไหมคะเ๋าไม่เกิดนะปัญญาต้องต้องสอนใจต้องออกจากสมาธิแล้วมาสอนใจว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่เก็บตายมืจะกัดจ ะ, กะกปล่อยมันกัดไปถ้ามันถึง <c oughs> เวลาจะตาย ก็นั่นแหะปัญญาต้องสอนว่านการต้องตายมันไม่ใช่โจทย์ของเราจริงๆเรื่องนี้หน่ยหลบมานานมากเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าหน่กลหลบก็ไม่ใช่ปัญญาเราเพิ่งเป็นกิเลสต้องปัญญาต้องกล้าเผชิญความจริงถ้าหนีความจริงมันก็มัน่าจะทุกข์ไปเรื่อยๆถ้ายอม เผชิญกับความจริงยอมรับความจริงได้ใจก็จะหายทุกข์หายกลัวได้ค่ะอต้องปลงไม่ได้ปลงตายเรียกว่ปลงตายยอมตายจมตายก็ต้องยอมตายถ้องยอมยอ ม, ยอมหยุดแล้วก็เยน็นยอมตายแล้วก็หยุดต่อเสื่อมหยุดใจก็จะเยน็นสบายเอาเอาจริงๆนะคะ คือถ้ามันเรื่องนี้หายไปอ่ะไม่แน่ใจว่าคือความกิเลสมันจะผุดอะไรขึ้นมาอีกอาจจะมีแบบหลายแบบหลายรูปแบบอมันมีเรื่องอื่นอ่ะมันมีหลายเรื่องเลยกิเลนมันมีหลายตัวแต่เรื่องความตายมันจะมันจะไม่มาแล้วถ้าเรายอมตายแล้วความกลัวตายมันจะไม่เกิดอีกนะก็เรื่องนี้จะไม่เกิดแล้วใช่ไหมคะแล้วไม่เกิดแล้วแต่มันยังมีเรื่องอื่นที่เรายังไม่ได้แก้ก็ต้องไปแก้ต่อไปได้นะคะ ขอบคุณพระอาจารย์ที่ให้คำแนะนำมากเลยนะคะ <Okay. S 1> คือไปได้นะครบคุณเป็นหน้าที่หน้าที่ของพระอ่านขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะ mm hmm. คือสำหรับคนที่ดูไลฟ์สดอยู่แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในซุมตอนนี้คือเอาจริงๆคือทุกคนเห็นอาจารย์เป็นไอดอลด้านทางโลกและทางธรรม สำหรับหน่อยนะคะในออไม่ไม่ใช่ทุกคนหน่อยก็ไม่รู้แต่สำหรับหน่อยอคือผ่าจานอายุมากแล้วเราก็ยังมาไปทำบิณฑบาตตอนเช้าทําแบบช่วงบ่ายสองต้องมาเทศอีกแล้วช่วงสองทุมก็ต้องมาให้ใายทุกให้แบบญาติโยมใครปฏิบัติติดขัดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอาจารย์ก็อายุเยอะแล้วดูดูพระพุทธเจ้าพระเจ้าเทศวันละสามสี่รอบด้ยกัน ค่ะทุกวันเราเบินธบะนะพราะพุทธเจ้ามีภารกิจห้าอย่างด้วยกันเช้าออกเป็นธบะบ่ายสอนญาติโยมนอนตอนข้ามสอนพระภิกษุภิกษุณีตอนเดึกสอนเทวดาตอนเช้าก่อนเราบินธบะเล็งญานิว่าจะไปสอนใครเป็นกรในพิเศษในวันนั้นในภารกิจห้าประการด้วยกันงั้นพวกเรานี้ยัง ถ้ากับองค์ธุลีของพระพุทธเจ้าไม่เป็นปัญหาแหละมันไม่มันไม่เป็นของหนักต้องแบกบภาละมันไม่ได้หนักของหนักอะไรันเพียงแตนั่งคุยกันไปนี่นะเองดีที่แก้งเหงาไปในตัวหรือว่าเน้นอยู่คนเดียวมันเหงาเลยอยู่คนเดียวหน่อยรู้สึกว่าก็ยังแบบว่าบางทีในโล่าางโลกมันวุ่นวายมากเลยนะคะพาราซานอ่าก็<ต>อยู่คนเดียวอ่ะดีทสุ พอไปวัดพระาจารู้สึกเงียบสงบรู้สึกทำไมปีอย่างนี้ <estre S 1> อยากแบบอยากความสมุขความสงบคือความสมุขที่แ น, นวความสมุขทงปวงใช่ค่ะอาจารย์อขอบ <Okay S 2> คุณากนะนะค่ะไปก่อนนะาใกล้จะหมดแนละ้วขอบคุณมากค่ะ <Okay. S 2> คุณซันนี่่เอาทานซันนี่เมื่อกี้พูดแล้วใช่ไหขอแปล มนเกิดเกิดบันเดิกอันนี้ต้องเร่อหน่อยนะเวลาแค่จะบดกอาจะต้องคสา์ครับก็วันนี้อลวันนี้เข้าประเด็นเลยค่ะวันนี้ไม่มีคำถามผ่ามากราบอาจารย์ครับโอเคันก็ขอขอไปก่อนนะข้าบไปครับคุณชนมีคาถามอะไรไหมเชิญไม่มีครับอาจารย์ครับ ก็ครับผมก็จากขาวที่แล้วนะครับที่พูดเรื่องสติแล้วพิจารณาการสามสิบสองครับอาจารย์ก็ผมทําเช้ากลางวันเย็นวันละประมาณหนึ่งลัดนิ้วมืออะครับก็แบ่งทเป็นรายวันทําให้มากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับครับได้ขึ้นมานิดหน่อยครับอไม่เป็นไรครับค่อยๆเปค่อยไปเริ่มต้นมันช้าหน่อยน้อยหน่อยอะไรนะครับ ม, ม, มันเริ่มทําใหม่ๆมันทำได้น้อยหน่อยชา้าหน่อยต่อไปมันก็จะเพิ่มได้มากขึ้นไปเไรื่อยๆโอเคนะไม่มีอะไรแล้มีอะไรไหยครับไม่มีครับขอบคุณอาจารย์มากครับโอเค ก, เคคชเก็ชื่วยเก็บมาเชิญนวัสการค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าอย่างเราพยายามฝึกสติ ในใจละวันแล้วเราพยายามดึงดึงดึงกลับมาสมมุติตั้งแต่เช้าไปจนถึงช่วงค่ําแล้วอะค่ะพอตอนค่ำอะหนูรู้สึกว่ามันตื้อตัวเรามันมันรู้สึกตื้บางทีก็เหมือนจะปวดหัวเหมือนเราพยายามกลับมาอยู่กับตัวกับตัวกับตัวอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกเหมือนมีมวลนีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่สบายมันไม่สบาย ใช่ค่ะก็ลองผ่อนคลายเลยนี้ลองอาจจะตึงเกินไปก็ได้แล้พอหนูพอหนูเริ่มเอเริ่มหนักมากหนูก็ปล่อยปล่อยสติก็ปล่อยแบบว่าไม่ได้ปล่อยหมดหมดูหดสตินะก็คือไม่ทำใไปบังคับมันมากเกินไปดูมันแบบห่างๆก็ได้เราใช้อะไรเป็นการกสร้างสตินะพุโทโธหรือว่าดู อะไรชวงแรกๆเออ่หนูพยายามหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันแต่ว่ า, วาเวลาทําอะไรก็ดูมดลมหายใจเยอะนะยืนอยู่อย่างยืนทํากับข้าวอย่างเนี้ยค่ะก็พุทธเข้าออกโทแต่ว่ามันไม่ได้เสมอำไมต้องไม่ต้องทําอย่างนี้ละมันมกกน้าไปไปเราจะทำกับข้าวก็ววให้เฝ้าดูกายทํำกับข้าวของเราไปแทนอย่าไปดูลม ดูทำกับข้าวไปแทนช่วงไหนถึงจะใช้พุโทโธถึงจะดีหระคะในพุโทโธนี่ใช้เวลาที่การเราดูเราทำกับข้าวไปมันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นอยู่แล้วก็ใช้พุโทโธหนึ่งกลับมาแต่เราต้องอยู่กับงานที่เราทำเป็นหลักหนูรู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับตัวเองยืนก็รู้ว่ายืนอยู่นั่งก็รู้ว่านั่งอยู่มองไป ร, บรอบๆก็ เห็นว่าเรากำลังมองไปอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่หายใจอยู่<อ>โดยไม่เอาพุโทโธเข้ามามใช่ไมอาจารย์ไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องเอามันสบายกว่าสบายมามันมากเกินไปนอกจากว่าถ้าเอาให้มันดูแล้วมันไม่ยอมอยู่มันจะไปคิดเรื่องนั้นนนี้ก็ใช้พุโทโธดนึงกลับมาถ้าเราต้องการกำกับความคิดให้เราดึงพุโทโธใช่ไหมคะอะ ใ, ชใช้พุโทโธหนึ่งกลับ ถ้ามันคิดถ้าเราให้มันดูงานที่เราทําอยู่มันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มัใช่ผูถ้ถอยเดิมค่ะอาจารย์ขออีกคําถามได้ไหมคะได้ไดถ้าเกิดหนูพยายามจะทำไอเอฟแต่ว่าหิวคะ่ะเราจะแก้ตัวนี้ยังไงดีคะไอเอฟทำอะไรมาถึงอย่างพยายามกินเจ็ดโมงถึงบ่ายสองแล้วหลังจากนั้นไม่กินอ่าแต่ว่ามัน เวลาหิวก็อย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในอยู่ในจานนี่คิดถึงอาหารที่อยู่ในเท้าคิดถึงอาหารที่มันถ่ายออกมากเรียกปฏิคูนอาหารมันต้องออกมาใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนสภาพใช่ไหมเวลาอยู่ในจานมันน่ากินนหมเนะเวลาเข้าไปเท้าในปากลรงเคี้ยวประสบน้ำลายนี่มันน่ากินไหมถ้าไต้เห็นหน้าเห็นตามมันให้นึก ถ้าอยากจะรู้ว่าหน้าตาเป็นไงอาหารที่กําลังอยู่ในปากกาลัา ง, ลงคลายมัอาวันเดิมก่อนเอาคลายมาแล้วที่ตากกลับเข้าไปกินใหม่ได้ป่ะไม่น่ากินแล้วค่ะแต่ทําไมเวลาอยู่ในปากมันยังกินได้ป่ะเพีเยงแต่เอามาดูหน้าตามในระอบกับเข้าไปใหม่ไม่ได้อธิบายไหมอย่าไปดูส่วนที่มันน่ากินส่วนดูที่มันไม่น่ากินบ่างจะได้ มันก็จะได้หยุดความอยากได้เนะี่ยโดยดูที่เวลาเวลาถ่ายออกมาก็อย่าเพิมีอย่าเพิ่งไปล่าช่วงอย่าเพิ่งดูพิจารณาไปก่อนเนาะนี่พิซซ่าที่เมื่อกี้มันเช้านี่กินขนมที่มันช้ากินมันไปอยู่ตรงนี้เองแล้วต่อไปเวลาคิดถึงพิซซ่าก็คิดถึงที่ลันมันออกมาแต่ร่างกายเราเป็นยังไง แล้วต่อไปเราจะไม่หิวเราจะกินแบบสบายๆถึงเวลาก็กินไม่ถึงเวลาก็ไม่หิวไม่อยากกินกระจายไม่ทําได้ไม่ต้องทําทเลยเราจะลองเอาไปพยายามใช้ค่ะอ่ามันไม่ยากนะมันเขามีอยู่กับตัวเราตลอดเวลาแล้วไม่มองมันเองะนะโอเคนะขอบคุณค่ะโอเคหมนแล้วแม่ตานเอง อาที่คุณลาได้แล้วมัคุณลาเดี๋ยอประมาณสิบสามนาทีมันก็พอละมีคำถามจากทาง Facebook และ YouTube ทั้งหมดสิบสามคำถามเจ้าค่ะคําคำถามแรกเป็นคำถามฝากถามค่ะธรรมะที่ว่าอาหางสุขิโตโหมิเมตตาแก่ตนเองทำอย่างไรให้เกิดขึ้นและมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้ได้ผลครับก็อย่าทำร้ายตนเองด้วยการนะทำบาปต่างๆนะ ทำบาปนี่ก็แสดงว่าเราไม่เมตตาตัวเราลน่ะเราไปโกงเยินของคนอื่นนี่เราไ ป, กไไปโกหกเราโกงคนอื่นเนี่ยมันไม่เมตตากับตัวเราลนะ่ะเพราะเราไปสร้างปัญหาให้กับตัวเราขึ้นมานะถ้าเราเมตตาเรารับตัวเราเราต้องไม่ไปสร้างปัญหาให้กับตัวเราไม่ไปทําบาปนะคงับไม่ไปกินเหล้า อีเล่านี่ก็ทรางปัญหาให้กับเราเดี๋ยวเราเราก็ไปมีเรื่องอีเล่าคนนั้นคนหนึ่งทุติยคนนั้นคนหนี่เนี่ยคือหลักของการปฏิบัติ อ, อย่าอย่าเบียดเบียนตนเองด้วยการทําด้วยการไปเบียดเบียนผู้เอาไปเรียนเรียนผู่นแล้วก็มันก็ถ้ากลับมาเบีบียนตนเองนั่นแหละคําถามต่อไปจากคุณพรราวีอยากสอบถามพระอาจารย์ สัตว์เดรัจฉานเมื่อเกิดมาย่อมไม่มีโอกาสสร้างบุญกุศลเมื่อตายไปจะได้ไปเกิดพบที่สูงขึ้นได้อย่างไรคะก็ต้องต้องมาเกิดในเพราะตอนที่เป็นสัตว์ต้องเป็นสัตว์ที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กินเนะื้อสัตว์เป็นสัตว์ที่กินผักกินอะไรก็จะไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาแล้วพอตายไปกรรมเก่าที่ที่มาใช้เหมือนวอดก่กรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ แต่ยังกลับมาเกิดยังต้องมากินสัตอื่นอยู่มันก็ยังทำบาปต่อไปคําถามต่อไปจากน้องหลินหลินมีทั้งหมดสองคำถามค่ะคําถามแรกช่วงทําสมาธิพุทโธกับลมหายใจยาวสักพักสั้นและต่อด้วยไม่มีลมให้พุทโธนั่งเหมือนไม่มีร่างกายค่ะระยะเวลาไม่นานเจ้าค่ะรู้ตัว ควรปฏิบัติอย่างไรต่อเจ้าคะก็รู้ก็รู้วิธีอย่นั่งเพื่อให้จิตมันนิ่งให้มันสงบถ้ามันยังไม่นิ่งไม่สงบก็ต้องนั่งต่อไปดูลมต่อไปลมอย่าไปบังเข้าให้มันสั้นอย่าไปบังเข้าให้มันยาวปล่อยให้มันหายใจไปตามธรรมชาติของมันมันจะหายใจสั้นก็รู้หายใจสั้นหายใจยาวก็รู้หายใจยาวเราอย่าไปบังเข้าให้มันหายใจสั้นอย่าไปบังเข้าให้มันหายใจยาว ขั้นมที่สองตอนนี้หนูตั้งใจบวชใจถือศีลแปดปฏิบัติได้สามวันแล้วเจ้าคะ่ะหนูคิดว่าความแตกต่างระหว่างอยู่วัดกับบ้านคือความเงียบและความวิเวทแต่ถ้าสำหรับถ้าทำงานบุคคลรอบข้างเป็นข้อสอบทดสอบตัวเราเองปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะไม่ทราบปฏิบัติยังไงนะ ทดสอบตัวเองเขาบอกว่าถ้าเขาทํางานเขาก็จะเห็นว่าบุคคลรอบข้างเป็นข้อสอบของเขาเพื่อทดสอบตัวเขาเองเวลาบุคคลรอบข้างมีการกระทบกันแบบนี้เจ้าค่ะก็ดูว่าเราเฉยได้หรือเปล่าเการปฏิบัติก็เพื่อให้เราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่ไม่เดือดไม่ทุกข์ไม่รุนแรงใช่ คำถามต่อไปจากคุณนาวาลมีทั้งหมดสองคำถามคะ่ะกราพระอาจารย์ด้วยเสียงกล้าวคะ่ะคำถามที่หนึ่งหนูฝันว่ารู้ว่าจะต้องตายเลยต้องการหาภาพพระที่ชอบมาดูแต่มีเสียงพูดว่าไม่มีมีแต่ภาพองค์พระสีทองหนูเลยว่าไม่เป็นไรแล้วนอนภาวนานิพพานะสุขขังไปเรื่อยๆจนรู้สึกชา หมดความรู้สึกเลิกจากปลายเท้าไล่ขึ้นมาจนถึงหัวใจหนูคิดว่าต้องตายแน่ๆ แ, แล้วแต่กลับไม่ตายพอตื่นจากฝันรู้สึกเสียดายมากว่าไม่น่าตื่นขึ้ น, นมาเลยน่าจะตายไปซะความฝันแบบนี้หมายความว่ายอย่างไรเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันนะจมานความนั้นก็มันก็มายความอย่างที่มันเห็นเลย หมายควมวาไม่ช้าเลยเราก็ต้องตายพอ้ยยยมันมาเตือนเร า, าเตือนเราเตรียมตัวตายแล้วนะถึงใกล้แล้วคําถามที่สองปกติหนูชอบภาวนาพุโทโธใคร้ครวญความทุกข์ความตายและเริ่มพิจารณาภาพอสุภะ หน้าศพขึ้นอืดสีคล้ำตาถลนเป็นภาพปิดตาที่หนูเคยเห็นตอนนอนหลับคนะ่ะหนูพยายามฝึกให้ชำนาญกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะสั่งสอนแนวทางการปฏิบัติต่อไปด้วยเจ้าค่ะกรพิจารณาว่าร่างกายของเราทุกคนเหมือนกันหมดในที่สุดก็ต้องกลายเป็นซากศพไปถ้าไปยืดไปติดไปนั่งไปห่วงก็จะทุกข์ แต่ถ้าไม่รักไม่หวงไม่ยึด ไ, ไม่ติดก็ไม่ทุกขนะ์คําถามต่อไปจากคุณวาชนาะกราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับการที่เราไม่ลูกคําศีลจะทําให้การปฏิบัติสมาธิก้าวหน้าได้เร็วขึ้นถูกไหมครับกราบสาธุครับออการไม่ลูกคำํำศีลก็คือการไม่ทําบาปนั่นเองการนีออ้ เอาลูกคำสิ่งก็ยังยังไม่มั่นใจว่าสิง น, นี้มีพมีคนมีประโยชน์อย่างไรแต่เราพูดไม่ลูกคำสิ่งก็ปคือเพื่อนผู้ที่จะรักษาสิ่งบอยอย่างบ่อยสุดจะไม่กล้าทำบาปเมื่อเมื่อรักษาสิ่งมันก็จะทำให้การภาวนาดีขึ้นคำถามต่อไปจากคุณเปียนันกราพระอาจารย์ค่ะ เวลานั่งไปนานๆผ่านเวทนาแล้วรู้กายเบานั่งเหมือนกับไม่ได้นั่งรู้สึกตัวเบาและสามารถนั่งต่อไปได้อีกหลายชั่วโมงโดยไม่เห็นกายเลยค่ะเราจะปฏิบัติต่อไปอีกอย่างไรคะพระอาจารย์กลาบขอพระคุณพระอาจารย์ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้มันชนานาญคาถามต่อไปจากคุณภูวัฒนา กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะกรณีที่เราต้องสูญเสียลาบยศสรรเสริญโดยไม่เป็นธรรมเราจะทำใจใช้สติปัญญาด้านไหนคะที่เราจะไม่ทุกข์ใจขอข้อพิจารณาธรไม่ตาด้วยค่ะขอบคุณค่ะคือการสูญเสียมันจะเป็นธรรมแมเป็นธรรมมันก็สูญเสียอยู่ดีก็ยอมรับเถอว่ามันต้องสูญเสียกแล้ว จะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมมันก็ต้องมีการสูญเสียเป็นธรรมดาคำถามต่อไปจากคุ ณ, คณยวันพระอาจารย์คะเราพูดว่าปล่อยวางตัวตนมีไม่จริงแต่ทำไมพูดว่าปล่อยวางแต่ใจปล่อยไม่ได้เจ้าคะ่ะทุกเจ้าคะ่ะต้องไม่มีสมาธิไม่เข้าสมาธิถ้าเข้าสมาธิก็เท่าก็เท่ า, า, า, า, ากับไปปล่อยวาง สมาธิคือคือเป็นที่ที่เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างคำถามต่อไปจากน้องลิหลิหลนหนูทดสอดความเมตตาแจกอาหารให้สัตว์ในโรงพยาบาลมีนกกับกระรอกมีอีกาเป็นเพื่อนทานผลไม้กับขนมปังตอนนี้หนูมีเพื่อนมาเยอะเลยค่ะ เป็นการสร้างบุญจากการให้อาหารสัตว์ใช่ไหมเจ้าคะเพื่อนๆนเปลี่ยนจากคนมาเป็นสัตว์ค่ะก็คนที่อยางเรื่งทุกทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะสัตว์อย่างเดียวอย่าไปเรื่องที่นารักมากที่ฉันเมตตามันต้องสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ในระฉานเราต้องมีความเมตตาให้เท่าเทียมกัน คำถามต่อไปจากคุณชัดคาวาสากิพระอาจารย์มาทันช่วงหลวงปู่เจีย๊ยะเป็นเจ้าอาวาสวัดยานไหมครับ อ, อ๋อไม่ทันอะหลวงปู่เจีย๊ย ท, ท่านอยู่ที่วัดยานในตอนนั้นเรายังอยู่ที่วัดป่าบ้านตาเนนะแต่ได้ยินข่าวของท่านว่าท่าน่นานอยู่ที่นี่คำถามต่อไปจากคุณกอ๊อฟจิตและใจตัวเดียวกันไหมครับตัวเดียวกัน คำถามต่อไปจากคุณทรงสมรขอโอกาสถามค่ะปฏิบัติภาวนาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ค่ะลูกเริ่มฝึกปฏิบัติาทานศีลภาวนาและฝึกสติอยู่กับงานที่กำลังทำอยากขอคำแนะนำการปฏิบัติค่ะคือยังปฏิบัติน้อยไปต้องไปเปิกวิเว่ต้องไปอยู่คนเดียวใน ท, ที่เงียบๆที่เจะได้ปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืน ยหยขึ้้้นนาไดคำาถามอ่ะเหลือสองคำถามเจ้าค่ะเพิ่งเข้ามาเจ้าค่ะคำถามต่อไปจากคุณสุกัญญาปราบนมัสการเจ้าค่ะศีลห้าสามารถเป็นพระอรหันต์ได้ไหมคะถ้าไม่ได้จะถึงไหนได้คะเนี่ะศีลห้าก็เป็นหล่การไม่เราไปตกอาบายแนั่นเ่งถ้ารักษาศีลห้าได้เราก็จะไม่ไปเกิดในอาบายแต่ยังไม่ยังไม่บรรลุธรรมได้ คำถามสุดท้ายจากคุณอรณิชชาน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าคะ่ะการบริจาคโลหิตเป็นบุญกุศลด้วยหรือไม่เจ้าคะกลับสาธุคะ่ะได้เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งเหมือนกับให้เงินให้ทองอันนี้ให้เงินให้ทองเราก็ให้เลือดไ แ, แล้วเนี่ยวันนี้คิดว่าค่าจะเหมืนไม่ได้พเดีก็คิดว่าพอสมควร ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเ อ, อิ